สมัยพระเจ้าถังเกาจูเมืองจีนน่นมีชาวนาคนหนึ่งเป็นคนจิตใจโหดเทียมมากเลยวันหนึ่งขณะที่เขากำลังทำนาอยู่มีควายของเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็เดินเข้ามาเหยียบถูกต้นข้าวในนาของแกชายผู้เป็นเจ้าของนี่ก็โมโหมากเพรคิดว่ามันจะมากินข้าวก็จับหัวควายไว้แล้วก็ใช้เชือกมัดลิ้นมันแล้ว ก, กระชากอย่างแรงจนลิ้นขาดออกมา วายที่น่าสงสารนี่ปากเต็มไปด้วยเลือดเลือดไหลไม่ยอมหยุดเจ็บปวดแสนสาหัสชาวบ้านที่ผ่านมาพบเห็นต่างก็รู้สึกเวทนาสัตว์ที่ไร้เดียงสาบางคนก็สาปแช่งวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าเพียงข้าวไม่กี่รวงนี่ยังทํากันได้ถึงขนาดนี้เจวหรือทําต่อสัตว์ผู้มีพระคุณไม่ได้คิดเลยว่ามันเนี่ยทำข้าวมาให้คนกินเนี่ยปีหนึ่งตั้งเท่าไหร่ทําไมไม่คิดถึงมันบ้างมันกินข้าวแค่ไม่กี่รวงทําไมทํามันอย่างนั้น เป็นคนแท้ๆทำไมจิตใจถึงโหดเยี่ยมปิดมนุษย์ต่อมาไม่นานชาวนาคนนี้แต่งงานภรรยาของเขาก็ให้กำเนิดลูกชายที่น่ารักน่าเอ็นดูแต่ปรากฏว่าลูกชายทั้งสามคนเนี่ยพูดไม่ได้เลยครับตั้งแต่เกิดเป็นใบเป็นหมดเลยทั้งสามคนชาวบ้านก็พูดเสียงเดียวกันว่าเป็นเพราะเตี่ยมันเป็นคนโหดเยี่ยมลูกๆก็เลยต้องพลอยรับกรรมไปด้วยไอ้เรื่อง ตัดลิ้นวัวลิ้นควายเนี่ยที่มนทนเจียงซูสมัยนั้นนายซีนี่แกมีอาชีพเป็นพ่อค้าเนื้อควายแล้วทุกครั้งก่อนจะลงมือฆ่าจะเอามีดตัดเอาลิ้นควายออกมาซะก่อนแม้ว่าควายผู้เคราะร้ายนี่จะส่งเสียงร้องอย่างน่าเวทนาสักแค่ไหนก็ตามนายเพชราดผู้โหดเยี่ยมคนนี้ก็ไม่เคยมีใจสงสารเลยแม้แต่นิดเดียว หลังจากที่ฆ่าควายเสร็จแล้วในซีก็จะนําเอาลิ้นควายเนี่ยกลับไปตุ๋นกินเป็นของแกร้มเล่าก็คิดแต่ว่ารสชาติลิ้นควายตุนนี่มันช่างอ ร, อร่อยเสียเหลือเกินแล้วอยู่มาวันหนึ่งหลังจากเสร็จภารกิจแล้วแกก็นําเอามีดฆ่าควายไปเก็บไว้หลังขอบประตูอย่างเช่นที่ทํามาเป็นประจำเสร็ล้พักหนึ่งในซีเนี่ยได้ยินเสียงหนูหนูมันวิ่งไล่กัดกันอยู่บนขอบประตูก็แงนหน้าขึ้นมองดูตอนนั้นหนูเจ้าการรมมันวิ่งท่าไหนไม่รู้ มันไปเบียดเอามีดที่วางไว้นี่ตกลงมาปรากฏว่ามีดเนี่ยปักลงไปที่ลิ้นในซีขาดเลยนักฆ่าควายนี่ร้องสู่เสียงด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสมีดคาปากล้มลงดิ้นทุรนทุรายไปมาจนกระทั่งขาดใจตายเออทำอะไรไว้ก็ต้องตายอย่างนั้นแหละตลอดชีวิตนี่ฆ่าสัตว์ให้ตายอย่างทุกทรมานเป็นประจำตัดลิ้นเข้าเพื่อให้อร่อยลิ้นตัวเองผลสุดท้ายก็ ไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องมาถูกตัดลิ้นจนตายด้วยมีดเล่มเดียวกันกฎแห่งกรรมนี่ไม่ใช่พูดโดยไร้เหตุไร้ผลนะครับมองดูอย่างผิวเผินน่ะเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ดโดยความเป็นจริงแล้วมันช่างน่ากลัวเกินที่กว่าเราท่านจะคาดคิดไดอีกเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้น่ากลัวจังเกิดที่จังหวัดราชบุรีนานแล้วเขาเรียกคุ้งตะเคียนครับตำบลเบิกไพรจังหวัดราชบุรีย้อนหลังไป สี่ห้าสิบปีในพื้นที่บางส่วนของประเทศไทยในยังต้องอาศัยแม่น้ําลําคลองเพราะฉะนั้นการคมนาคมทางเรือก็มีบทบาทสําคัญมากเลยในครั้งครั้งนั้นนี่เรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยท่านผู้ฟังเกี่ยวข้องกับคนที่มีบ้านเรือนใกล้แม่น้ำลำคลองและผู้สัญจรค้าขายทางน้ํานี่ลุงแล่แม่เล่าให้ฟังว่าแกเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแกบอกว่าหน้าน้ําเหนือเนี่ย น้ำน้ำจากทางเหนือก็จะไหลลงสู่ทะเลก็ทําให้น้ำนี่เชี่ยวกรากเลยเสาะตะลิงนะตะลิงก็โดนน้ำนี่เซาะพังทลายไปปีหนึ่งปีหนึ่งมีเนื้อที่ไม่ใช่น้อยแล้วกระแสน้ําที่พัดผ่านริมตะลิงนี่นอกจากจะทําให้ดินถล่มแล้วน่ยังทําให้บ้านเรือนชาวบ้านพังทลายนําความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านเปน็นอันมากแล้วปีนั้นน่ะมีบ้านหลังหนึ่งพังลงน้ํขนาขณะที่เจ้าของบ้านทั้งผัวทั้งเมีย แล้วก็ลูกๆอีกสองคนต้องสังเบยชีวิตในขณะนอนหลับบ้านที่ว่านี่เป็นบ้านของนายอาดนายอาดคืนนั้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือของคนที่ถูกมุงแล้วก็สิ่งของในบ้านม้วนตัวทับร่างเอาไว้แล้วก็จมอยู่ในน้ำด้วยจนไม่มีทางที่จะรอดออกมาเลยแม่ไม่รู้เวรกรรมอะไรญาติมิตรที่เห็นเหตุการณ์ ต่างก็พยายามช่วยควานหาบุคคลทั้งสี่คือครอบครัวในอัดเมื่อรู้ว่าบ้านทั้งหลังถูกน้ําเซาะตลิ่งพังลงน้ําไปแล้วตอนนั้นกระแสน้ํานี่เชี่ยวมากเลยทุกคนสิ้นความหวังที่จะช่วยในอัดญาติพี่น้องก็ร้องไห้กันเสียงระงมทั้งคืนหลายคนต่างก็วิพากวิจารณ์กันไปอ่าคนพูดน้อยก็วิจารณ์น้อยคนพูดมากก็ยังว่านะครับว่ากันเป็นคุ้งเป็นแควบางก็บอกว่านี่มันสร้างกรรมมาไว้ เทียวยิงนกตกปลาหาปูหาเขียดมาขายมันถึงต้องตายอย่างนี้นะอีกคนก็บอกว่าหน้าสงสารเหลือเกินทิดอาดเอ้ยทั้งเมียและลูกนี่ตายอนาถแท้ๆไม่รู้เวรกรรมอะไรออตอนนั้นเรือมาหกเจ็ดลำออกหาศพกันทั้งกะเชา้าจนกระทั่งบ่ายสองโมงคณะงมศพก็พบความสาเร็จศพในอาดนี่ลอยปริ่มติดอยู่ใต้สะพานหน้าท่าของชาวบ้านอีกตาบลหนึ่ง ห่างมาจากบ้านของตัวกเองประมาณสักกิโลเมตรเศษเศษแล้วก็อีกสามศพคือเมียนในอาจแล้วก็ลูกอีกสองคนอันนี้ถูกกิ่งต้นลาพูที่ยื่นลงไปในน้ำเกี่ยวมุงเอาไว้ศพลอยปริ่มน้ำตอนนั้นกระแสน้ำเอื่อยเอืยเพราะว่าน้ำทะเลหนุนขึ้นสภาพศพของตัวในอาจซึ่งเป็นพ่อบ้านนี่ถูกไม้ ในบ้านนี่กระแทกเอามีรอยเกี่ยวคร้มหลายแห่งก็มีมุ้งหลังเล็กๆพันร่างเอาไว้เข้าใจว่าในอาดเนี่ยคงจะนอนคนเดียวในมุ้งหลังเล็กเพราะว่าบ้านในอาด เ, เป็นเรือนไทยก็อาจจะนอนอยู่ห้องข้างนอกส่วนเมียกับลูกเนี่ยคงจะนอนอยู่ในห้องศพทั้งสามเนี่ยไม่แตกต่างกันมากนะักแต่ว่ามุ้งของเมียในอาดเนี่ยหลังโตเกือบเท่าห้องเป็นผ้าดิบ มุงหูมุงนี่สอดได้ไหมรกูกอ่ะสองอันเวลากลางมุงแล้วความสูงของมุงก็จะพอดีหัวเวลายืนเรียกว่าเป็นมุงใหญ่แบบบุราณมุงหลังใหญ่เนี่ยตอนที่บ้านพังลงน้ามุงก็รัดเอาทั้งแม่ทั้งลูกเอาไว้เสร็จแล้วไม้รวกทั้งสองที่ทาเป็นหูมุงก็เป็นเพชรขาตอีกแรงคือไม้มันเบามันก็พยายามลอยขึ้นแล้วก็ไปเกี่ยวเอาสะพานท่าน้า มันก็ยึดเอาคนอยู่ในมุ้งดินไม่หลุดมีแต่จะสำลักน้ำตายเท่านั้นเองแบบเดียวกับเวลาทีา่เราเวียงแห่ไปโดนปลาเนี่ยนะครับปลามันก็จะออกไม่ได้จะดิ้นครุขักครกุขักอยู่ในนั้นนะ่ะแบบเดียวกับที่เมียกับลูกในอาดเนี่ยโดนเพราะฉะนั้นศพของแม่ลูกก็เลยลอยไปไม่ไกลาจากที่เกิดเหตุพอช่วยกันยกศพขึ้นเรือได้แล้วชาวบ้านเราก็เอามาที่ท่าหน้าวัดสภาพศพมีมุ้งรัดร่าง อ่าพวกเขาไว้อย่างแน่นหนาศพของเมียในอาจที่แสดงอาการไขว่คว้าหาลูกน้อยทั้งสองเนี่ยใครมาเห็นทุกคนก็ต้องร้องไห้ทุกคนอ่าผู้ชายใจแข็งแค่ไหนก็ต้องเบือนหน้าหนีขนาดพระยังต้องปรงสังเวชใจอ่าเมื่อวานนี้ยังใส่บาตรพระที่พายเรือบดมารับอาหารที่บ้านแกแต่ว่าวันนี้พวกเขาจากโลกไปแล้วอย่างน่าสงสารอ่าหน้าเบื่อหน่ายกับการเกิดแก่เจ็บตายเอะเหลือเกิน พระลงแล้วก็เอาไปฝังคณุณโบราณก็ถือว่าการตายแบบนี้เขาเรียกตายโหงก็เลยเอาไปฝังไว้ป่าชาหลังวัดนะฝังศพไปแล้วความหือหาวิพากษ์วิจารณ์ก็ค่อยๆจางซาหายไปพอครบเจ็ดวันคนจะพูดถึงครอบครัวทิอา์ก็น้อยเต็มทนบางคนก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ตอนนั้นนะตอนนั้นคนที่อยู่บ้านห่างๆออกไปก็นอนหลับสบาย แต่คนกใกล้บ้านนายอาจเรือว่าทิศอาจเนี่ยนะไม่รู้ก็ต้องรู้ไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นเพราะว่าคืนนั้นหลังจากทําบุญเจ็ดวันไปแล้วทิดแก้วเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ของนายอาจทั้งนี้นายอาจผู้ตายก็เรียกนายแก้วว่าพี่เพราะว่านายแก้วนี่อายุมากกว่าสองปีนายอาจกับนายแก้วนี่โตมาด้วยกันเรียนหนังสือก็เรียนวัดเดียวกันตอนจะไปจีบลูกสาวเจ้าบ้านก็เป็นคนคอยดูต้นทางให้ก็เรียกว่าถ่อยทีถ้อ ย, อ, ย, อ, ยอาศัยอ่า ทีกว่ารักกันมากขนาดจะมีใครมาตีหัวในอาจในแก้วก็จะต้องออกรับเลยจะตีไออาจมาตีหัวกูดีกว่านี่รักกันมากขนาดนี้แต่คืนนี้ทิดแก้วนอนคลุมโปงตัวสันเยอะอ่าเงื่อแตกหมดเพราะว่า เ, เมื่อคืนนี้ก็ได้ยินเสียงชัดเลยบอกเรียกพี่แก้วพี่แก้วช่วยผมด้วยผมกำลังจะตายผมกำลังจะตายอ่ะ นอกจากเสียงของเพื่อนรักแล้วยังได้ยินเสียงหลานรักสองคนมาร้องเรียกลุงจ๋าลุงจ๋าลุงช่วยด้วยเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงวิ่งเล่นอย่างเกลียวเสียงหัวเราะเสียงเสียงอันตามประษาเด็กดังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต่อด้วยเสียงร้องไห้รำพันเหมือนใจจะขาดของเมียในอาจเสียงร้องโหยหวนเสร็จแล้วก็เสียงดังตูมเหมือนคนหล่นน้ำก็ช่วยด้วยช่วยด้วย แล้วเสียงหมาหอนรับประเป็นท่อตอท่ อ, ทอถึงวัดดังไปหลังประชาจึงกระทั่งเงียบสงบลงนะรุ่งขึ้นนายแก้วกับเมียรพร้อมกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งยู่สําหรับกับข้าวเป็นแถวเลยไปวัดขึ้นไปบนหอฉันอ่าท่านเจ้าอาวาสก็ทักเออทิดอาจจะลูกเมียมันทุกเว้ยมันก็เลยเฮี้ยนหน่อยนะแต่มันไม่ทําอะไรได้หรอกวิ ญ, ญญาณมันยังวนเวียนอยู่ที่บ้านนั่นแหละ เมื่อคืนอาตามาพูดกับมันแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูบ้านสักหน่อยทิดแก้วเองเนี่ยหัวจะโกรนให้ได้ฝ่ายเมียทิดแก้วก็ทำท่าปวดหัวตัวร้อนเนื่องจากความใกล้ชิดของครอบครัวทิดอาดเนี่ยตลอดถึงลูกๆของทิดอาดด้วยอ่าเธอก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันอ่าเมื่อคืนนี้คนทั้งหมู่บ้านก็ปรึกษากันว่าน่าจะทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็อุทิศกุศลไปให้ครอบครัวทิดอาดด้วยความหวาดกลัวทุกคนก็ ต้องยินดีอะนะบางคนก็ยินดีด้วยหัวใจบริสุทธิ์บางคนก็เอาทำบุญก็ทำาเลยผีไตหงจะได้ไม่มารบกวนการเตรียมงานทำบุญประจำตาบลก็ปรากฏขึ้นมาคนที่สนุกที่สุดเห็นจะได้แก่พวกแอรคอเล่าเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยรู้จักนึกคิดอะไรนอกจากกินแล้วก็เมาเมาแล้วแออ์แอร์มันเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้ววันนั้นแมกรอย สาวสวยประจําบางได้รับหน้าที่ให้จัดอาหารไปสองสำรับมีข้าวมีหวานเอาไปคู่กันไปวางไว้บนเสือใกล้ชายแม่นำ้ำพอจุดพูบเทียนเสร็จก็ตั้งใจ อ, อ, อธิษฐานไปถึงทิศอาจแล้วก็เมียแล้วก็หลานๆทั้งสองคนพูดไปก็ร้องไห้ไปบอกว่าหลานเอ๋ยมากินข้าวกินขนมสินะป้าเอามาให้นะลูกขอให้หลานจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะ วันนี้ป้าทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ทุกคนได้มีความสุขแม่กลอยนี่อดีตสาวงามประจำบางแต่ตอนนี้ห้าสิบกว่าแล้วเสร็จแล้วแกให้อาหาราแก่ผู้ตายแล้วเสร็จแล้วก็ว่าจ้างเจ้าจุกเจ้าเปียช่วยนั่งดูหมาอย่าให้มากินจนกว่าทูบหมดทูบหมดแล้วก็ไปบอกก็แล้วกั น, นให้ตังค์คนละสองสลึงเลี้ยงพระเลี้ยงคนเสร็จทุกคนก็กลับบ้านกลับเรือนตัวเอง ยังเหลือแต่บรรดาคอทองแดงทั้งหลายยังโจ้กันอยู่กลางลานบ้านลิ้นไก่สั้นกันทุกคนอ้อแออ้อแอก็ปรากฏว่ามีเสียงตะโกนบอกเฮ้ยผีหลอกเสียงเออ่างพวกจีเมาดังลั่นนะเสร็จแล้วก็ลุกฮือวงแตกเลยวิ่งหนีกันกระจุยบอกว่าทิศอาจจะลูกเมียเดินเขามานั่งร่วมวงด้วยว่างั้นนะ คนอื่นก็มองไม่เห็นว่าผีทิดอาดมาหลอกหลอนยังไงคนไม่เห็นก็หัวเราะเป็นที่สนุกสนานก็คิดว่าไอ้พวกขี้มเมาตาลายมองเห็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าเป็นผีติดอาดแล้วก็หลายวันต่อมามีแม่ค้าขายของประเภทในเรือนี่มีของทุกอย่างตั้งแต่หมากพลูปูนปลาทูนึ่งน้ำตาลขนมเด็กผ ล, ลไม้กระเทียมหัวหอม เสร็จแล้วแกพายขายของมาไกลแกก็เหนื่อยก็คิดจะพักเหนื่อยตอนนั้นแม่ค้านี่ใช้เรือสำปั่นขนาดกลางนะก็นั่งพักคลายความเหนื่อยครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็มีเสียงอเด็กบอกนะ้าพายไปที่บ้านหน่อยสิพ่อกับแม่อยากจะซื้อของนะแกก็หันไปดูอ้าวเด็กอยู่ในน้ํานั่นก็บอกไอ้หนู มาเล่นน้ำอย่างนี้ไม่ดีนะตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวจมน้ำนะลูกนะแม่ค้าก็กลัวเด็กจะจมน้ำตายเด็กก็บอกไม่จมหรอกฉันว่ายน้ำเก่งแม่ค้าไปสิแม่กวักมือเรียกอยู่นะ่นะ่ๆนะเดี๋ยวฉันจะว่ายน้ำข้ามไปก่อนกับ น, น้องแม่ยายแม่ค้านี่แกก็ไม่มีสติจะคิดได้ยังไงกับเด็กตัวเล็กนิดเดียวทำไมว่ายน้ำเก่งขนาดนั้นคนโตนี่เจ็ดขวบคนน้องห้าขวบดังนั้นแม่น้ำก็กว้างน้ำก็ไหลเชี่ยวแกไม่ได้คิดนะอ่ะอ่ แคก็พายตัดกระแสน้ําให้พอดีกับบ้านตรงข้ามพอเรือแล่นมากลางน้ําสายตาแม่ค้าก็มองเห็นแม่เด็กกวักมือเรียกลูกทั้งสองอยู่ไหวๆเด็กทั้งสองคนว่ายน้ําเก่งจริงๆเรือไปถึงกลางน้ําเด็กนั่นวนะ่ายน้ำว่ายแซงเรือแล้วอ่าเสร็จแล้วเจ้าของอ่าคือแม่ของเด็กก็มาที่ข้างเรือเนี่ยพอเรือเข้าเทียบ ถ้าแล้วก็แกก็มาชี้เอานั่นเอานี่ผักนั่นผักนี่ขอซื้อหอมกระเทียมด้วยสั่งแล้วแกก็รอแม่ค้าก็ก้มหน้ากค้มตาหยิบให้เอาเชือกกล้วยผูกผักมัดให้อ่าก็บอกว่าได้ยินเสียงว่าเอาเงินไปสิเนี่ยแม่ค้าก็เงยหน้ามือก็ยื่นออกไปรับทีเนี้ถึงได้มองถนดัดสายตากับสายตาประสานกันอ่า ไอ้รายข้างบนนยะยิ้มให้แต่อีกรายหนึ่งตัวสันปากเขียวเลยพูดไม่ออกตัวสัน่าร้องลั่นว่าผีหลอกผีหลอกดา่าด้วยความตกใจอ่ะแม่ค้านะ่าจะหัวโกรนหรือเปล่าลุงแรมที่เล่าเรื่องเนี้ยแกก็ไม่ได้บอกแต่ว่าแม่ค้าคนนี้แหละมาทำให้วิญญาณทิศอาจจะเมียกับลูกเกิดเฮี้ยนขึ้นมาก็เพราะว่าตอนที่แกกลับไปเนี่ยแกก็เอาเรื่องไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟัง ญาติพี่น้องแม่ค้าคนนี้ไปหาหมอพระจากอาทางขาเขมรเนี่ยมารูปหนึ่งเล่าว่าภิกษุรูปนี้มีวิชาความรู้ทางทรมานผีมากนะคือนั้นภิกษุกับคารวะสามคนก็มาลอยเรือทําพิธีเรียกวิญญาณเอาผงสายโรยลงไปในน้ําเสร็จแล้วก็เอาก้อนหินลงอาถรรพโยนลงไปในน้ำสี่ก้อนจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็ได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของวิญญาณอยู่ไม่ได้ขาด ท่านจเจ้าอาวาสที่วัดเนี่ยถ้ามีจิตสัมผัสกับวิญญาณทิฏอาจกับลูกเมียเขามาตลอดท่านรู้ว่าวิญญาณทั้งสี่ดวงถูกผู้มีวิชามากระทำให้ลำบากเดือดร้อนเพราะวิญญาณนั้นน่ยมาบอกท่านจเจ้าอาวาสถึงความทุกข์บอกว่าฉันเจ็บทรมานเหลือเกินพระเขมนมาทำร้ายฉันและลูกเมียมันเอาหินมาทับฉันไว้เอาทรายเศกสะกดฉันฉันไม่ยอมฉันไม่อยู่หรอก ฉันจะเอาชีวิตผู้คนมาอยู่แทนลูกเมียฉันจะต้องหาโอากาสเอาคนมาแทนให้ได้รุ่งเช้าจเจ้าวาจก็มาบอกญาติพี่น้องทิศอจทุกคนได้ฟังก็ขนลุกสู้ไม่อยากจะคิดว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นทิศแก้วซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตายเนี่ยเป็นทุกข์เหลือเกินเกรงว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดนะระหว่างเดือนกรกฎาคมนี่ฝนตกชุกมากตอนนั้นเส้นทางคมนาคมทางน้า มีเรือโยงผ่านไปมาในแม่น้ำนี้ตลอดวันเรือต่อมันทุกสายเต็มลำลอยปริ่มน้ำเกาะขบวนโยงกันมาสี่ลำบ้างห้าลำบ้างไม่เว้นแต่ละวันสองวันแรกก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายนี่ชาวบ้านใกล้แม่น้ำได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญเหมือนกับคนที่มีทุกข์อย่างแสนสาหัสอยู่ใต้ท้องน้ำหลายคนก็นึกถึงครอบครัวทิฏอัดไม่มีใครกล้าลงอาบน้าหน้าท่า ค่ำลงปิดกอนประตูจุดทู้ไหว้พร ะ, อะตอนนั้นความกลัวความมืดเข้าปกคลุมชาวบ้านใกล้ชายน้ำทั่วไปคือนั้นมีแต่เสียงหมาหอนเป็นทอดทอดเสียงนกหากินตอนกลางคืนผสมผสานกับเสียงเครื่องยนต์เรือลากจูงดังสนัน่นลั่นท้างน้ำ เสร็จแล้วทมกลางความเงียบและคนที่นอนหลับอยู่แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงร้องกรี๊ดกรีดสามสี่ครั้งเสียงดุดันโกรธแค้นเสร็จแล้วก็เงียบนะปรากฏว่าตอนนั้นมีขบวนเรือต่อขนาดใหญ่ห้าลำกับเรือลำเล็กๆสองลำที่พ่วงท้ายมาด้วยบรรทุกเรือเม็ดเนี่ยเพียบปรีดมาเลยทีนี้ระวางคุ้งน้าที่เขาเรียกคุ้งตะเคียนเนี่ยเป็นคุ้งน้าที่หักข้อศอก ประกอบด้วยกระแสน้ํำทะเลหนุนขึ้นน้ําก็ไหลเชี่ยวมากเรือยนตพยายามจะเบนหัวเรือลากจูงตัดแหลมเพื่อให้ท้ายขบวนที่ต้องเหวี่ยงตัวไปทางคุงน้ําให้น้อยที่สุดเสียงเครื่องยนต์เร่งเครื่องดังกึกก้องแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขณะที่เรือกําลังเร่งความเร็วเต็มที่ปรากฏว่ามีขบวนเรือโยงสวนมาเป็นเรือโยงมันทุกสายสามลำถ้าเป็นกลางวันคงไม่มีปัญหา เพราะว่าเจ้าของเรืออาจจะช่วยคำ้ำช่วยคัดท้ายให้ตรงได้แต่ว่านี่เป็นเวลากลางคืนเรือยนสองขบวนที่โยงเรือหนักทั้งคู่สวนกันระหว่างโค้งคุงน้ำเนี่ยทำให้เรือมันทุกเกลือแล้วก็อีกขบวนมันทุกทรายลำที่หนึ่งลำที่สองลำที่สามหลบพ้นแต่เรือเกลือลำที่สี่ กับเรือบรรทุกทรายลำสุดท้ายหลบ ก, กันไม่พ้นก็ปัดเข้ากระแทกกันอย่างแรงเสียงโครมพอเรือตะแขคงน้ําเข้าลําเรือพ่วงทั้งสองลำนะเสียงโครมครามอึกระทึกชาวบ้านแตกตื่นขึ้นมาเสียงเออะโวยวายเสียงตะโกนเรียกหากันพ่อแม่ลูกนะเรือบรรทุกทายสามชีวิตที่อยู่ในเรือเนี่ยจมลงใต้น้ําในเรือบรรทุกเลยอีกสองชีวิตเป็นเด็ก เล็กอีกคนหนึ่งกระเด็กรุ่นสาวอีกคนดิ่งลงใต้น้ำนะส่วนเรือลำเล็กๆสองลำที่โยงมาด้วยข้างหลังนั้นมีคุณยายอายุสักเจ็ดสิบได้ถูกแรงกระแทกคงสลบไปแล้วกระเด็นลงน้ำก็เลยตายอีกคนรวมแล้วคืนนี้หกคนหกชีวิตถูกวิญญาณทิฏฐิอาบเอาไปเป็นบริวารแล้วนะเป็นเรื่องน่าสลดใจเวรกรรมที่เคยก่อกันมาแต่ชาติปางไหน เป็นเหตุให้บุคคลเหล่านี้ต้องทนทุกทรมานอยู่ใต้ท้องน้ำนี่เป็นว่รากลุ่มแม่ค้าและพระเมรนี่ไปจุดไฟแค้นในกวิญญาณเฝ้าใต้พื้นน้ำถึงไม่สงบก็ต้องสังเวยชีวิตบุคคลไปถึงหกศพศพก็นอนเรียงรายกันบนโป๊ะหน้าวัดเนี่ยก่อนที่จะมีญาติมิตรมารับศพกลับไปครับเดี๋ยวพักสักครู่หลังจากที่มีคนตายไปแล้วหกศพคุ้งน้านี่ก็วังเวงอย่างน่าประหลาด ชาวบ้านแถบนี้ก็หวาดกลัวกันมากแม้กระทั่งจะระวังอยู่ก็ไม่ไวายมีเหตุการณ์ปรากฏว่าแรมสิบห้าข้ามเนี่ยนางดวงแม่ไม่ผัวตายลูกสามคนคนโตอายุสิบห้าคนกลางอายุสิบขวบคนเล็กแปดขวบลูกๆก็เป็นเด็กดีทุกคนก็ช่วยแม่ทํางานทานําการดีไม่เคยเกียจคร้านรู้ว่าแม่ลําบากก็ยิงมานะเช้านั้นนางดวงก็แบกสำรับไปวัดทําบุญตามประเพณีที่ยึดมั่นกันมาลูกทั้งหมดก็ตามแม่ไปวัดด้วย ลูกคนเล็กสองคนไปถึงวัดก็ไปเจอเพื่อนเยอะนี่ก็วิ่งเล่นกันเจี๊ยวไปหมดอนะที่สนามหน้าวัดคนเท่าคนแก่ก็อยู่บนศาลาการเปรเรียนไม่มีใครคาดคิดว่าวันนั้นจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนางดวงกับลูกคนโตก็ช่วยกันจัดสําหรับอาหารเพื่อจะนําถวายภิกษุสงฆ์ญาติโยมกําลังมีความสุขกับการทําบุญแม่นางดวงเองก็ตามก็ลืมนึกถึงลูกเพราะคิดว่าทุกครั้งลูกมาวิ่งเล่นกันในวัดแล้วได้เวลาก็จะกลับบ้านเอง เด็กๆกลุ่มหนึงก็วิ่งเล่นอยู่หน้าวัดอ่าก็ถ้าเลยตรงนั้นไปอีกร้อยเมตรก็จะเป็นแม่น้ําซึ่งวันนั้นน้ําขึ้นเต็มตะลิ่งเลยแล้วอีกประเดี๋ยวน้ําก็จะลงแล้วคนที่เอาเรือมาวัดเนี่ยที่เขาพายเรือมาก็จะพายกลับว่าอย่างนั้นตอนนั้นเรือจอดผูกโซ่กันหลายสิบลำตั้งแต่เรืออีแปะเรือสำปั่นขนาดเล็กเรือมากเรือบดแล้วตอนที่เด็กกําลังเล่นกันอยู่ก็มีเรือลําใหม่เอี่ยมเลยอ่าเข้ามา แล้วก็มีเด็กอ ว, วัยสิบขวบคนหนึ่งเจ็ดขวบคนนึ่งอยู่ในเรือนั่นแหละตะโกนเรียกเด็กที่อยู่ข้างบนบอกว่าพวกเรามาพายเรือเล่นกันเถอะเด็กที่วิ่งเล่นกันอยู่ที่ลานในยะี่สิบกว่าคนไม่ได้ยินเสียงอะเว้นแต่ลูกของนางดวงคนกลางกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นลูกเท่าแกเฮงสองคนเท่านั้นที่ได้ยินเสียงเรียกก็หันไป ม, มองเห็นเด็กอยู่ในเรือขวักมือเรียกอยู่นะเรือนังสวยจริงๆทาสีไว้สวยงาม เด็กไม่เคยเห็นก็เดินลงไปที่ตีนท่าแรกๆก็รังรออยู่เพื่อนๆที่เล่นกันอยู่ก็บอกว่าเอาจะไปไหนอ่ะแม่สั่งไว้อย่าลงไปท่าน้ําเด็กสองคนไม่ได้ยินเสียงเตือนของเพื่อนอะก็เดินลงทุนก้าวลงเรืออา่าเสร็จแล้วเด็กในเรือสองคนที่ว่าน่ยก็ย้อนเรือออกไปกลางน้ําอย่างรวดเร็วเรื อ, รอลํานี้สวยจริงๆทาสีสวยอา่าเรียกว่าพายเรือนี้แล่นไปอย่างเร็วล่ะจำครั้งเดียวแล่นเร็วยังกระใส่เครื่องยนต์ เรือประหลาดเนี่ยเล่นไปถึงกลางน้ำก็ทาท่าจะล่มจมลงเสร็จแล้วเด็กที่มากระเรือยนีย่พากันโดดลงไปในน้ําอ่าก็เหลือแต่ลูกชายนางดวงกับเพื่อนลูกเท่าแก่เฮงเนี่ยร้องเอะอะไปที่เรือลํานั้นเด็กเด็กที่เล่นเนี่อยู่กลางสนามหน้าวัดตะโกนกันลั่นเลยทําให้ผู้ใหญ่ที่ทําบุญบนสลาวัดวิ่งมาดูนะปรากฏว่าเอ่า มีคนหลายคนน่ะเห็นว่าเด็กกำลังลอยคออยู่ในน้ำทั้งคู่นะแล้วมีบางคนเห็นว่าเด็กสองคนเนี่ยกาลังนั่งอยู่บนโลงศพที่มีกระดาษสีแกะเป็นลายสวยงามแบบโบราณเนี่ยผู้ชายหลายคนก็โดดลงเรือพยายามจะพายไปให้ถึงตัวเด็กบางคนก็โดดน้ำเลย แต่ว่าทุกอย่างก็สายไปแล้วเด็กทั้งสองคนจมลงไปในพื้นน้ำต่อหน้าต่อตานางดวงนี่เป็นลมล้มตึงเนื่อเสียใจอย่างที่สุดในชีวิตนะมองเห็นมือลูกชายเหมือนกระบกมือไหวๆแล้วก็จมลงไปทุกปีเด็กอายุเจ็ดขวบกับสิบขวบนี่ต้องจมน้ำตายไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งปีหนึ่งต้องตายสองคนเสมอเรื่องผีเฝ้าคุ้งน้าเนี่ยลุงเล่่แกเล่าให้ฟังแกบอกว่า แกได้ยินเขาเล่ากันมาตั้งนานแล้วแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ก็ถูกลบเลือนไปเมื่อเส้นทางคมนาคมใหม่เข้ามาแทนที่คือทางรถยนต์แม่น้ําลําคลองในปัจจุบันก็เริ่มตื้นเขินลงไปเนื่องจากไม่มีเรือวิ่งพลุกพล่านเหมือนแต่ก่อนแล้วตะลิ่งก็ไม่พังแล้วการค้าขายทางเรือก็เริ่มหมดความนําคัญจะมีก็เป็นบางแห่งเท่านั้นเหตุการณ์หน้าขนพองจะยองกล่าวแต่ก่อนนั่นขาดคนมันนํามาเล่า คนแก่คนเฒ่ารุ่นเก่าๆก็ล้มหายตายจากไปนะไอ้ที่จะไ ด, ได้มียืนยันว่าได้เห็นกับตาตัวเองเนี่ยมันก็เหลืออยู่น้อยเต็มทีนะแล้วก็ลุงหล่มแกบอกว่าเรื่องของวิญญาณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีมากมายกว่าสมัยนี้เยอะ เ, อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะ แล้วก็มีคนได้รู้ได้เห็นกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเหตุอย่างเนี้ยมันน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ถึงได้ไ ม, ม่มีความเชื่อถือเรื่องจิตวิญญาณเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมท่านผู้ฟังเป็นที่เชื่อกันมานานแล้วว่ า, าการบริจาคโรงศพเนี่ยจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองพ้นภัยพิบัติแล้วเขามีความเชื่อนี้มาจากไหนละ่ะครั้งหนึ่งพระภิกษุชาวจีน ท่านมีนามว่าใต้หงโจซือเป็นพระสงฆ์ผู้มีเมตตาจิตชาวบ้านเลื่อมใสามากเลยนี่ในเมืองจีนนะนอกจากพระทานคำสั่งสอนที่ท่านสอนชาวบ้านแล้วท่านยังช่วยเหลือพัฒนาให้ชาวบ้านได้อยู่ดีกินดีมีสุขกันทั่วนหน้าครั้งหนึ่งก็เกิดโรคหาหรือว่าอหิวาตกโรคระบาดผู้คนล้มเจ็บล้มตายลงเป็นจานวนมากไต้หงโจซือก็ชักชวนลูกศิษย์ลูกหา ออกเก็บศพผู้ยากไร้ไปฝังทั้งยังแจกจ่ายยารักษาโรคแก่ผู้ป่วยที่ยากเข็นขั้นต่อมาใต้หงโจซือก็มรณภาพลงชาวจีนก็ยังคงสักการะบูชาท่านด้วยความเลื่อมใสทีนี้เมื่อชาวจีนบางส่วนอพยพโยกย้ายถิ่นฐานมายัางประเทศไทยก็อัญเชิญรูปแกะสลักจำลองของใต้หงโจสือเอามาประดิษฐานไว้ที่บ้านที่เมืองไทยด้วย บรรดาชาวจีนในเมืองไทยรู้ข่าวก็พากันมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตนะคนดีๆนะท่านผู้ฟังถึงจะตายไปแล้วเนี่ยนะไม่มีร่างกายอยู่แล้วเขาก็ยังอุตส่าห์เอาไปปั้นเอาไปแกะเอาไปหลอ่อทําเป็นรูปไว้กราบไว้ไหว้เป็นสิริมงคลอยู่ถึงเมืองจีนอ่าพอรู้ข่าวคนไทยในใน แต่คนจีนในเมืองไทยเนี่ยพอรู้ข่าวว่ามีรูปปั้นของอใต้หงโจซือมาก็มากราบไหว้น่ะเพราะว่าความดีของท่านมีมากก็ถือว่าการกราบไหว้คนดีเนี่ยเป็นสิริมงคลของชีวิตทําให้ประสบผลสาเร็จก็ทําให้ทั้งาชาวไทยชาวจีนกราบไหว้บูชาอยู่เป็นนิดตอนเมื่อเกิดอหิวาตากโรคชาวบ้านก็มาไหว้ขอให้ตัวพ้นพายรอดตาย เมื่อหมดวิกฤตการนั้นแล้วผู้ที่รอดตายได้เพราะมาไหว้ใต้หงโจซือต่างก็พากันซื้อลงศพมาบริจาคให้ผู้เสียชีวิตที่ยากจนแล้วก็ไรายยา้ญาติขาดมิตรเมื่อมีผู้เริ่อมใสศรัทธาใต้หงโจซือมากยิ่งขึ้นกลุ่มพ่อค้าข้าหาบาดีทั้งหลายก็ชวนกันตั้งมูลนิธิแล้วก็สร้างศาลใต้หงโจซือขึ้นซึ่งคนทั่วไปก็นิยมเรียกท่านว่าใต้หงกงหรือว่าพ่อปู่ใต้หงนั่นเองปัจจุบันก็ตั้งอยู่ภายในมูลนิธิปอเต็กตึง้ง ถนนพระพลาชัยนะครับชาวบ้านาหรือว่าชาวจีนที่มีความเคารพศรัทธาท่านมีเวลามีโอกาสตัวคนไปแวะไปกราบไหว้ไปขอพรไหว้เสร็จก็ทำบุญบริจาคทานโรงศพต่ อ, อทำอย่างที่ท่านเคยทำมาแล้วได้บุญเยอะครับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ย แต่ละคนก็ล้วนแต่มีกรรมเก่ากันมาทุกคนละ่ะแล้วแต่ว่ามันจะมาสนองในรูปแบบไหนเท่านั้นเองคนที่ทำมามากมันก็จะต้องโดนมากโดนหนักหน่อยอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสตูลครับจังหวัดสตูลแถวๆเขาเรียกเกาะสะลายในเขี้ยน หลีเจริญซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องราวพิสดารเนี่ยเมื่อปี2512ในเขียนชาวประมงวัยแกร่งนี่ตอนนั้นอายุแค่19เท่านั้นเองยังเป็นหนุ่มน้อยไม่ช่ำชองกับท้องทะเลลึกเท่าไรนะักเรือประมงก็ไม่มีเป็นของตัวเองแต่ด้วยนิสัยรักการทำมาหากินรักความก้าวหน้า อันนี้เป็นอุปนิสัยพื้นฐานของชาวจีนนะในเคียนกับพี่ชายพี่ชายนี่ชื่อในเซ็กอหลีเจริญเหมือนกันทั้งสองพี่น้องก็ไปเป็นลูกเรือของเท่าแ ก, เาแก่เจี๊ยะเท่าแขกเจี๊ยะนี่แกเป็นชาวเกาะสไลายส่วนพี่ชายก็ไปเป็นลูกเรือของเจ้าของเรื อ, อคนนะึงบ้านพระบุรุษของในเคียนเนี่ย อพยพมาจากประเทศจีนมาปักหลักปักฐานอยู่ที่เกาะสราตตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเกาะเป็นคนจีนเชื้อสายฮกเกี้ยนก็กลางเดือนเก้าปีสอง2หร้สิบสองเป็นเดือนที่ชาวประมงเขารู้กันว่ามีคลื่นมีลมแรงเวลาออกทะเลก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ตอนเย็นวันหนึ่งในเคียนก็นำเรือประมงออกจากเกาะตะรุเตาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะไปสู่ทะเลอันดามันซึ่งเป็นแหล่งอันดูดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่นำขึ้นมาหล่อเลี้ยงชีวิตชาวประมงมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะก็ไปพร้อมกับเท่าแก่เจีย้ยซึ่งเป็นลูกพี่เป็นเจ้าของเรือพอออกไปถึงที่ทามาหากินซึ่งได้ทามาทุกวี่ทุกวัน คนทั้งสองก็จัดการลงอวนดักปลาอย่างที่เคยทำมาพอลอยอวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระอาทิตย์ก็รับคุ้งน้ำไปแล้วก็ปล่อยให้ความมืดปกคลุมไปทั่วท้องทะเลแทนสองบุรุษต่างวัยอ่าือเท่าแก่ก็แก่หน่อยลูกจ้างก็หนุ่มหน่อยก็ดับเครื่องเรือลอยลำอยู่แถวๆนั่นแหละใ่ใกล้ๆอวนนั่นแหละนั่งพูดคุยข้าเวลาเรือ ลูกพี่ด้วยลูกพี่ก็เอายาเส้นกับใบจ่าเขามาแบ่งกันสูบขณะที่กำลังสูบยาไล่ความหนาวอยู่นั้นก็คุยกันถึงเรื่องต่างๆนะส่วนใหญ่ก็เท่าแก่เจี้ยนก็จะเป็นคนคุยนะคุยถึงเรื่องลูกน้องเรื่องปัญหาที่กำลังหนักอกหนักใจเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหนี้นะอ่ ะ, ะกระบายความในใจว่า บางครั้งเนี่ยคิดอยากจะให้ตัวเองตายไปเสียรู้แล้วรู้รอดไปเลยอยู่คนนี้เยอะเหลือเกินแล้วเสร็จแล้วเรือที่คนทั้งสองอยู่ก็เกิดไหวตัวอย่างแรงเหมือนกับโดนอะไรมากระแทกสองบุรุษที่นั่งหลบฝนอยู่ในหลังคาก็เสียหลักเกือบจะตกจากเรือแต่ด้วยประสบการณ์ในท้องทะเลที่ผ่านมาก็ทำให้คนทั้งคู่สามารถทรงตัวไว้ได้พอเรือหมุนกเกวงกว้างก็พยายามมองฝ่าสายฝนออกไป ก็เห็นเรือตังเกลำหนึ่งวิ่งผ่านไปก็รู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่ทําให้เรือไหวตัวอย่างแรงนี่ก็ต้องเป็นเพราะว่าเจ้าตังเกลำนั้นกระแทกเขาแน่คงจะเป็นเพราะเสียงฝนเสียงฟ้าที่โครมครามอยู่ไม่ข่าสายก็เลยทําให้เขาไม่ได้ยินเสียงเรือตังเกลวิ่งผ่านมาพอรู้อย่างนั้นในเคียนก็ถอยกลับมารายงานลูกพี่แต่ยังไม่ทนันได้มองไปที่ท้องเรือก็เลยไม่พบรอยแตกของแผ่นกระดานที่ท้องเรือที่ปล่อยให้น้ําทะลักเข้ามา ตอนนั้นลูกพี่เกิดความหมงุดหงิดขึ้นมาทันทีกระเถิบออกมาข้างนอกปล่อยเท้าลงเหยียบท้องเรือก็เหยียบไปตรงที่รอยรั่วพอดีก็หันไปสั่งให้ในายเคียนจัดการวิทน้ำออกเสียนายเคียนก็ทำตามแต่ก็ยังไม่รู้รว่าเป็นน้ำที่ทะลักกันมาทางรูรั่วนึกว่าเป็นน้ำฝนที่สาดเข้ามาก็จัดการวิทยออกไปจะวิทย์เท่าไหร่น้ำในเรือก็ไม่ลดกลับเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนายเคียนก็เลยบอกลูกพี่ให้รู้ถึงความผิดปกติของเรือ คนทั้งสองก็ช่วยกันหาจนเจอรอยรั่วอ่าพอเห็นอย่างนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าบัตรนี้เรือที่ตัวอยู่นี้ไม่ปลอดภัยซะแล้วนายเจีย๊ยซึ่งเป็นเท่าแก่ก็เดินออกไปยืนนอกเพิงกระแชงก็หยิบตะเกียงน้ํามันที่พาติดเรือมาแขวนเพื่อเป็นสัญญาณให้เรือตังเก่ล้ำที่เพิ่งจะกระแทกเรือเขาแล้วก็ผ่านไปร้อยล้ำอยู่ใกล้ๆนาย ร, รู้แต่จะเป็นเพราะความใจเจือใจดําของคนบนเรือตังเก่ล้ำนั้น หรือจะเป็นพ่อแม่นสายฝนที่กำลังเทกระนำลงมาทมกลางฟ้าฝนคำรามไม่ขาดสายเนี่ยก็ทำให้คนบนเรือมองไม่เห็นสัญญาณ น, นั้นเรือตังเกลำนั้นก็ไม่กลับมารับคนทั้งสองไปทีนี้ไอความตื่นระหนกก็ยิ่งเกิดมากขึ้นเมื่อเห็นน้ำในเรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถจะแก้ไขได้แล้วจะเรียกให้ประมงลำอื่นมาช่วยคเหลยวไปทางไหนก็ไม่เจอใครเลย ถึงจะตะโกนร้องเรียกออกไปก็แพ้เสียงฟ้าเสียงฝนที่กำลังคำรามอยู่โครมโคมเหมือนฟ้าจะถล่มทลายเมื่อเห็นหมดทางแก้ไขแล้วเนี่ยเต่าแกะเยาะลูกพี่ก็แสดงความเสียสละในฐานะลูกพี่เพื่อให้ลูกน้องปลอดภัยไว้ก่อนโดยที่ตัวเองยอมกระโดดลงไปลอยคออยู่ในทะเลเพื่อจะให้เรือรับน้ำหนักน้อยจะได้จมช้าลงลูกน้องซึ่งเป็นผู้รู้คุณและห่วงใยต่อลูกพี่ ก็หยิบแกลอนใส่น้ำมันแล้วก็ใส่น้ำซึ่งมีติดเรือมาสี่ลูกอ่าคือลูกหนึ่งอ่าปกตินี่เขาจะนำไปสองลูกคือลูกหนึ่งใช้ใส่น้ำมันอีกลูกใช้ใส่น้ำจืดเอาไว้ดืม่มแต่ว่าวันนั้นในเจี๊ยะหรือถ้าแก่เจี๊ยนี่ไม่ได้เอาแกลอนของตัวเองไปใส่น้ำมันแล้วก็น้ำจืดมาก็ยืมของเพื่อนประมงด้วยกันใส่มาอีสองลูกอ่าสองลูกของตัวเองก็เลยว่างเปล่าอยู่ ในเคียนก็หยิบแกลอนเปล่าสองลูกโยนให้ลูกพี่เพื่อให้ใช้ประยุงตัวให้ลอยอยู่เหนือน้ําได้เสร็จแล้วตัวก็จัดการเทน้ํามันกับน้ําเปล่าในแกลอนอีกสองลูกเพื่อจะเอามาทาเครื่องชูชีพสาหรับช่วยตัวเองแต่ว่าเทน้ํามันยังไม่ทันหมดแกลอนดีเรือก็จมหายลงไปในท้องทะเลก็คว้าแกลอนสองลูกเนี่มันหนิบรักแร้แล้วก็ลอยคออยู่ใกล้ๆกับที่เรือจมอ่าซึ่งลูกพี่ก็ ลอยคอรออยู่แล้วทีนี้คนทั้งคู่ก็เปลี่ยนสถานที่คุยกันคือเปลี่ยนจากในเรือมาลอยคอคุยกันในน้ำแทนเจ้าแก่เจียก็สั่งให้ลูกน้องพยายามประคองตัวเองเข้าหาฝั่งเพราะว่ารู้ทิศทางคลื่นดีแต่ว่าในเคียนยังไม่ทันได้ตอบนะก็สั่งซ้ามาอีกบอกว่าพยายามหยิบแก้วร้อนให้มั่นนะแล้วก็ให้ลอยตัวอยู่เหนือน้าให้นานๆในเคียนก็ตะโกนตอบวารู้แล้วครับ แต่ว่าเสียงตอบของนายเคียนเนี่เท่าแก่เจี๊ยก็คงจะได้ยินไม่ชัดเจนเพราะว่าคลื่นมันค่อยๆหอบผลทั้งสองแยกห่างออกจากกันไปทุกทีนายเจี๊ยกก็ยังอุตส่าห์ตะเบงเสียงบอกลูกน้องว่าถ้าเราไม่ตายจากกันแนละก่อนคงได้กลับไปเจอกันอีกตอนนั้นนายเคียนแต่งตัวด้วยกางเกงขา ย, ยาวเนื้อหนาแบบของทหารแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวโปรง่ปรง พอไม่ได้กัดกระดุมเสื้อพอลอยอยู่ในน้ําไม่นานนักก็รู้สึกหนักๆที่กระเป๋ากางเกงก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าตัวได้ผูกเหรียญบาทไว้ในกระเป๋ากางเกงสามเหรียญแต่ตอนนี้มันก็สร้างความลาคาญซะแล้วละ่ะก็พยายามยื่นมือไปแกะยางที่ผูกอยู่หมายจะเอาเหรียญ น, นั่นออกทิ้งขณะที่กําลังแกะแกะดึงดึงอยู่นั้นก็ไม่ได้หันไปทางลูกพี่อีกเลยเพอจัด ก, การกับเหรียญในกระเป๋าเสร็จก็หันไปเรียกลูกพี่ คราวนี้ไม่มีเสียงตอบจากลูกพี่แล้วไม่ปรากฏภาพลูกพี่เลยในเคี่ยนพยายามร้องเรียกอยู่หลายครั้งก็ไม่มีเสียงเท่าแก่เจีย้ยเงียบไร้เสียงตอบก็รู้ได้ทันทีเลยว่าลูกพี่คงจะถูกคลื่นหอบพาแยกจากตัวไปซะแล้วบัดนี้ตัวก็ลอยคออยู่เพียงลําพังนะก็เกิดความกลัวขึ้นมาทันทีกลัวทั้งผีผีทะเลเนี่ยกลัวทั้งปลาฉลาม บริเวณนั้นก็เป็นที่รู้กันว่าปลาฉลามชุมมะเมื่อรู้อย่างนั้นในเคียนก็พยายามช่วยเหลือตัวเองเท่าที่จะทําได้ประการแรกก็พยายามกดแกนลอนที่หนีบรักแร้อยู่ให้จมน้าแล้วก็ดันตัวเองขึ้นเหนือน้ำแต่เบ่งเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือดังๆแต่ว่าเสียงของแกไม่ได้ไปเข้าหูใครเลยเรือประมงลมําอื่นๆก็ลอยลําอยู่ไกลเกินไปที่เสียงแกจะแทรกเสียงฟ้าร้องไปถึงได้ ในเขียนประมงหนุ่มผู้กำลังประเชิญกับแรงคลื่นก็เหลียวไปมองที่เรือจมลงอีกทีเห็นไฟที่เสากระโดงเรือยังติดอยู่ก็เกิดความอุ่นใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่คลื่นก็ซัดเขาห่างออกมาออกมาทุกทีความรู้สึกตอนนั้นก็มีแต่ความกลัวแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องตายก็สงสัยอยู่ว่าตัวจะจบชีวิตลงด้วยวิธีไหนกันแน่จะเพราะโดนฉลามกินหรือว่าจมน้ำทะเลตายเอง แต่ถึงจะรู้ว่าตายแน่ๆก็ยังไม่ไวคิดกลัวผีอยู่ดีคลื่นนี่หอบร่างในเคี้ยนไปเรื่อยๆเรียวแรงก็รวยราลงทุกทีแต่ว่าโชคดีที่แกน ล, ลอนข้างรักแร้เนี่ยมันซื่อสัตย์บางทีจะเผลองีบนะปล่อยมันไปบ้างมันก็ไม่หนีไปไหนยังคงลอยเท้งเต้งอยู่ใกล้ๆตัวก็สามารถว่ามันหนีรักแร้ได้ต่อจนกระทั่งเรียวแรงหมดไปหมดไป ก็ปล่อยไปให้เป็นตามยะถากรรมมันจะตายจะรอดก็ขึ้นอยู่กับชะตาจลิขิจแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยวิญญาณก็ไม่ได้บอกลาร่างไปเลยถึงแม้ว่าตอนกลางคืนจะเผลอหลับละสลบไปหลายครั้งหลายค่ะแต่เกลียวคลื่นก็ยังหอบร่างซึ่งมีชีวิตของในเขียนี ก, กระชอกขึ้นกระชอกลงตามกระแสของมันพอตื่นขึ้นมาก็ยังพบเจ้าแกลลอนที่แสนซื้อนี่ยลอยเต้นๆอยู่ใกล้ๆตัวนะ่ ก็คว้ามาหนีบรักแร้ต่อจวบจกนกระทั่งฟ้าสางตะวันฉายอาบน้ำอีกครั้งหนึ่งในเขี้ยนก็พยายามดันตัวขึ้นเหนือน้ำก็มองไปรอบๆเห็นเรือประมงน้อยใหญ่ลอยลำอยู่ลิบๆไม่มีเลยสักลำที่วิ่งผ่านมาใกล้ๆกับที่เขาลอยคอรอความช่วยเหลือในเขี้ยนก็นึกถึงแม่นึกถึงพ่อคุณพระคุณเจ้าอ่า คนเราเนเวลาปกติแล้วไม่ค่อยคิดอ่ะแต่ถ้าเวลาแบบเนี้คิดทุกคนอะนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงพระขอใช่วยกลุ้มครองให้มีชีวิตรอดกลับไปแล้วเวลานั้นก็ลอยคอไปตามแรงกระชอกของคลื่นจนกระทั่งถึงเที่ยงตะวันตรงหัวก็สลบไปอีกครั้งแล้วก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็นับไม่ถูกแล้วพอลืมตาตื่นฟื้นสติขึ้นมา ก็พบว่ามีแพไม้ลำหนึ่งบรรทุกผู้คนมาเต็มลำเลยเพียบลอยลำเข้ามาใกล้ๆในเคียนดีใจมากรีบพลระแกนลอนแล้วก็ว่ายน้ำเข้าไปหาพอเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงคนบนแพที่นั่งกันมาเต็มเนี่ยพูดกันว่าอา่าพวกเขากินข้าวกันมาแล้วว่างั้นอา่าในเคียนก็เผลอตัวตะโกนบอกว่า ผมยังไม่ได้กินเลยผมขออาผมเรือแตกขออาศัยไปด้วยคนหนึ่งในจำนวนหลายคนที่นั่งอยู่บนแพนั้นก็ตอบรับมาบอกว่าไม่ได้หรอกแพมันทุกเต็มเพียบแล้วรับอีกไม่ได้แล้วแล้วแพลานั้นก็ค่อยคอยห่างออกไปห่างไปจากสายตาของนายเกียนแล้วใ น, นที่สุดก็หายวับไปเลยตอนนั้นเองที่ทำให้ในายเรียร น, นึกสงสัยขึ้นมาว่าเอสมัยนี้เรายังมีคนใช้แพอย่างนี้อยู่อีกหรือ ประกอบกับว่าคนที่เขาได้พบและพูดด้วยตะกี้เนี่ยมีลักษณะท่าทางไม่เหมือนคนทั่วๆไปที่เขาเคยพบถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเขาเป็นใครกันแน่เป็นคนหรือว่าผีแม้แต่จะคิดกลัวขนาดไหนก็ไม่สามารถจะพาตัวหลบหลีกไปจากสถานที่นั้นได้ก็ต้องแล้วแต่แรงคลื่นจะพัดพาแก ล, ลอนที่ถูกอ่โยกไปยโยนมาบนกระแสน้ําเนี่ย แกรอนนี่มันหลุดไปกี่เที่ยวมันก็ไม่ยอมห่างไปไหนนะมันเตรียมรับใช้อยู่ข้างๆลนะ่ะในเคียนกวนหนีบรักแร้ต่อหลับหลับตื่นตื่นสลบฟื้นฟื้นอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินไปอีกแต่ก็ยังไม่ลิ้นชีวิตยังรอคอยความหวังต่อไปนะสภาพตอนนี้ในเคียนไม่ต่างอะไรกับคนสมองพิการ คือหมดความรู้สึกนึกคิดหมดไปครั้งแล้วครั้งเล่าฟื้นคืนสติขึ้นมาบ้างก็เพียงชั่วเดียวเดียวส่วนใหญ่จะหลับลอยทะเลอยู่มากกว่าความมืดก็ยืนท้องทะเลนอนในเคียนก็ไม่มีโอกาสรู้ว่ากี่ชั่วโมงแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามเวลาเท่าไหร่กันแล้วพยายามจะแงนมมองทางที่พอจะกำหนดเวลาได้ก็ทาไม่ได้ แล้วตอนกลางคืนอันแสนฮารืโหดนั้นตอนตื่นก็ไมค่ครั้งคราวนี้รู้สึกมันเบาตัวโหวงเหวง่งยังไงชจ้าคนคลำร่างตัวเองดูก็ไม่พบเสื้อผ้าเหลืออยู่เลยสักขินมันหลุดออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เออดูสิมันซื้อสัตว์สู้เจ้าแกอนคู่นี้ไม่ได้เลยขนาดเสื้อผ้านะ่ะสวมอยู่กับร่างกายตัวเองไม่ยังหลุดไปเมื่อไหร่ไม่รู้แต่แกลนเนี่ย มันอยู่นอกตัวแต่ทําไมมันไม่ลอยไปไหนเลยพอสติหวนคืนสู่ความรู้สึกอีกทีในเขี้ยนก็เพเยลหน้ามองไปข้างหน้าก็เห็นดวงไฟดวงหนึ่งส่องแสงวับวับแวมแวมอยู่ไกลาตาตอนนั้นพระจันทร์ขึ้นแล้วอ่าแสงจังนทร์นี่อาบไปทั่วท้องน้ําก็มองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มปรากฏอยู่ข้างหน้า ก็พยายามเพ่งเจ้าสิ่งนั้นอยู่นานพอสมควรครับสิ่งตะคุ่มตะคุ่มที่อยู่ข้างหน้าในเคียนนั้นคืออะไรสักครู่ครับพอในเคียนมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่ตะคุมตะคุ่มอยู่ตรงหน้าคือเกาะแน่แล้วก็พยายามบังคับตัวให้ติดไปกับกระแสื่นที่จะซัดเข้าฝั่งเกาะ จะก็โดนเจ้าคลื่นนี่เล่นตลกมันทำท่าจะพัดเข้าไปใกล้ฝั่งใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปจนเกือบจะถึงแล้วจู่ๆมันก็โยนกลับออกมาไกลลิบเนี่ยทำอยู่อย่างเนี้ยจนในเครียดในเวียนหัวสลบสลายไปอีกครั้งนะพอฟื้นตื่นสติขึ้นก็พบว่าความหวังที่จะมีชีวิตรอดในใกล้เขามามากเกินแล้วเพราะว่าตอนนั้นร่างลอยตัวอยู่ไม่ห่างเกาะเท่าไราแล้วนะ ร่างก็ถูกคลื่นหอบเข้าไปใกล้ๆบริเวณรอบเกานะแน่นรายล้อมไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่ทั้งที่เป็นก้อนกลมๆ ก, ก้อนโตๆแล้วก็แหลมเฟี้ยวเป็นเสาหินนะแล้วร่างของเขาก็ถูกคลื่นโยนเข้าไปกระแทกกับโขดหินอย่างแรงข้ามโขดก้อนหินไปใกล้ฝั่งเข้าไปอีกนะแล้วในที่สุดก็อ่คลื่นซัดเข้าไปกระทบฝั่ง พอร่างถูกชายหาดในเขี้ยนผู้มองเห็นทางรอดอยู่เรีองๆก็พลิกตัวนอนคว่าําเ้ามือกดกับพื้นทรายเพื่อให้ตัวเองติดนั่นอยู่กับชายหาดไม่ต้องโดนคลื่นลากกลับลงไปทะเลอีกนะทีนี้ร่างติดแน่อยู่ที่ชายหาดนั้นจริงๆพอเป็นอิสระจากคลื่นในเขี้ยนก็รีบฉวยโอกาสตะเกียกตะกายพาร่างหนีขึ้นไปพ้นนัสมีคลื่นที่จะดูดลงไปอีกพอพ้นแล้ว ก็นอนหงายปล่อยลมหายใจอย่างเป็นอิสร ะ, อะตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนก็นึกเลว่าถ้าเราไม่ตายเสียก่อนก่อนที่ฟ้าสางนี่คงจะได้กลับไปสู่แผ่นดินแม่อีกครั้งหนึ่งก็นอนคิดถึงทางรอดของตัวเองตอนนี้ไม่สนใจอะไรอีกนอกจากเรื่องที่จะหาทางรอดกลับไป ไม่สนใจแม้กระทั่งว่าเกาะที่ตัวนอนแผ่ลาอยู่เป็นเกาะอะไรอยู่ในบริเวณไหนของประเทศตอนที่นอนหายใจผงาบผงาบอยู่นั้นท้องฟ้าที่แจ่มใสตะกี้เนี้ยก็ค่อยๆปรากฏความมืดมาบังแสงจันทร์เมฆฝนตั้งเขาอีกแล้วนะในเขี้ยนก็ตกใจตื่นขึ้นมาอีกยันกายลุกขึ้นนั่งเวลานั้นหาที่หลบฝน นะมองว่าถ้าเจอที่ไหนจะวิ่งไปหา ท, าทันทีจะเป็นถ้าหรือเป็นต้นไม้ใหญ่ก็แล้วแต่แต่ก็ไม่มีให้เขาพึ่งได้เลยในเคียนนั่งทนอาบน้ำฝนอยู่ไม่ไหวก็ลุกขึ้นเดินสเปะสะปะผ่าความมืดและสายฝนออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปชนเขากะโขดหินโขดหนึ่งที่ตั้งยาวโด่จากพื้นดินขึ้นมานะก็คลำสเปะสะปะไป ใ่าเชีงออนหินนั่นก็ใช้ตรงนั้นล่ะเป็นที่หลบฝนนั่งอยู่ตรงนั้นจกนกระทั่งฝนหยุดเม็ดจวนสว่างแล้วเสร็จแล้วในสายตาของนายเคียนก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวด้วยผ้าสโลงผืนเดียวท่อนบนเนี่ยเปลือยอกล่อนจอนเดินเข้ามาหาแล้วก็ถามว่าต้องการพะนุ่งหรือเปล่านายเคียนตอนนั้นไม่ได้นุ่งอะไรเลยชุดวันเกิดแท้ๆเลยก็รียบเอามือปิดอวัยวะอันไม่สมควรเนี่น เสร็จแล้วก็ไปยักหน้านเสร็จแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่างั้นรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอามาให้แล้วเขาก็หายไปในเคียนนั่งรอชายที่รับปากว่าจะไปหาผ้ามาให้อยู่จนรุ่งเช้าก็ยังไม่เห็นก็กลับก็เกิดสงสัยว่าเขาหายไปไหนกันแน่ประกอบกับว่าตอนนั้นที่แสงสว่างพอที่จะมองเห็นทุกอย่างรอบข้างแล้วไม่เห็นมีบ้านเรือนตั้งอยู่ใกล้ๆสักหลังเดียว ก็นั่งนึกทบทวนอยู่พักหนึ่งก็จำได้ว่าเกาะนี้เป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่หน้าเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียเขาเคยมาหาปลาใกล้ๆบริเวณนี้หลายครั้งมาแล้วก็รู้ว่าบนเกาะนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วคนที่มาหาเขาตะกี้เนี่ยมาจากไหนแล้วตอนนี้หายไปไหนจะหรือว่าเป็นผีผีชาประมงที่มาจมเรือจมตายแถวๆนั้นซึ่งเป็นที่ลือกันว่าเฮี้ยนมาก ในเคี้ยนคิดได้เท่านี้ก็ขนหัวพองฟูขึ้นทันทีแล้วก็โชคดีหน่อยไอ้ความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นอตอนนั้นมันสว่างแล้วถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยก็คงจะช็อกตายพอมีสติสตังครบถ้วนแล้วตอนนั้นท้องที่ว่างเว้นอาหารมาสองคืนเต็มๆดื่มแต่น้าทะเลเข้าแน่นท้องทั้งสองคืนก็ร้องเรียกอาหารอ่า ในเขียนก็พาร่างเดินสเปะสปะไปหาอะไรที่พอจะเอามายาไส้ได้แถวนั้นก็ไม่เจอเกาะนั้นไม่มีต้นไม้ที่มีผลพอจะนำมากินได้เลยเดินเดินไปก็เจอน้าจืดข้อหน่อยนึงขังอยู่ในแก่งหินใกล้ๆนั่นอ่าน่าจะเป็นน้ำฝนที่ตกค้างไว้เมื่อคืนก็ก้มลงดื่มนะพอมีแรงออกไปนั่งอยู่ที่ชายหาดในเคียนนั่งทอดอะไรรอโชคอยู่ตรงนั้นน่ะ จนตะวันสายมากแล้วก็ลุกขึ้นมองออกไปกลางทะเลกว้างก็เห็นเรือประมงลำเล็กๆ ล, ลำหนึ่งลอยตัวอยู่ห่างจากเกานะนั้นไม่เท่าไรแล้วก็สังเกตว่ามันกำลังลอยลำเข้าใกล้เกาะก็มาทุกทีความหวังที่จะมีชีวิตกลับมาก็ถึงจุดประกายแวบขึ้นอีกอ่าแล้วคราวนี้ก็รู้สึกสว่างสวัยนะเรือลเนี้จะเป็นเรือที่ออกตามหาเขาก็ได้ ก็โบกมือพร้อมก็ส่งเสียงตะโกนเรียกแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าที่ที่เขายืนอยู่กับที่ที่เรือประมงลำนั้นมันลอยอยู่นี่ห่างไเกินกว่าเสียงเขาจะส่งไปถึงได้ในเขียนก็หาวิธีใหม่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็หักกิ่งไม้แขวงเป็นสัญญาณกับตะโกนเรียกแต่ก็ไร้ผลเหมือนเดิมแม้ว่าเสียงและสัญญาณขอความช่วยเหลือจากในเขียนจะส่งไปไม่ถึงผู้คนที่อยู่บนเรือลำนั้น แต่ว่าเรือประมงลำนั้นก็ยังวิ่งใกล้เกาะเข้ามาเรื่อยๆ อ, อารามดีใจในเคียงก็ตัดสินใจกระโจนลงไปในทะเลแล้วว่ายน้ำโต้คลื่นออกไปหาเรือลำนั้นด้วยความพยายามด้วยความหวังที่คอยอยู่ข้างหน้าก็ทำให้ในเคียงสามารถโต้แรงคลื่นเข้าไปใกล้เรือจนสามารถเห็นคนในเรือได้ชัดพยายามว่ายเข้าไปใกล้อีกแต่ยังไม่ทันจะไปถึงอ่พอที่จะปีนขึ้นเรือได้ คนที่นั่งอยู่ในเรือคนหนึ่งหันมาเห็นเข้าเสก่อนนะคนคนนั้นพอเห็นมีอะไรโผล่หัวดำแหวกเลียวคลื่นก็ามาหาเขาก็ตกตะลึงกันใหญ่ก็รีบเรียกให้เพื่อนอีสองคนบนเรือมาดูทั้งสามคนพอเห็นในเขี้ยนว่ายน้ําตรงเข้าไปเกิดความกลัวขึ้นมาเพราะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่กำลังตรงเข้ามาหาเนะี่ยเป็นคนหรือผีนะก็เป็นเพราะว่าที่เกานะนั้น่ะมันไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่ง เรื่องชื่อรือชาเรื่องผีดุเนี่ยนะแล้วพร้อมกันนั้นคนที่กาลังว่ายน้าเข้าไปหาเขาเนี่ยก็อยู่ในสภาพอันหน้าอูจจากตาเสื้อผ้าสักชิ้นก็ไม่ได้สวมใส่ก็เลยยิ่งไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือผีหรือว่ามันตัวอะไรกันแน่ขณะที่พวกบนเรือกำลังตกใจกลัวในเคียนก็กลับก้มหน้าก้มตาแหวกคลื่นว่ายน้ำเข้าไปหาด้วยความดีใจพอเข้าไปใกล้เรือพอที่จะพูดกันได้ยินได้ พยายามทำหน้าทางขอความช่วยเหลือแต่คนที่อยู่บนเรือไม่ได้แสดงอาการเมตตาเลยหยิบไม้พายขึ้นเงื้อหมายจะฟาดใส่แต่ยังไม่ทันได้ตีคนถือท้ายเรือติเครื่องยนต์แล้วพาเรือวิ่งออกไปจากที่นั้นเลยในเคียนก็เลยว่ายน้ำกลับเข้าวังด้วยความผิดหวังก็กลับมานั่งใคร่ครวนอยู่ว่าทำไมคนพวกนี้ถึงไม่ยอมรับเข้าไปด้วยแล้วยังเงื้อไม้พายจะตีีิความสงสัยยังไม่ทันได้ข้อสรุปก็ปรากฏว่า ใจเต้นถีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้เห็นเรือประมงลักษณะที่เห็นตะกี้เนี่ยวิ่งตรงเข้ามาสามลำเลยนะแล้วก็คราวนี้รู้สึกว่าเรือทั้งสามลำนี้ตั้งใจจะพุ่งมาที่นี่โดยตรงด้วยความดีใจเรียวแรงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะก็มองหาอะไรจะเอาเป็นเครื่องชูชีพจะใช้ว่ายน้ําฝ่าคลื่นไปหาเรือนั่นอีกทีไปเจอขอนไม้ผูกเข้าขอนหนึ่งก็รีบกลิ้งลงไปในน้ํา แล้วก็ขึ้นขี่แทนแพใช้มือพุยไปพยายามทรงตัวไปบนขอนไม้นั้นบังคับทิศทางให้ตรงไปที่เรือสามลำนั้นต่างฝ่ายก็วิ่งเข้าหากันสักครู่ก็เจอกันแล้วพอได้เห็นสามลำนั้นชัดในเขียนก็จําได้ว่าหนึ่งในสามลำนั้นอ่ะคือลำที่เขาเจอเมื่อตะกี้เนี่ยที่จะเอาไม้ตี่อ่ะในเขียนก็คิดได้ว่าเออพวกเขาคงจะกลับไปตามเพื่อนมาดูนะ ก็พยายามนำขอนแพเข้าไปใกล้เรือทั้งสามเรือทั้งสามลำพอเห็นนายเขี้ยนขี่ขอนไม้เข้ามาใกล้ๆก็ชะลอความเร็วหยุดดูจนแน่ใจว่าเป็นคนก็หันหัวเข้ามาช่วยแล้วก็ดึงขึ้นเรือไปผู้คนบนเรือเห็นสภาพบนหน้าอุจารของนายเขี้ยนแล้วก็ทนดูไม่ได้ก็โยนผ้าสรงแบบแขกให้ผืนหนึ่งนายเขี้ยนเวลานั้นอยู่ในชุดนุ่งลมห่มฟ้าก็ รีบคว้ามานุ่งอ่าเราก็ใช้กลุ่มร่างนั่งตัวสันจิตใจตอนนั้นยังไม่คลายความตื่นเต้นก็ได้ยินผู้คนบนเรือเขาคุยกันด้วยภาษามาลายูก็เหลียวมองหน้าคนทั้งสามที่เ็ากำลังมองอยู่วะเห็นหน้าตาก็บอกว่าเป็นคนมาเลเซียแนย่แล้วก็รู้ทันทีว่าคนพวกนี้อ่าเป็นมาเลเซียชัดเจนก็เลยไม่ได้ถามไถ่อะไร พอรู้ดีว่าถึงถามไปก็คงไม่ได้คาตอบอย่างที่ต้องการเพราะว่าเขาพูดภาษามาลายูไม่ได้เดี๋ยวคนพวก น, นี้ก็คงพูดภาษาไทยไม่ได้เลยในเคียนก็คว่าสายตามองไปทั่วเรือพอเห็นปินโตใส่ข้าวตั้งอยู่ด้วยความหิวก็รีบกระโจนก็ไปหา ท, าทันทีหมายจะสว่าปามเขาไปให้หายหิวแต่ก็ต้องผิดหวังพอเปิดดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเหลืออยู่เลยแล้วชาวมาเลเซียคนหนึ่งก็ทําไม้ทามือเป็นสัญญาณบอกว่าไม่มีแล้ว เขาแสดงสีหน้าเสียใจนิดๆก่อนที่จะทำไม้ทำมื อ, อแล้วก็ขอบุหรี่แทนผู้คนบนเรือคนหนึ่งก็หยิบซองบุหรี่ให้ในเคียนก็จำได้ติดตาว่าเป็นบุหรี่เขาเรียกยากรัตตอนนั้นแต่ว่าเป็นยี่ห้อที่ผิดขายในมาเลเซียในเคียนเล่าบอกว่าหลังจากที่ชาวประมงมาเลสามคนนั้น ช่วยพาเขาขึ้นเรือไปแล้วก็พาไปส่งที่เกาะลังกาวีเกาะ น, นี้เป็นของประเทศมาเลเซียเพราะจอดเรือที่หน้าท่าเกาะลังกาวีแล้วเขาทั้งสามก็ช่วยกันหามร่างในเขี้ยนขึ้นไปบนเกาะก็ไปให้นั่งลงที่ร้านขายของชําแห่งหนึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนเชื้อจีนผู้คนบนเกาะนั้นพอรู้ว่าพวกของตัวได้ช่วยเหลือชีวิตประมงไทยมาได้คนหนึ่งก็มามุงดูกันจนแน่นรัน เสร็จแล้วแขกมุงทั้งหลายก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเจ้าของร้านก็ก็เอาเสื้อผ้าใหม่ชุดหนึ่งมาให้ได้ใส่แล้วสักพักหนึ่งตำรวจเกาะลังกาวีก็มาถึงใช้เวลาสอบสวนคนเข้าเมืองโดยไม่ตั้งใจอยู่ครู่หนึ่งก็ได้คนจีนคนหนึ่งบนเกาะนั้นพูดภาษาไทยได้เนี่ยเป็นล่ามช่วยแปลคำตอบของนายเคียนเป็นภาษามาลายูให้ต่อจากนั้นคู่เดียวรถพยาบาลจากโรงพยาบาลลังกาวี ก็มารับตัวนายเคียนไปส่งโรงพยาบาลส่วนนายเจี้ยเจ้าของเรือที่ไปด้วยกันปรากฏว่าเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อเรือแตกตอนนั้นแหล ะ, ะทีนี้พี่ชายของนายเคียนน่ะที่ว่าชื่อนายเซ็กหลีเจริญเนี่ยเขาทำงานที่เรืออีกลำหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันที่น้องชายออกทะเลไปกับเท่าแก่เจียในตัวเองก็เห็น แล้วก็พาเรือออกตามหลังไปในไม่ช้าเพราะว่าออกไปวางอวนในที่ใกล้ๆกันพอรุ่งเช้าชาวประมงคนอื่นๆก็พาเรือกลับเข้าฝั่งหมดแล้วแต่น้องชายของตัวกันในเจียยังไม่กลับก็นั่งรอคอยอยู่นานจนเห็นผิดปกติก็พาเรือออกไปตามหาที่พวกเขาวางอวนกันพอไปถึงไม่เห็นเขาอยู่บริเวณนั้นแล้วแต่ว่าเห็นอวนยังลอยอยู่ก็ลองสาวๆอวนไปดูก็พบว่าปลายอวนด้านหนึ่งไปติดอยู่กับเรือที่จมอยู่ใต้น้ําก็รู้ว่าเรือจมอ่า ก็เลยพาเรือออกตะเวนหาบริเวณนั้นก็ไม่พบตัดสินใจพาเรือกลับไปที่เกาะตะรุเตาบอกข่าวนั้นให้เพื่อนๆประมงด้วยกันทราบขอร้องให้ทุกคนช่วยกันนําเรือออกตะเวนให้ด้วยเพื่อนฝูงทุกคนก็ให้การช่วยเหลืออย่างดีเอาเรือออกตามหาเรือที่ออกตามหานั่นสาสิบกว่าลํารวมทั้งเรือใหญ่ของเท่าแก่รับซื้อปลาจากเกาะสไลด์ด้วยเพราะว่าเรือเท่าแก่จะไปรับปลาจากชาวประมงที่เกาะตะรูเตาทุกเชา้า นายเซก็ขอร้องให้ช่วยออกตามหาน้องชายตัวด้วยนะแต่ตามหาก็อยู่อย่างนั้นวันยังค่ำก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอนายเซกพี่ชายก็เลยนำเรือกลับไปที่เกาะสไลก็บอกข่าวร้ายนี้ให้พ่อแม่รู้พอรู้ว่าลูกชายเรือแตกหายไปในทะเลทั้งพ่อทั้งแม่ก็เศร้าเสียใจไม่แพ้กันพี่ๆน้องๆทุกคนก็ตกใจอยู่ในอาการเศร้าด้วยกันดังนั้นทุกคนได้แต่ภาวนาให้กลับมาอย่างปลอดภัยแต่นายเซกพี่ชายก็ไม่ได้เพิ่ภาวนาอยู่อย่างเดียว ยังพยายามออกตามหาน้องชายอยู่สามวันเต็มเต็มนะแล้วในที่สุดก็ได้ข่าวว่าคนที่เกาะลังกาวีชาวประมงลังกาวีก็ช่วยชาวประมงไทยร่างเตี้ยหน้าตาจีนจีนคนหนึ่งเอาไว้ได้แล้วก็ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับ นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานและข้อมูลยืนยันได้บุคลบคลผู้เกี่ยวข้องทุกคนยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ช่วยคือมาจากทะเละหรือว่าคนที่ติดตามหาทุกคนหรือว่าคนที่ขับเรือนำมาส่งที่เกาะสไลร์ล้วนยังมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นครับคนเราเนี่ยนะครับถ้าไม่ถึงที่ตายไม่วายจีวาวาดใครพิค่าขินฆ่าไม่อาสันแต่ถ้าหาก ถึงคราวตายวายจีวันนี้ยังไม่ทันใครทำร้ายก็ตายเอง สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องเป็นมงคลในเรื่องพระนี่นะที่นี้พอจะพูดถึงเรื่องของพระคุณเจ้ารูปนี้ครับที่ท่านเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนใครๆก็รู้จักชื่อท่านที่เอามาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าจะคุยถึงเรื่องว่าความริษยาคือความที่ไม่อยากจะเห็นคนอื่นได้ดีนิสัยที่เห็นเขาได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้นี่ แล้วก็ไปแสดงออกหรือว่าทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะทำร้ายทำล า, ายผู้ที่ตัวอิจฉาความอิจฉากับความริษยานี่มันมาคู่กันเสมอถ้ามันอิจฉาเฉยๆก็ยังชั่วหน่อยเพราะว่าแค่เกิดความอยากมีอยากได้เหมือนกับคนอื่นแล้วถ้าหากว่ามีริษยาตามหลังมาด้วยคืออิจฉาริษยานี่เต็มสองตัวนี่ไม่ผิดกับตัวเองก่อไฟไ ว, ไว้ในอกตัวเองเลยเชียว ทั้งร้อนรุ่มทุรนทุรายทั้งหาความสงบสุขไม่ได้อยากจะเห็นเขาจิบหายวายวอดไปเสียบัดนี้เดี๋ยวนี้พอหาทางทำอะไรเขาไม่ได้ก็ยิ่งร้อนเร้าหนักเข้าไปอีกอันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความโง่เขลาของตัวโดยแท้เพราะมันเป็นความทุกข์ที่วางอยู่ภายนอกกายนอกใจตัวเองมันอยู่ของมันเฉยๆไม่ได้คล้องเกี่ยวกับใครแต่ไปหยิบเอามันมาใส่เข้าไปให้ตัวเองนะ ให้มันเกิดความรุ่มร้อนทุรนทุรายแล้วทาไมเรียกว่าโง่แล้วไม่เรียกจะรู้ไม่รู้จะเรียกอะไรทีนี้ปุถุชนคนทั่วไปที่ยังหนาด้วยกิเลสนี่ก็มักจะเผลอหยิบเอาเจ้าตัวอิจฉาริษยานี่มาใส่ตัวบ่อยๆจะหยิบน้อยหยิบมากนี่แล้วแต่คนผู้นั้นจะโง่ระดับไหนใครที่มีสติปัญญารู้เท่าทันความโง่ของตัว ก็รีบปล่อยรีบวางซะใครที่ยังโง่ไม่เลิกก็ร้อนเร้าทุรนทุรายต่อไปตามยาถากรรมก็แล้วกันความอิจฉาริษยานี่ไม่ใช่จะเลือกอยู่กับพาะปุถุชนคนชาวบ้านธรรมดากิเลสหนาะเท่า น, นั้นเองแม้แต่ในหมู่พระภิกษุซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกิเลสเบาบางน้อยที่สุดก็ยังมีบางรูปบางองค์อุสาหไหยิบไปคว้าเจ้าสองตัวเร็วๆนี่มาใส่ใจจนล้นปรีไอ้ความที่ตัวเองอยากมีอยา ก, ยากได้เหมือนกับคนอื่น พอเห็นเขามีเขาได้ดีกว่าตัวก็บังเกิดความเร่าร้อนอร้อนมาจากไฟฤิสยานั่นแหละแล้วก็หาทางทำร้ายทำลายเขาด้วยวิธีศสกปกยังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเมื่อครั้งที่พระอาจารย์กงมาจิระปุญโยท่านได้รับอาราธนาไปจำมัรษาที่วัดบ้านไายงามวัดไายงามครับบ้านหนองบัวจังหวัดจันทบุรีคราวนั้นท่านไปกับเนนลูกศิษย์ชื่อ วิรยังอ า, อาจารย์วิริยังนะครับปัจจุบันคือท่านเจา้าขุนพระเทพเจติยาจารย์เจ้าอาวาสวัดธรรมเจดีตอนนั้นพระอาจารย์กรงมาเป็นพระธรรมยุทธสายปฏิบัติมีความเคร่งครัดงดงามในปฏิปทาศีลาจารวัดเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านไปจำพรรษาที่วัดไยงามจันทบุรีก็เลยมีพุทธศาสนิกชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจํานวนมากความนิยมยกย่องที่กว้างไกลก็เกิดแก่ ประชาชนทั้งหลายเนื่องจากศรัทธาที่เห็นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครบถ้วนดังนั้นเมื่อไหร่ที่พระอาจารย์กงมาขึ้นเทศแสดงธรรมชี้นำความถูกต้องดีงามให้แก่พุทธบริษัทได้ฟังก็มีผู้ตั้งใจมาน้อมรับเป็นจำนวนมากมายแล้วก็มีคนมารับการอบรมฝึกปฏิบัติภาวนากรรมฐานอีกเยอะ เมื่อพระอาจารย์กงมากลายเป็นศูนย์รวมของศรัท ธ, ธามหาชนชาวจันทบุรีเวลานั้นคนที่เป็นเจ้าถิ่นซึ่งจิตภายในยังเกลือกกลั่วอยู่กับกิเลสตัณหาอุปาทานก็หยิบช่วยเอาเจ้าตัวอิจฉาริษยานี่มาใส่เติมเข้าไปอีกจัดแจงทำเรื่องราวกล่าวฟ้องกราบทูลดยอาสมเด็จพระสังฆราชกรมมื่นวชิรยานวงศ์วัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวหาพระอาจารย์กงมาว่ากระทําผิดเพี้ยนพระธรรมวินัยหลายข้อหลายอย่างโดยเจตนามุ่งหวังจะให้สมเด็จพระสังฆราชมีพระกระแสให้ตัวดำเนินการสอบสวนหาความผิดอันชัดแจ้งถ้าหากเป็นไปตามแผนการที่วางไว้พระอาจารย์กงมาก็คงไม่มีโอกาสอยู่จำมรนษาในเขตจันทบุรีอย่างแน่นอนแต่สมเด็จพระสังฆราชรมหมื่นวชิรยาณวงศ์ทนทรงเยือกเย็นแล้วก็เที่ยงธรรม แทนที่พระองค์จะทรงบัญชาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดกลับเสด็จมาที่วัดทายงามด้วยพระองค์เองเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเงียบเงียบเมื่อสมเด็จพระสังฆราชพำนักอยู่ที่วัดสายงามพระองค์ก็ทรงปฏิบัติตามข้อวัดของหมู่คณะคือฉันมือเดียวเช่นเดียวกับพระอาจารย์กรงมาแม้จะมีญาติโยมนำเอาพตาหารอย่างดีมาถวายอีก แล้วก็พระอาจารย์กงมาก็จัดเตรียมถวายไว้ด้วยพระองค์ก็ไม่ฉันทรงตรัสว่าเราอยู่ที่ไหนก็ต้องทําตามระเบียบของเขาที่นั่นแหละสาหรับข้อกล่าวหาที่หาว่าพระอาจารย์กงมาสะายบาทเหมือนกับพระมหานิกายสมเด็จพระสังฆราชท่านทรงตื่นบรรทมแต่เช้ามืดก็ดําเนินไปดูพระอาจารย์กองมาและพระเนนสายปฏิบัติออกบินสบาทก็เห็น การสะพายบาดเอาไว้ด้านหน้าก็เป็นที่รัฐกุมดีพระองค์ก็ลงความเห็นว่ากงมาสะพายบาดอย่างนี้มันก็เหมือนอุ้มนั่นเองไม่ผิดหรอกเรียบร้อยดีข้อกล่าวหาต่อมาก็คือพระอาจารย์กงมาเทศแปลหนังสือผิดไม่ถูกต้องตามคาสอนของพระพุทธเจ้านะเรื่องนี้พระองค์ยังไม่ได้ทรงสอบสวนบังเอิญพระอาจารย์กงมาประกาศให้ศรัทธาญาติโยมมาฟังเทศ ซึ่งการเทศเนี่ยพระสังฆราชจะเป็นองค์แสดงคือเป็นองค์เทศเมื่อถึงวันนั้นก็มีประชาชนพุทธบริษัทหลั่งไหลมาที่วัดสายงามกันแน่นขนาดเพราะว่าอยากจะฟังสังฆราชเทศพอถึงเวลาแสดงธรรมราชา์กงมาก็เข้าไปทูลเชิญให้พระองค์แสดงธรรมแต่สมเด็จพระสังฆราชตรัสว่าเราไม่สบายกงมาเทศแทนเราเถอะเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ พระอาจารย์กงมาก็จำเป็นต้องไปที่สลาแล้วแจ้งให้ประชาชนทราบว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงประชวรไม่สามารถจะเป็นองค์แสดงธรรมได้และพระอาจารย์กงมาก็เทศแทนข้อธรรมที่นำมาพารนาในวันนั้นวิจิตพิสดานและก็ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งระหว่างที่พระอาจารย์กงมาเริ่มเทศแสดงธรรมตอนนั้นเนนวิริยังก็ลงจากสลาเพื่อจะมาปัสวะ นึกไม่ถึงว่าจะมาเจอสมเด็จพระสังฆราชทรงนั่งกับพื้นดินข้างๆศาลานั่นเองแสดงว่าพระองค์มานั่งฟังพระอาจารย์กงมาแสดงธรรมเทศนาอย่างเงียบๆเน้นวิริยังเห็นอย่างนั้นก็รีบกราบคุณศาลาตั้งใจจะกราบเรียนพระอาจารย์กงมาสซะแต่ไม่มีโอกาสได้เอ่ยวาจาบอกกล่าวได้จนกระทั่งพระอาจารย์กงมาเทศจบลงกรณีนี้สมเด็จพระสังฆราชท่านตรัสว่าท่านกงมา เตุเก่งกว่าปรเรียนก้าวประโยคในกรุงเทพเสีอีกอีกข้อกล่าวหาซึ่งเป็นไปในทํานองพระอาจารย์คงมาเวลาออกธุดงไม่ได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นสาคัญหากแต่มุ่งแสดงตัวไปในทางให้ผู้คนศรัทธาเลื่อมใสในทางอิทธิริศอิทธิเดชมีการแจกเครื่องรางของถังถือว่าออกนอกทางพระภิกษุพึงปฏิบัติวันหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็ตรัส ช, ชวนพระอาจารย์กงมาออกธุดงเพียงลําพังสององค์ แม้แต่เนนวิริยังก็ยังไม่อนุญาตให้ไปด้วยพระจานกรกงมาก็น้อมรับพระประสงค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็แบกรถสบายบาทด้วยพระองค์เองพระยานกรกงมาก็จะช่วยแบกให้พระองค์ก็ไม่ยอมจัดแก่พระจานกรกงมาบอกว่าเธอเคยไปทางไหนก็จงพาฉันไปทางนั้นพระจารกรกงมาก็นำเสด็จไปตามเส้นทางที่ท่านเคยตูดงมาก่อนพระสังฆราชก็เสด็จตามหลังไปเรื่อยๆ ถึงเวลาเย็นย่ามสนธยาก็หยุดพักปักปรดรุกขมูลใต้ต้นไม้ไม่ว่าจะปักกรดที่ไหนก็จะมีชาวบ้านญาติโยมมานมัสาการเป็นจํานวนมากเพื่อฟังเทศฟังธรรมซึ่งพระอาจารย์กรุงมาท่านก็ได้แสดงข้อธรรมอันเหมาะสมอบรมแก่ญาติโยมเป็นที่เย็นอกเย็นใจนอกจากจะมาสดับจาบฟังพระธรรมเทศนาแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังมาปฏิบัติธรรมกรรมาฐานโดยพร้อมเพรียงกัน ยิ่งทราบว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเสด็จทุดงมาพร้อมเมื่อพระอาจารย์กงมาราษฎรชาวบ้านต่างก็พาเข้ามาเฝ้าอย่างหนาแน่นกระทั่งสมเด็จพระสังฆราชต้องตรัสกับพระอาจารย์งรงกงมาบอกว่ากรุงมาเธออย่าเรียกเราให้ใครได้ยินว่าเราเป็นสมเด็จพระสังฆราชเลยอย่าบอกใครเป็นอันขาดเวลาพูดหรือแสดงออกก็ให้เหมือนกับเป็นพระธรรมดาด้วยกันเถอะ วันหนึ่งพระอาจารย์กงมาก็ไปพักปักกรดที่บริเวณเชิงเขาสะบาป พ, พอดีเกิดฝนตกอย่างรุนแรงแล้วก็มีพายุกล้าการปักกรดของพระดูดวงเนี่จะแยกกันอยู่ห่างๆกันตามพระวินัยสมเด็จพระสังฆราชก็ทรงเปียกปอนเนื่องจากนั่งตากฝนตลอดเวลาเพราะว่ากรดนี้ไม่สามารถจะกางกั้นลมฝนไว้ได้เลยหลังจากฝนหยุดตกแล้วพระอาจารย์กงมาก็รีบมาเฝ้าพระองค์ที่นี่ พระองค์เห็นพระอาจารย์โกงมาไม่เปียกฝนเลยทั้งที่ก็ฝนตกเหมือนกันก็ตรัสถามว่าทำไมเธอไม่เปียกแล้วเราเปียกหมดเลยพระอาจารย์โกงมาก็ตอบว่าเกล้ากระผมมีคาถาดีขอรับสมเด็จพระสังฆราชก็ตรัสว่าเอถ้ามีอย่างนั้นสงสัยจะต้องเรียนคาถานี้หน่อยล่ะเมื่อกลับจากทุดงถึงวัดสายงามตอนนั้นสามเณรวิริยังเข้าไปปฏิบัติปัดกวาด ทำความสะอาดกุฏิที่พักของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงนึกได้ถึงพระอาจารย์คงมาไม่เปียกฝนก็จัดถามว่า เ, เนนขอถามหน่อยเถอะคาถากันฝนนี่ว่ายังไงเนนพอรู้บ้างไหมก็พอรู้บ้างฝาบาทเออเดี๋ยวว่าไปให้เราฟังสิเราจะได้จำเอาไว้ เมื่อเวลาฝนตกต้องเก็บบริขารทั้งหมดคือสมบงจีวรสังกติใส่ลงในบาทแล้วปิดฝาให้สนิทนุ่งแต่ผ้าอาบแทนพระธุดงทํทำอย่างนี้ทุกองค์ครับสมเด็จพระสังฆราชเจา้าทรงพระสวนบอกโอ้ที่จริงเป็นอย่างนี้เองเออถึงได้ไม่เปียกฝนนึกว่ามีคถาดีการออกธุดงของพระอาจารย์กงมาสมเด็จพระสังฆราชท่นกสรุปความเห็นว่า การทุดงของท่านโกงมาและพระปฏิบัติกรรมฐานนี้เป็นประโยชน์อย่างเหลือหลายอย่างนี้ทุดงมากๆ ก, ก็ทําทให้พระาศาสนาจเจริญยิ่งขึ้นนับแต่นั้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็ทรงให้ความคุ้มครองแก่พระอาจารย์โกงมาตลอดมาที่นี้ก็ไหนๆก็ได้กล่าวถึงท่านแล้วนะครับก็จะเรียนให้ทราบถึงเรื่องประวัติของพระอาจารย์กงมา คือหลวงปู่กงมาจิระปุญโยเนี่ยท่านมีนามเดิมชื่อกงมานามสกุลวงเครือสอน เ, อเกิดที่จังหวัดสกล น, นครครับเขาเรียกบ้านโคกตําบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครเมื่อวันที่หกพฤศจิกายนปีสอง3ัสร้อยสี่สิบสามกี่ปีมาแล้วเดี๋ยวก็ลองบวกลบคูณหารดูก็แล้วกัน ท่านเกิดขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองวันเพนลอยกระทงพอดีเลยปีชวดครับโยมพ่อชื่อยมบูโยมแม่ชื่อยมนวล น, นามสกุลวงเครือสอนท่านเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนทั้งหมดหกคนดดวยกันอาชีพที่บ้านก็คือเป็นพ่อค้าวานิชในชีวิตของท่านพอโตเป็นหนุ่มท่านก็แต่งงานกับนางสาวเหลาแล้วต่อมาภรรยาของท่านนี่ตั้งคัน ใกล้กำหนดคลอดก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนก็สร้างความปวดร้าวแปรปรวนอย่างใหญ่หลวงแล้วก็เพื่อนหนีความทุกข์โศกเศร้าเสียใจในคราวนั้นก็ทําให้ท่านคิดว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าบวชพระหลวงปู่กงมาท่านก็ได้อุปสมบทครั้งที่หนึ่งเป็นพระมหานิการหลังจากบวชเป็นพระแล้วท่านก็มาอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านตองโขบ ที่เป็นวัดใกล้บ้านเกิดของท่านจะอยู่ได้ไมน่นานท่านก็ไปเห็นความหย่อนยานต่อข้อวัดปฏิบัติหลายประการก็เลยคิดจะไปอยู่ที่อื่นบังเอิญท่านได้รับข่าวจากหลวงปู่มั่นข่าวของหลวงปู่มั่นครับตาปักขาวเสนเนี่ยที่ใครๆเขาเรียกอาจารย์เสนะ่ะเป็นคนไปบอกท่านเองนะบอกว่าหลวงปู่มั่นนี่เป็น พรอาจารย์ที่มีปฏิปทาดีเหลือเกินแล้วก็ชอบอกชอบใจในคำสอนของอาจารย์เสนด้วยก็ถามข่าวหลวงปู่มั่นได้รับคำบอกเ่าว่าหลวงปู่มั่นเวลานี้อยู่บ้านสามผงอเภอวานนนิวาสกร น, นครหลวงปู่กงมาก็ชวนสหายของท่านชื่อพระภิกษุมีเดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นพอไปถึงท่านก็ ฝากตัวขอปฏิบัติธรรมหลวงปู่มั่นก็รับไว้อยู่จำบรรษากับท่านตั้งแต่ปีพศ .2469 การปฏิบัติภาวนาหลวงปู่กงมาได้ถูกกำหนดให้อยู่ในป่าเพียงลำพังคือแยกไปอยู่เป็นแห่งๆไปเสร็จแล้วปี2471 คือล่วงไปอีกสามปีหลวงปู่มั่นก็ใช้ให้ลูกศิษย์สององค์คือหลวงปู่กองมากับท่านพ่อลีเนี่ยแประยะติเป็นธรรมยุทธนะจากเดิมเป็นพระมหานิกายตอนนี้ก็มาเป็นพระธรรมยุทธ์ก็คือบวชกันใหม่ละที่วัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีนะตอนนั้นภายหลังแปลยะติแล้ว เป็นพระธรรมยุทธ์แล้วหลวงปู่กงมาจิรปุญโยท่านก็ทุ่มเทจิตใจให้กับการประพฤติปฏิบัติอย่างชนิดเดิมพันด้วยชีวิตถ้าไม่เกิดภูมิปัญญาธรรมแล้วนี่ก็ขอต า, อ า, ตายในป่าแล้วว่าอย่างนั้นความที่เป็นผู้เอาจริงนี่เองซึ่งในการต่อมาท่านได้เป็นกำลังอันสำคัญยิ่งในกองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นเป็นที่พึ่งของบรรดาพุทธบริษัทอย่างมากมาย ท่านเป็นพระผู้มีความเคารพนอบน้อมในครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นพระสหทันบิกอยู่หลายองค์เช่นหลวงปูฟงป่ฟัน่นอาจาโรหลวงปู่อ่อนญาณสิริหลวงปู่ขาวอนาลโยพระอาจารย์มหาทองสุสุจิตโตแล้วก็หลวงปู่จันทร์เขมะปัตโตหลวงปู่กงมาท่านยังได้รับสิทธิ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในปัจจุบันนี้หลายองค์นะครับ เช่นพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลซอยร้อยหนึ่งสุขุมวิทกรุงเทพนะครับหลวงปู่กองมาท่านเป็นนักปฏิบัติที่เอาชีวิตเข้าเดิมพันเอาความตายเข้าแรกแรกกับความดีทั้งปวงท่านเคยนั่งสมาธิกลางป่าจนยุงป่ากัดสูบเลือดท่านไหลออกมาเปื้อนจีวรหมดทั้งผืนยุงป่านี่มันร้ายนะท่านผู้ฟังตัวก็ใหญ่แล้วดุอ่า ท่านก็บอกว่าเจ้ายุงเนี่ยแม้ว่าตัวมันจะเล็กแต่มันก็มีพิษสงสามารถฆ่าคนตายได้ด้วยโรคมาลาเรียแต่เพื่อธรรมะนี่ท่านทนนั่งให้มันกัดแม้กิเลสจะสั่งการสักเท่าไหร่ท่านก็ไม่ปัดนะไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะปล่อยให้เป็นทานกับยุงตลอดคืนพระอาจารย์วิริยังท่านเล่าว่าหลวงพ่อคงมาท่านไปนั่งอยู่ในป่าเปลี่ยว เมื่อนั่งสมาธิแล้วท่านก็เดินจงกรมเพื่อจะเปลี่ยนอิริยาบถตอนที่เดินจงกรมนี่เสือลายพาดกรอนตัวใหญ่ใช่ไหมมาหมอบจงหัวทางเดินจงกรมเนี่ยท่านก็คิดว่าโอ้วันนี้เราคงตายแน่ๆนี่จะเดินจงกรมดีหรือว่าจะขึ้นกุฏิดีอ่าพอได้สติท่านก็มารำพึงว่านี่เรากลัวเสือหรือว่ากลัวกิเลสกันแน่นะ กิเลสเนี่ยมันทำให้เราตายจนนับภพบนับชาติไม่ทวนแต่เสือตัวนี้ทำให้เราตายได้หนเดียวพอคิดอย่างนั้นท่านก็เดินจงกรมไปทางที่เสือนอนอยู่นั่นนะ่ะเดินกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนเวลาเที่ยงคืนเสือตัวนั้นก็โจรเข้าป่าหายไปแล้วท่านก็เอาเรื่องนี้ไปเรียนถามกับหลวงปู่มั่นจนได้รับคาตอบที่เพิ่มพลังใจขึ้นอีกเป็นอันมากเกิดสมาธิตัวเบามันก็ลอย เพราะความเป็นผู้มีธรรมะเป็นความเป็นผู้รู้แจ้งนี้เองประชาชนโดยทั่วไปที่ท่านเดินทุดงไปถึงก็หมายเอาว่าหลวงปู่กองมาจิรปุญโยเนี่ยเป็นที่พึ่งพักพิงอาศัยร่มใบบุญจนได้พบกับความเยือกเย็นแห่งจิตใจแล้วท่านก็ชี้แนะให้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาได้อย่างแจ่มแจ้งท่านได้นาคุณประโยชน์ มาให้แก่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวท่านเองเป็นอันมากจนเป็นที่กล่าวถึงกันในหมู่สงฆ์ไม่รู้จักจบจากสิน้นแม้ว่าปัจจุบันวันนี้ท่านจะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่ชื่อเสียงของพระอาจารย์กงมาจิระปุญโญก็ยังเป็นที่กล่าวขวัญและเป็นที่เทิดทูนบูชาของภิกษุและผู้ปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดครับ พูดถึงพระภิกษุเก่งๆเนี่ยนะสมัยอุตการ์นี่มีพระภิกษุที่มีความสามารถมากๆมีอยู่หลายรูปด้วยกันอย่างเช่นพระมหาโมคคลานี่ท่านเป็นพระอักรสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าพระโมคคลานี่เบื้องซ้ายภาษารีบุตรนี่เป็นอัคารสาวกเบื้องขวาตอนนั้นก็ ท่านอยู่ที่เขาคิจกูฏวันหนึ่งท่านลงมาบินธบาตในเมืองก็มากับพระชื่อพระลักขณะธีระตอนที่ท่านเดินลงมาเนี่ยพระโมคคัลลาท่านได้เห็นเปรตสองตัวที่เชิงเขาคิจกูฏ ต, ตัวหนึ่งมีหัวเหมือนคนแต่ว่าลำตัวเหมือนงูสูงมากเลยอ่ามีเปลวไฟตั้งแต่หัวจรดหาง เขาเรียกว่าอาหิเปรตคือเปรตที่รูปร่างคล้ายๆงูอีกตัวหนึ่งตัวสูงโยงเหมือนกันลิ้นยาวๆหัวก็ยาวลิ้นก็ยาวถูกไฟกำลังเผาไหม้เหมือนกันรูปร่างคล้ายๆนกกาเขาเรียกว่ากากัะเปรตคือเปรตที่คล้ายกาพระโมคัลลาท่้นเป็นพระที่มีอิทธิฤทธิสามารถพูดคุยกับพวกเปรตพวกสัตว์นรกได้รู้เรื่องพระชานท่านสูง ท่านก็ถามถึงเวรกรรมที่กากระเปรตได้สร้างทําเอาไว้แต่ชาติก่อนว่าทําไมถึงมาเป็นอย่างนี้กากระเปรตก็เล่าถึงความชั่วช้าของตัวในชาติก่อนบอกว่าในชาติก่อนสมัยที่เกิดเป็นนกกาข้าพเจ้าได้แอบลักขโมยคาบคําข้าวสามคำที่เขาจัดไว้ถวายพระซึ่งสมัยนั้นเป็นสมัยของพระพุทธเจ้ามีพระนามวัคษาปะไม่ใช่พระพุทธเจ้า อ, องค์ปัจจุบันนะ องปัจจุบันนี้พระโคตมะโคดมอันนั้นสมัยพุทธเจ้ากับสปะการกระเปรดบอกว่าการกระทํากรรมเพียงแค่นี้ก็ทําให้ขพเจ้าไปหมกไหมอยู่ในนรกอเวจีเกิดเป็นการกระเพดสเสวยทุกข์หนักเหลือเกินส่วนตัวที่สองเนี่ยชื่ออะฮิเปรตอหิเปรตตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านเคยเห็น เคยเห็นมาก่อนพระโมคคัลลาแต่ว่าท่านไม่ได้ เ, เล่าให้ใครฟังก็เพราะว่าถ้าขืนเล่าไปโดยที่คนอื่นเขาไม่เห็นน่มันจะเป็นการอวดอุตริมนุษธรรมซึ่งทาใหา้พระเนี่ยต้องขาดจากความเป็นพระในเรื่องของการพูดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นแล้วก็เหมือนกับทำตัวเป็นผู้วิเศษ คือไปเห็นไปรู้ในสิ่งที่คนธรรมดาไม่รู้พอเท่ากับว่าอวดวิเศษนะซึ่งไม่มีอยู่ในตัวถ้าไม่มีอยู่ในตัวจริงๆแล้วเนี่ยจะขาดจากความเป็นพระไปเลยพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ตรัสเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมาจนกระทั่งพระโมคคลาได้พูดขึ้นมาคราวนี้พระองค์ก็ตรัสเล่าบอกว่าก็เคยเห็นเหมือนกันอฮิเรดเนี่ยเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยแกเกิดเป็นชาวนา อีตะคนนี้มุ่งแต่จะทำนาอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องทานบุญกุศลอะไรไม่เอาทั้งนั้นนะทีนี้นาของแกเนี่ยเป็นทางผ่า น, น, นให้ชาวบ้านที่เขาเดินไปไปฟังเทศคือชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกไปโรงนาเนี่ยสำหรับให้พระประเจกับพพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ถึงเวลาเขาก็เอาดอกไม้ทูปเทียนเดินไปสการะแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมพระปจเจ้าบพุทธเจ้ารูปนั้นพอถึงเวลาท่านก็มาทีสลาเนี่ยแล้วก็มาเทศประชาชนก็ได้รับฟังธรรมะกันเป็นประจำก็เดินกันอยู่จนเป็นเถือกละ่ะก็ทำให้นาของอิตาคนนี้ได้รับความเสียาหายแกก็ออกมาด่าใหญ่ด่าชาวบ้านก็ไม่มีใครเชื่อยังเดินย่ากันอยู่เป็นประจำมาแหละ ทีนี้แกก็คิดขึ้นว่าเออถ้าไม่ตัดต้นตอเสียนาเรานี่คงพังเสียหายหมดไว้อย่างนั้นแกคิดอย่างนั้นแกเผาเลยครับแกเผาสาราที่ชาบ้านเขาสร้างให้พระปจเจกกับพุทธเจ้าองค์นั้นเสียเพื่อเชาวบ้านจะได้ไม่ต้องมาเดินทางนี่กันอีกต่อไปนะทีนี้ประชาชนเมื่อไม่เห็นพระปจเจกกับพุทธเจ้าไปบินธบาติธรรมดาแล้วท่านไปบินธบาติอยู่ข้างนอกอเป็นประจําทุกเช้าและแต่ปรากฏว่าท่านหายไป าชาวบ้านเขาก็มาดูว่าท่านหายไปไหนมาถึงเห็นสลาถูกเผาหมดแล้วก็เสียใจและโกรธแค้นกันใหญ่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเผาก็บอกไม่รู้ไอ้คนใจบาปที่ไหนเป็นคนเผาเนี่ในชาวนาคนนี้ก็สะใจตัวเองเหลือเกินเข้าไปถึงก็ไปบอกเลยอ่าข้าเองอ่ะเป็นคนเผาสลาเองอ่ะทําไมมีไรเปล่า พอสิ้นเสียงชาวนาก็สิ้นใจเพราะมหาชนก็พากันรุมทอดพระปาสามาัคคีจงกระชั่งเละเลยอ่าก็ตายแล้วก็ไปเกิดในนรกอเวจีเป็นอาหีเปรตตั้งแต่บัดนั้นยังมีคนหนึ่งที่ตายแล้วต้องไปเป็นเปรตสวยทุกเวทนาแสนสาหัสที่เมืองพาราณสีนะ่ะมีผู้ชายพิการคนหนึ่งอิตาง้อยคนนี้มีความสามารถพิเศษในการดีดก้อนกรวด อ่าคือดีดก้อนกรวดให้เป็นรูปร่างของสัตว์ต่างๆแกจะเอาใบไม้มาเอามาแขวนไว้แล้วแกก็ดีดกรวดเนี่ยเพีย้ยเพีย้ยเพี้ยให้ใบไม้นี่ทะลุเป็นรูเป็นรูปสัตว์รูปอะไรก็ได้นะรูปหมูรูปหมาอะไรแกก็นั่งดีดของแก วันๆแกไปนั่งใต้ต้นไม้ดีดก้อนกรวดใส่ใบไม้แลกอาหารกินเด็กๆก็ชอบแกเข้าไปห้อมล้อมเสร็จแล้วเขามีของติดไม้ติดมือจากบ้านมาฝากแกด้วยให้แกดีดกรวดให้ให้ดูนะแกก็ดํารงชีวิตอย่างเนี้ยตลอดมาแกเป็นง่อยทีนี้การผ่านไปหลายเดือนหลายปีแกเริ่มมีชื่อเสียงเรื่องดีดกรวดนี่นะก็ลือนไปหลายเมือง จึงกระ่างเรื่องไปเข้าหูพระราชาครับพระองค์ก็รับสั่งให้อีจังไง่เนี่ยไปทำงานในวังไปทำอะไรครับเข้าไปอยู่ในสภาคอยดีดขี้แพ้เข้าปากพวกพราหมณ์รัฐมนตรีซึ่งเป็นที่ปรึกษาราช ก, การแผ่นดินบางคนเน่บางคนงคน่ยพูดมากพูดไม่รู้จักหยุดจักยอนอ่าพูดมากเกินไปแล้วชอบพูดก้าวร้าวอ่า ทีนี้ไอ้หน้าที่แม้ขนาดดีดใส่ใบไม้ให้เป็นรูปเป็ดรูปไก่ยังดีดได้โกงเปี้ยเปียปยๆนะทำไมจะทำหน้าที่นี้ไม่ได้นถนัดดิอีตา ง, ง่อยนี่ททำได้สบายคอยดีดขี้แพ้ใส่ปากพวกคูดมากตรงไหนใช้เป็นที่ปรึกษางานราชการแผ่นดินกันอีตา ง, ง่อยคนนี้ก็จะ ให้คนทำช่องไว้สำหรับดีดขี้แพะเวลาประชุมคนไหนพูดมากพาออาปากก็ดีดขี้แพะเข้าปากเลยก้อนเล็กๆทีละก้อนทีละก้อนทำอย่างนี้นทุกครั้งบางทีขี้แพะที่เตรียมไว้ทั้งถุงเลยหมดสู้ห้พูดมากไม่ไหวจนพระราชาต้องพูดแดกดันให้อายแม่ท่านกินขี้แพะเอาไปตั้งเยอะยังไม่รู้จักหยุดพูดเออปากกล้าดีเหลือเกิน ที่ปรึกษาที่ชอบพูดมากก็เลยอายอตั้งแต่นั้นมาแต่ละคนก็จะพูดน้อยกันเป็นที่สุดอันนี้ก็นับว่าได้ผลที่นี้เมื่องานนี้สําเร็จแล้วพระราชาก็พระราชทานทรัพย์สินบ้านช่องสิ่งของต่างๆมากมายให้กับในง่อยคนนี้ได้อยู่กินอย่างมีความสุขยนตลอดชีวิตไม่ต้องไปนั่งหลังกดหลังแข็งอยู่ใต้ต้นไม้อีกต่อไปต่อมาก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาขอเรียนด้วยทีแรก แกก็ยังไม่สอนให้กลัวว่าจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดแต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็อ้อนวอนขอร้องม า, มาคอยบีบคอยนวดให้ตลอดเวลาแกก็เลยใจอ่อนยอมสอนให้สอนให้จนสำเร็จจบหลักสูตรลูกศิษย์ก็ร่ำลาอาจารย์ไปทดลองความรู้โดยจะไปลองดีดแม่โครหรือว่ามนุษย์ให้ตายก่อนว่างั้น อาจารย์ง่อยก็บอกว่าอ ย, อย่าไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะมันบาปกรรมแล้วยังมีความผิดอีกอย่าไปทำอย่างนั้นนะไอ้เจ้าลูกศิษย์นอกครูนี่ไม่เชื่อเที่ยวไปในที่ต่างๆไปเห็นแม่โคตัวหนึ่งก็ยังไม่ดีดเพราะคิดว่ามันมีเจ้าของอ่ามีเจ้าของไปดีดเจ๋า ว, วัวเขาตายแล้วเดี๋ยวตัวเองเดือดร้อนแน่เห็นเด็กคนหนึง่งอ่าก็ยังไม่ดีดไม่กล้าดีดเพราะคิดว่าเด็กมีพ่อมีแม่ เดี๋ยวพ่อแม่มากระทืบต่ะจะพอเดินไปพบพระปัจเจกพพุทธเจ้าไปเจอพระกำลังเที่ยวบินทบาทอยู่ในใจมันก็คิดว่าเอพระนี่สิไม่มีเจ้าของเลยเไม่มีเจ้าของไม่เดือดร้อนดีดได้ดีดก้อนกรวดไปหมายช่องหูเนี่ยแม่นแล้วกินก้อนกรวดเข้าไปหูขวาทะลุหูซ้ายเลยพระพุทธเจ้า าพระปเจกับพุทธเจ้าองค์นั้นโดนกรธดีใ่เกิดทุกเวทนาทนบินทบาตอยู่ไม่ได้ก็รีบเดินกลับกุฏิแล้วก็มรณาภาพวันนั้นเลยฝ่ยยายญาติโยมที่รอใส่บาทไม่เห็นท่านมาสักทีก็พากันไปที่กุฏิท่านโดยคิดว่าท่านอาจจะไม่สบายพอไปถึงก็เห็นท่านนอนมรณาภาพเสียแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญกันใหญ่นะส่วนไอ้เจ้าบุรุษผู้ดี ตรวจใส่พระจนกระทั่งมรณภาพเนี่ยเห็นประชาชนพากันไปที่สลาก็เอกใจว่าเขาไปทําไมกันนะเขาเดินตามเขาไปด้วยก็เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามรณภาพแล้วทีนี้มือไม้สั่นกลัวขึ้นมาชาวบ้านเห็นพิรุธก็จับมาสอบสวนได้ความตามความเป็นจริงชาวบ้านก็พิพากษาเองเดี๋ยวนั้นเลยเอาเชือกหวายมาตีไอ้บุรุษชั่วที่จนกระทั่งตาย พอตายแล้วก็เกิดเป็นเปรตยาวสามาวุฒหรือว่าสามร้อยเส้นเนี่ยถูกค้อนเหล็กเป็นหมื่นอั น, นติดไฟลุกโคลงตีหัวจนแตกแล้วแตกอีกอยู่ที่ยอดเขาคิจกุตนะเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความรู้อะไรก็แล้วแต่ศิลปะทั้งหลายถ้าหากว่าไปเกิดแก่คนผ่าน คือคนชั่วนะ่ยยิ่งมีความรู้มากก็มีแต่ทำลายให้จิบหายเพราะว่าคนชั่วคนพานเนี่ยมีศิละปะหรือได้เป็นใหญ่เมื่อไรย่อมทำลายตนเองหรือผู้อื่นอย่างเดียวครับนั่นเป็นพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้สมัยพุทธกาลครับ สมัยพุทธกาลนะ่ยมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัดที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่เนะี่ยนายชนะนี่เป็นคนสนิทของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์ยังไม่ได้ออกบวชเป็นพระนี่ตอนที่ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อนายชนะถ้าหากว่าไม่เคย จําไม่ได้ก็ให้นึกถึงภาพของพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงมาออกบวชแล้วก็มีนายชนะนี่เป็นทหารมหาดเล็กเกาะหางมาตามพระพุทธเจ้าไปนั่นแหละคือนายชนะเป็นคนสนิทของพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้า กรสรูแล้วแล้วก็มีคนบวชตามพระพุทธเจ้าเยอะในชนะก็ไปบวชมั่งพอได้บวชเป็นพระชนะแล้วใครต่อใครจะว่ากล่าวตักเตือนท่านไม่ได้เลยเพราะถือตัวเองว่าเป็นคนสนิทของพระพุทธเจ้ามาก่อนเด็กเส้นมาจากวางังแล้วท่านก็ไม่คบหาสมาคมกับใครด้วยเพราะถือว่าไม่จำเป็นแม้กระทั่งภาษารีบุตรและพระโมขัขลาผู้เป็นอัครสาวก เป็นที่นับถือของพระเนรญาติโยมโดยทั่วไปพระชนะนก็ไม่ให้ความสำคัญไม่สนใจพระชนะนได้เคยด่าพระอาการสาวกทั้งสองบอกโธ่เอ้ยตอนที่พระพุทธเจ้าออกบวชมีใครมีแต่ชนนะนี่คนเดียวมีใครตามเสด็จมั่งนอกจากเราไม่เห็นหัวใครสักคนทีตรงตอนเนี้ย ฉันก็ะฝ่ายซ้ายฉันก็ฝ่ายขวาอีทูนะเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงทราบข่าวนี้ก็รับสั่งให้พระชนะมาหากล่าวสอนไม่ให้พูดอย่างนั้นอีกพระชนะนิ่งไม่พูดล ะ, ะ่เสร็จแล้วก็กลับไปด่าพระอกรสาวกทั้งสองอีกด่าท่านถึงสาครั้งพระพุทธองค์ก็เรียกมาสอนทุกครั้งเหมือนกัน ในครั้งที่สามนี่ได้ตรัสเตือนบอกฉันนะเธอบึงรู้นะว่าอัครส า, าวกทั้งสองเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเป็นสัตบุรุษเธอจงคบหากัลยาณมิตรอย่างนี้เถิดแล้วเธอจะได้ดีนะพระฉันนะแม้จะถูกพระพุทธองค์สอนแล้วสอนอีกหลายครั้งหลายคราก็เหมือนเดิม คราวนี้หนักกว่าเกา่าทีแรกด่าเฉพาะพระโมคคลาาภะษารีบุตรทีหลังด่าทั้งวัดเลยพระพิสุไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่คงไม่อาจจะทำให้พระชนะนี่กลับตัวได้เมื่อเราตายไปแล้วนั่นแหละพระชนะจึงจะรู้สึกแล้วก็ ตอนที่พระพุทธองค์กำลังจะเสด็จดับขันพระอนนท์ได้เข้าไปถามพระพุทธเจ้าถึงวิธีจัดการกับพระชนะว่าจะให้ทำยังไงดีพระองค์ก็สั่งให้ลงพรหมทันพรหมทันก็คือการไม่พูดด้วยไม่ว่ากล่าวไม่ตักเตือนอะไรทั้งนั้นถือว่าเป็นโทษอย่างสูงเมื่อถูกลงพรหมทันก็เศร้าโศกเสียใจ ว่าเอะทำไมกระทำกับเราได้ท่านร้องไห้จนเป็นลมสลบไปก็เข้าไปวิงวอนต่อพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้ไปจะปฏิบัติตัวอย่างดีที่สุดนะพระองค์ก็ยอมตามนั้นให้ไปบำเพ็ญวัดอยู่คบกิจปริศนาธรรมไม่นานนักก็บรุกเป็นพระอรหรันต์ เนี่ยความพยศของคนถือตัวว่าเป็นคนเก่าแก่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามาก่อนใครอื่นเกือบจะไม่ได้บรรลุคุณวิเศษแล้วไม่ละขนาดอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าที่สุดนะแต่บรรลุธรรมช้าที่สุดโอ้ในชนะใ น, ในชนะสมัยพระพุทธเจ้านั้นพระมีหลายรูปหลายแบบเหมือนกัน<ม>ก็เหมือนกันสมัยนี้ครับ แต่ที่เขาดีก็มีเยอะแยะส่วนใหญ่จะดีแต่ดีนะี่ไม่ได้เอามาเขียนมาจารึกอะไรส่วนใหญ่ที่จะต้องจารึกเอาไว้ให้ญาติโยมชาวบ้านเขาศึกษาทีหลังนี่ก็จะเป็นเรื่องของพระเกเกนะอย่างพระดีอย่างนายราทะนี่นะนายราทะนี่ก่อนเป็นฆราวาสเป็นคนยากจนมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก วันๆไม่เคยได้กินอาหารอิ่มท้องกับใครครับจะได้อาหารมากินในแต่ละวันในแสนจะยากเข็นเพราะว่าในอินเดียคนจนเยอะรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ยิ่งสมัยนั้นคนแบ่งกันเป็นชนชั้นกดขี่เอารัดเอาเปรียบกันคนจนก็จนกรอบเนี่ที่รวยก็รวยกันหูตั้งเนี่ยนายราธะนี่ดวงไม่ดีเกิดมาอยู่ในกลุ่มคนยากจนชีวิตก็อัตคัดขด้องไปหมด อย่าพูดถึงการไฝฝันอะไรเลยไม่มีกระจิกกระใจจะไปฝันอะไรจะกินก็ไยังไม่มีเลยจะไปฝันอะไรพอจนหนักๆข้าวก็เห็นท่าจะไปไม่รอดแน่แล้วชีวิตนี้ในราธะก็เลยเข้าไปขออาศัยอยู่ในวัดเป็นเด็กวัดง่ายๆก็ไม่อดตาย่ะพึ่งพระไว้ก่อนเมื่อไปอยู่วัดี่ในราธะแกก็ไม่เคยขี้เกียจหลังยาวเหมือนกับเด็กวัดบางคนนะวันๆก็เอาแต่ทางานไดาา้ากวาดวิหารกวาด บริเวณวัดตักน้ำให้พระให้เนนพระเนนจะใช้ทำอะไรก็ทำทำให้ทุกอย่างไม่หลบไม่อู้แล้วก็ทำอย่างดีอย่างเต็มใจสะด้วยเพราะเหตุที่ทำตัวดีให้มีคุณค่าต่อคนอื่นนายราทะจึงไม่เป็นที่รังเกียจของพระของเนนแกก็ได้รับการสงเคราะห์จากพระเนนเป็นอย่างดีทั้งการกินการอยู่อยู่ไปนานๆเข้านายราทะก็เกิดเบื่อนายการเป็นเด็กวัดจะคิดอยากจะบวชขึ้นมา ตอนแรกๆไม่มีพระองค์ไหนอยากจะบวชให้แต่มาภายหลังนี่ได้รับอนุเคราะห์จากพระสารีบุตรราธะก็เลยได้บวชสมใจเพราะบวชแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นพระที่ว่านอนสอนง่ายเป็นที่สุดพระสารีบุตรผู้เป็นอาจารย์จะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรท่านก็ไม่เคยโกรธพระสารีบุตรจะท่าสอนอยู่เป็นประจาว่าสิ่งนี้นะควรทาสิ่งนี้ไม่ควรทา พระราธะก็น้อมรับคําสอนของอาจารย์เป็นอย่างดีอันไหนที่อาจารย์บอกว่าไม่ดีท่านก็จะไม่คล้องแวะอันไหนที่อาจารย์บอกว่าดีท่านก็จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและด้วยความยินดีไม่เคยปริ ป, ปากบ่นว่าํำคาญอะไรสักคาแล้วทุกวันเนี่ยท่านจะนำคําสอนของอาจารย์มาคบคิดให้เกิดความเข้าใจไม่นานนักก็บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์หมดสิ้นแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวง การประพฤติตัวเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายของพระราธะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปพระภิกษุทั้งหลายก็เอามาพูดกันพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้พระภิกษุทั้งหลายเอาเยี่ยงอย่างว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุเนี่ยควรจะเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเหมือนกับพระราธะแม้อาจารย์ชยี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธนะเพราะว่า บุคคลผู้กล่าวสอนชี้โทษเนี่ยเหมือนกับผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้ครับนั่นก็คือเรื่องของพระดีๆองค์หนึ่งสมัยพุทธกาลครับในวัดของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระแปลกๆหลายรูปพระลักบุญะเทระนี่ท่านเป็นพระรูปร่างเล็กนิดเดียวใครๆก็คิดว่าท่านเป็นเนนอยู่เสมอ วันหนึ่งก็มีพระภิกษุที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าสามสิบรูปมาที่วัดเชตวันมหาวิหารเพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนที่พระป่าเหล่านั้นเข้ามาในพระวิหารพระรากุณะเนี่ยกาลังจ ะ, ะกำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยพอเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีแขกมีภิกษุป่ามาก็เลยถวายบังคมลาปลีกตัวออกจากพระวิหารไป พระพุทธเจ้าตรัสแกพระอ่าพระป่าเหล่านั้นบอกว่าตะกี้เนี่ยพระเถระองค์หนึ่งออกไปจากในวิหารเนี่ยพวกเธอเห็นหรือเปล่าพิสูจเหล่านั้นก็บอกว่าไม่เห็นนะพระเจ้าค่ะอ้าวก็ตะกี้นี้เองอที่ออกไปตะกี้เนี่ยเห็นหลังไวัยอไม่เห็นนะพระเจ้าค่ะเห็นแต่สัมมเนรรูปหนึ่งเท่านั้น อ้าวพิกษุทั้งหลายนั่นไม่ใช่สามเณรนะนั่นแหละคือพระเถระอ่าพิสษุก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยรูปร่างท่านเล็กนิดเดียวพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พิสษุเหล่านั้นว่าพิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกคําว่าเถระเพราะความเป็นคนแก่หรือเหตุว่านั่งบนอาสนะ ใครก็ตามที่สามารถแทงตลอดสัจจะทั้งหลายแล้วตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นผู้นั้นละ่ะได้ชื่อว่าเป็นพระเถระครับไม่ว่าจะรูปร่างเล็กรูปร่างใหญ่อายุขนาดไหนก็แล้วแต่จะแก่เท่าหรือว่าจะยังหนุ่มอยูอ่เด็กขนาดไหนก็แล้วแต่ แต่ถ้าหากว่าทรงคุณอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วเนี่ยนับได้ว่าเป็นพระเถระได้ครับในเมืองสาวัตถีที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่นี่คนใจบุญเยอะคราวหนึ่งเมืองสาวัตถีนี่ประชาชนเป็นจานว น, นมากก็พร้อมใจกันถวายทานเป็นคณะคณะก็จัดให้มีการฟังธรรมตลอดคืนยังรุ่งอ่า มีพระเทศทั้งคืนน่ะแต่ไม่มีใครสามารถฟังธรรมได้ตลอดแจ้งเลยบางพวกก็เป็นห่วงบ้านห่วงเมียบางพวกห่วงลูกก็กลับไปบางพวกก็เห็นว่ากลับไปนอนเอกเนกที่บ้านมีความสุขดีกว่ามานั่งให้ยุงกัดฟังเทศที่วัดบางพวกก็เกิดหงุดหงิดไม่พอใจอะไรขึ้นมาก็กลับไปบางพวกชอบเฉพาะทาทานอ่าแต่ไม่ชอบฟังธรรมก็กลับ ส่วนบางพวกที่ยังไม่กราบก็นั่งสับปรโงกโงกง่วงอยู่ไม่กราบอะแต่ก็ไม่ได้ฟังธรรมเหมือนกันพระพุทธเจ้าสังตัดว่าคนส่วนมากก็เป็นอย่างเนี้ยชอบให้ทานแต่ไม่ชอบฟังธรรมเพราะว่าการให้ทานนี่มันสนุกสนานทําแล้วมันชื่นใจมันทําง่ายส่วนการฟังธรรมนี่ต้องใช้ความคิดพินิษฐพิจารณาตามถึงจะสนุกถ้าฟังอย่างเบลอแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานี่ฟังได้ไม่นานะ่ะอะ เดี๋ยวคนนั่งโยกซ้ายโยกขวาท่านพุทธทาสวิกุท่านบอกว่าสมัยนี้พวกเราเอาแต่ว่ายพอบอกให้ปฏิบัติธรรมก็ปิดหูกันก็เลยไม่ค่อยมีใครไปถึงพระนิพพานกันอย่างมากก็แค่เดินลัดเลาะตามตะลิ่งอยู่แค่ริมฝั่งเท่านั้นพูดถึงสมัยพุทธกาลนะท่านผู้ฟังนอกจากเรื่องของพระแล้วก็ยังมีเรื่องของคาราวะนะ พระวานในสมัยพุทธกาลราก็มีเรื่องแปลกๆอย่างเรื่องของนางกานาเนี่ยนางกานานี่เป็นคนดีแต่งานมีสามีแล้วแต่ก็มักจะกลับไปบ้านเพื่อจะดูแลแม่ของตัวอยู่เสมอแล้วเวลากลับบ้านคือกลับมาบ้านผัวก็ต้องเอาขนมจากบ้านแม่เนี่ยกลับมาฝากผัวทุกเที่ยวเลย ปรากฏว่าวันนั้นแม่ของนางกนาทอดขนมตอนเช้าเพื่อจะให้นางกนานี่ติดไม้ติดมือกลับไปฝากผัวของตัวเองแต่ปรากฏว่ามีพระมายืนรอรับบิณฑบาต ท, ที่บ้านก็ทำให้แม่ของนางกนานี่ต้องเอาไปถวายพระสมบแล้ววันรุ่งขึ้นนางกนาก็รอจะกลับอีกก็ไม่ได้กลับ เพราะว่าพระก็มายืนรออยู่หน้าบ้านเนี่ยแม่นางกนาก็เอาขนมถวายพระหมดใส่บาตรนางกนาก็เลยไม่มีโอกาสได้กลับไปหาผัวสักทีก็รอจะขนมอยู่เนี่ยต่อมาสามีของนางกนาก็เลยมีเมีมยใหม่นางกนาโมโหหญ่หาาว่าพระเป็นต้นเหตุอพระเป็นต้นเหตุก็ด่าพระไปหลายคาพระพุทธเจ้า ทรงทราบก็เสด็จไปที่บ้านเพื่อที่จะทำให้นางกนาสบายใจนางกนาไม่ยอมออกมาพบอายพระพุทธเจ้าแอบไปร้องไห้อยู่หลังบ้านต่อเมื่อฟังพระพุทธเจ้ากับแม่ของตัวคุยกันได้สักพักก็ออกมากราบขอโทษพระพุทธเจ้าขอโทษที่ดาพระพระองค์ก็พูดปลอบโยนแล้วก็เทศนาธรรมนาฟังไปคิดไปตามกระแสธรรมเทศนา จนได้บรรลุโสดาปติผลเป็นพระโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จกลับไปการเสด็จไปแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อให้นางเนี่ยหายเศร้าโศกเสียใจที่สามีไปมีภริยาใหม่เปรียบเหมือนพระองค์ทำสิ่งที่ขุนมัวให้ใสสะอาดคือการที่นางได้บรรลุธรรมนั่นแหละนางกนาเป็นมาอยู่ไม่นาน ต่อมาด้วยความอนุเคราะห์ของพระราชานางกนาก็ได้มีโอกาสแต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งกับมหาอัมมัดหลังจากแต่งงานแล้วนางก็ทำอาหารเยอะแยะเลยบาถวายพระทุกวันวันแรกๆนี่นิมนพระไปรับบาตรที่บ้านไม่มีพระไปสักองเพราะกลัวปากนางกนาเคยด่าพระมามากนี่ ความจริงแกบรรุโสดาบันแล้วก็ไม่ด่าใครแล้วนะตอนหลังนี่ต้องเอาของไปใส่บาตรถึงวัดแล้วก็ไปบอกพระท่านพระถึงยอมไปรับบาตรภิกษุก็คุยกันถึงเรื่องนางกนาเนี่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเราได้ช่วยนางกนาให้มีจิตใจผ่องใสมิใช่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นเมื่อก่อนนี่ นางกน า, าก็เคยโมโหอย่างนี้เมื่อชาติที่แล้วนี่จิตใจขุนมัวแต่เราก็ได้นำธรรมะไปพูดให้เธอฟังจนจิตใจสงบเย็นเหมือนห่วงน้ำลึกที่ใสแจวแล้วนั่นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องของอโยมคารวาดคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังมีวิธีการหรือว่าพิธีกรับอย่างหนึ่งครับ ที่บางทีเราอาจจะคิดว่าพิธีกรรมอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับคือพิธีกรรมเกี่ยวกับการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุนะครับบางคนก็บอกว่าอันนี้มันเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้อ จะสะดอกเคราะห์ได้ยังไงจะต่ออายุได้ยังไงคนเรามันถึงเวลาตายแล้วมันก็ต้องตายสมัยพุทธกาลมีสามีภรรยาคู่หนึ่งค่อนข้างจะโชคร้ายหลังจากที่ภรรยาคลอดลูกชายออกมาแล้วหมอดูเห็นก็ทำนายทายทักเด็กคนนี้จะมีอายุแค่เจ็วันเท่านั้นแหละว่างอัน ทีนี้เอาละสีทั้งพ่อทั้งแม่ก็กระวนกระวายใจกันใหญ่กลัวลูกจะต้องตายใครก็รักลูกทั้งนั้น อ, ะอ่ะทีนี้ก็ไม่มีหนทางแก้ไขเลยหมอดูก็บอกอะ่ะหมดทางแก้ไขอะต่อมามีคนแนะนำว่าควรจะไปหาพระพุทธเจ้าให้สงแก้ไขจะดีกว่าทั้งคู่ก็ยังอิ ด, อ, ดออดอดเพราะว่าตัวเองไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่นับถือนักบวชศาสนาอื่นเวลานั้น ต่อเมื่อถูกขยันขยอมากๆเข้าชา บ, บ้านเ็าบอกสักแกไม่ไปหาพระพุทธเจ้านะลูกแกตายแน่เลยบางทีอาจจะไปถึงเจ็ดวันด้วยซ้ำด้วยความกลัวลูกจะตายก็พากันไปหาพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเด็กคนนี้จะมีอายุแค่เจ็ดวันนะใช่อย่างที่หมอดูทำนายแหละเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกทางแก้ไขให้ว่าเดี๋ยวต้องให้สาวกของเราสวด พระปริศ7วันติดต่อกันแล้วเด็กคนนี้ถึงจะพ้นอันตรายสามีภริยาทั้งคู่ก็กลับไปจัดพิธีที่บ้านทีนี้ไม่รังเกียร์ระงอนลัทธิของพระพุทธเจ้าแล้วพระสงฆ์ก็ไปช่วยกันสวดพระปริศ7วัน7คืนในคืนที่7เนี่ยพระพุทธเจ้าไปด้วยไปร่วมสวดด้วยเมื่อเสร็จพิธีสามีภริยาก็ทูลถามพระพุทธองค์ว่า ลูกของเขานี่จะมีอายุสักเท่าไหร่พระพุทธเจ้าตรัสว่าร้อยยี่สิบปีปรากฏว่าสองสามีภริยาดีใจกันใหญ่ก็ได้ตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าอายุวัฒนกุมารแปลว่ากุมารผู้มีอายุยืนวันหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายได้นั่งโจทย์ขานกันในโรงธรรมว่าเอ่อดูสิเด็กคนเนี้ยหมอดูบอกจะต้องตายในเจ็ดวัน แล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกว่าต้องตายในเจ็ดวันนะใช่แต่บัตรนี้กลับจะมีอายุยืนถึงร้อยี่สิบปีน่ะเอ๊ะนี่มันยังไงกันนะหรือว่ามีเหตุที่จะทำให้อายุยืนได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันเมื่อรู้ว่าเป็นเรื่องของเด็กนี่ท่านก็ตรัสบาปภิกษุทั้งหลายอายุจเจริญอย่างเดียวก็หาไม่ ถ้าบุคคลกราบไหว้ผู้มีคุณเนี่ยเขาจะเจริญทั้งอายุดีทั้งวันณนะสุขะแล้วก็พละรอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงจะมีชีวิตอยู่จนตลอดอายุของเขาจะไม่ตายไปเสียก่อนเวลาอันควรครับถ้าบุคคลกราบไหว้ผู้มีคุณเขาจะเจริญทั้งอายุวันณนะสุขะภละครับ สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าเริ่มก่อตั้งาศาสนาพุทธใหม่ๆตอนนั้นเวลาญาติโยมเขานิมนต์พระในพุทธศาสนาไปไปฉันประตาหารที่บ้านหรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่เถอะหลังจากที่ภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมหรือว่าฉันประตาหารแล้ว ก็ไม่ได้มีการอนุมโมทนาให้พรหรือ ว, ว่าสวดเนี่ยแต่ประการใดไม่มีการให้พรแก่คนที่มาฟังธทำถวายทานพอฉันเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นกลับวัดการอนุมโมทนานั้นพวกที่มีการเริ่มทํามันเป็นพวกแรกเลยก็คือพวกนิครนซึ่งเป็นบรรากต่อพระพุทธเจ้า พวกนี้คนนี้เป็นนักบวชในอีกละทีิหนึ่งมีความคิดกันว่าเวลาโยมเขานิมนต์ไปฉันที่บ้านเนี่ยก็ควรจะทําอะไรกับบรรดาผู้ที่เขาศรัทธาตัวเกิดความเลื่อมใสามากขึ้นมีความเชื่อถือมากขึ้นแล้วมนุษย์น่ะลึกๆแล้วชอบที่จะให้คนอื่นมาพูดยกยอชมเชยมาพูดให้พรให้สิ่งดีต่างๆแก่ตัวไม่มีใครคนไหนอยากจะให้ใครมาสาบแช่งมากล่าวไม่ดีกับตัวทั้งสิน้น พวกนิครนก็เริ่มมีการทำอนุโมทนาให้พรต่างๆหลังจากที่บริโภคอาหารเสร็จแล้วว่าความสุขจงมีความกเกษมจงมีอายุจงเจริญมีชื่อเสียงทั้งใกล้ทั้งไกลทำการอะไรก็ขอให้เจริญก้าวหนะ้าว่าอย่างนั้นบรรดาคนที่มาฟัง พระในละทินิครนในต่างก็เกิดความศรัทธา ม, มากขึ้นก็าพากันพูดไปทั่วเมืองว่าเออพวกพระนิครณนี่เขาดีนะมีการให้พรเรื่องมงคลต่างๆลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนะี่ยไม่เห็นให้อะไรบ้างเลยฉันเสร็จก็กลาบวัดไม่พูดอะไรเลยไม่มีการกล่าวมงคลอะไรทั้งนั้นเนะ่ะข่าวนี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วบรรดาภิกษุเมื่อไปฉันที่บ้านไหนก็ถูกคนต่อว่าต่างๆนานาว่า ฉันเสร็จก็กลับฉันเสร็จก็กลับไม่มีการอนุโมทนาก็เลยนำเรื่องนี้มาทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้ภิกษุทำการอนุโมทนาได้ในที่ต่างๆเมื่อชาวบ้านทราบว่าพระภิกษุในาศาสนาพุทธมีการอนุโมทนาแล้วต่างคนก็ต่างมานิมนต์ไปบ้านพวกที่นับถือนิคนบางคนก็อ่านกลับมานับถือพระพุทธเจ้าก็ทำให้พวกนิครนไม่พอใจ เพราะว่าการให้พรของอลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่ให้พรได้ดีกว่าดีกว่าพวกนิครนซะอีกนิครนก็ไม่พอใจก็บอกว่าต่อไปนี้พวกเราฉันเสร็จแล้วไม่ต้องให้พรแล้วนะ่ะนิ่งอาการนิ่งเนี่ยเป็นลักษณะของพระที่ดี เราเป็นพระที่ดีพวกเราเป็นพระที่ดีพวกเราต้องนิ่งอแล้วชาวบ้านเขาจะนับถือเรามากกว่าปล่อยลูกศิษย์พุทธเจ้าบ้าน้ําลายไปเถอะเสร็จแล้วพวกเนี่ยพูดเนบแนมพระภิกษุในพุทธศาสนาต่างๆนาน า, นาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสดับฟังคําเหล่านั้นแล้วพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่า บุคคลสมควรเป็นพระที่น่านับถือเพราะเหตุว่าเป็นผู้นิ่งไม่พูดเพราะว่าคนบางพวกนี่ไม่พูดก็เพราะไม่รู้บางพวกไม่พูดเพราะไม่กล้าบางพวกไม่พูดเพราะกลัวคนอื่นจะรู้ว่าตัวโง่เพราะฉะนั้นคนไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระ เพราะเพียงเป็นผู้หนึ่งซึ่งนิ่งแต่ชื่อว่าเป็นพระเพราะว่าเป็นผู้ที่ทำความบาปให้สงบระงับต่างหาจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระสมัยพุทธกาลได้มีขโมยอยู่สองคนเป็นเพื่อนกันไอขโมยคนหนึ่งนี่ค่อนข้างจะมีศีลมีธรรมหน่อย อีกคนไม่มีคุณค่าอะไรอยู่ในจิตใจเลยคอยจ้องจะจะลักของคนอื่นก็ท่าเดียวเรื่องอื่นไม่สนทีนี้โจนคนที่ค่อนข้างจะมีคุณธรรมเนี่ยก็ชักจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะพอใจกับอาชีพของตัวเท่าไหร่ว่าไอป้ปล้นเขากินมันเลวแท้ๆอยู่กินก็ไม่เป็นสุขต้องคอยหลบหน้าผู้คนต้องคอยหลบหลีกหนีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแถมยังทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอีกด้วยวันหนึ่ง เขาก็หาโอกาสไปฟังธรรมที่วัดที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เทศเขาก็ชวนเพื่อนโจรอีกคนไปด้วยเพื่อว่าธรรมะจะได้ช่วยชำระสันดานเถื่อนลงได้บ้างขโมยสองคนนี้ไปฟังธรรมคนหนึ่งประสงค์ดีเพื่อให้ตัวเองเลิกอาชีพโจรฟังธรรมแล้วจะได้มีความเข้มแข็งในทางจริยธรรมมีความคิดที่ดีที่ถูกต้องบ้างแต่อีกคนนึงมันประสงค์ร้าย ไปฟังธรรมเพื่อจะได้มีโอกาสลักขโมยตังคนไปฟังเทศนะ์ลักขโมยของวัดบ้างปรากฏว่าไอ้เจ้าขโมยคนดีนี่ฟังธรรมจนบรรลุโสโดาปฏิผลได้จนคนชั่วนี่ฟังธรรมแล้วมีเงินคนอื่นติดมือมาด้วยแถมกลับมาเขาก็เย่อหยันเพื่อนบอกเห็นมหมแกไม่มีเงินซื้อข้าวแล้ววันเนี้ยแกมันธรรมะธรมโมนี่ฉลาดเกิน อูดแดกดันเขให้ส่วนโจรโสดาบันก็คิดว่าโอ้ยเพื่อนเรานี่มันแย่จริงตัวมันเองโง่แท้ๆที่ทําอย่างนั้นมันยังคิดว่าฉลาดอยู่อีกแล้วก็กราบทูลเรื่องนี้ให้พระพุทธองค์ทรงทราบเมื่อพระองค์จะทรงแสดงธรรมกับเขาก็ตรัสบอกว่าคนโง่ที่รู้ตัวเองว่าโงน่นี่ย่อมจะเป็นบัณฑิตได้บัง แต่คนโง่ที่สำคัญว่าตัวเองเป็นบัณฑิตเนี่ยคนนั่นแหละโง่แท้ก่อนจากกันวันนี้ครับผมมีนิทานจะเล่าให้ฟังสองเรื่องกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกเขาชวาผู้ชานฉลาดตัวหนึง่งมันก็เห็นชาวนากำลังหว่านไถเมล็ดป่านอยู่มันก็เรียกบรรดา น, นกเขาชวามาประชุมกันเสร็จแล้วมันก็บอกว่าเพื่อนทั้งหลาย ตะกี้เนี่ยข้าเห็นชาวนากำลังหว่านไถเมล็ดป่านอยู่หากว่าปล่อยให้มเมล็ดป่านนี้เจริญเติบโตต่อไปในชาวนาก็จะนำไปถักสารเป็นแห är, หรือว่าเป็นบ่วงบาดได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อพวกเราเวลาออกไปหาอาหารอยากอนั้นเลยเรามาช่วยกันจิกแล้วก็ทำลายมเมล็ดป่านเหล่านั้นเสียเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเถอะแต่บรรดานกเขาฉวาก เพราะไม่มีใครเชื่อคำเตือนก็คิดว่าธุระไม่ใช่แม้ว่าจะถูกอ้อนวอนขอร้องอยู่นานในเวลาต่อม า, มาเมล็ดป่านที่ชาวนาเขาได้หวา่านไถไว้ก็เจริญเติบโตแตกหน่อชอนรากลึกลงไปในดินนกเขาชวาซึ่งชาญฉลาดก็มาเตือนเหมือนเคยแต่ก็ล้มเหลวมันเห็นท่าไม่ได้การก็เลยบินอพยพไปอาศัยอยู่ที่อื่นตามลำพัง หลังจากนั้นไม่นานเมื่อนกเขาชาวาผู้ชาญฉลาดกลับมาเยี่ยมที่เดิมก็ได้รับคำบอกเล่าว่าเพื่อนหลายตัวต้องถูกจับไปด้วยแห่ที่ชาวนาดักล่อไว้เหมือนอย่างที่มันเคยเตือนไว้ไม่ปิดฝูงนกเขาชาวาที่เหลือก็สำนึกถึงคำเตือนของนกเขาชาวาผู้ชาญฉลาดแต่ก็สายเกินแก้เสียแล้วครับคนฉลาดมักจะเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในการข้างหน้า แต่คนโง่เนี่ยจะไม่ยอมเชื่อฟังเหตุผลอะไรจนกว่าจะได้รับผลร้ายเสียก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้วันพระเดี๋ยวจะคุยเรื่องพระเรื่องเจ้าให้ฟังวันนี้ คุยเรื่องหลวงพ่ออุตมะเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าหลวงพ่ออุตมะเนี่ยจนถึงวันนี้เกือบจะไม่มีพุทธศาสนิกชนคนไหนในประเทศไทยที่ไม่รู้จักท่านพระมนที่เดินเท้าบุก ป, ป่าเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อปี2489แล้วก็อยู่ทางชายแดนด้านตะวันตกนะครับคือเรื่องที่จะเล่ามาให้ ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังวันนี้เป็นเรื่องที่ว่าได้เกิดโรคสั่งตายขึ้นมาทางชายแดนด้านนั้นโรคสั่งตายนี่เป็นความลึกลับที่น่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งของป่าที่หลวงพ่ออุตมะได้เผชิญมาซึ่งท่านก็ได้ใช้ความไม่เชื่อของท่านเข้าต่อสู้กับความเชื่อถึงตายนั้นอย่างน่าใจหายทีเดียวหลวงพ่ออุตมะเล่าว่าสมัยที่ท่านเข้าไปอยู่เมืองไทยใหม่ๆนั้น หมู่บ้านที่มู่ขี่ซึ่งเป็นหมู่บ้านเกเรียงเก่าแก่ในอำเภอสังขละบุรีก็เกิดมีโรคประหลาดเกิดขึ้นโรคนี้เริ่มจากมีใครคนนึงปวดหัวอย่างรุนแรงพอมีคนมาเยี่ยมคนไข้ก็จะบอกกับคนมาเยี่ยมบอกว่าตัวคนไข้เองเนี่ยจะตายในวันพรุ่งนี้ส่วนคนที่มาเยี่ยมนี่จะตายในอีกสองวันถัดไปแล้วพอวันรุ่งขึ้นคนไข้ก็ตายไปจริง ทีนี้ก็คนที่ไปเยี่ยมถึงหวาดผวาคำพูดของคนไข้จนนอนไม่หลับอยู่แล้วว่าอีกสองวันตัวเองจะต้องตายก็เกิดปวดหัวขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วก็ตายตามไปในอีกสองวันต่อมาแล้วก็ปรากฏว่าก่อนที่คนไข้รายที่ว่าเนี่ยจะตายก็ได้บอกกับคนที่มาเยี่ยมไว้ในทํานองเดียวกันซึ่งก็ตายตามกันไปด้วยจริงๆโรคสั่งตายก็ทาให้ชาวบ้านหวาดผวาไปตามๆกันไม่มีใครกล้าไปเยี่ยมใคร ต่างทิ้งบ้านทิ้งช่องหลบหนีเข้าป่ากันหมดเพราะว่ากลัวคนที่รับคำสั่งมาแล้วมาสั่งต่อไม่มีใครกล้าเข้าไปพบใครเล่ากันว่าโรคนี้เกิดจากผีกระหังซึ่งเป็นผีผู้ชายก็เลยเป็นกันเฉพาะผู้ชายแล้วก็เชื่อว่าผีประเภทนี้กลัวขมิ้นชาวบ้านก็เลยพาคนเอาขมิ้นมาทาตัวเสเหลืองอ่อยไปทั้งหมู่บ้านตอนนั้นมีพระรูปหนึ่งชื่อพระมงเจรัยอายุมากแล้วก็บวชมาหลายพรรษาแล้ว เป็นพระกะเรียทงที่อาวุโสที่สุดท่านเดินทางมาจากบ้านเขาเรียกบ้านที่วูตึงอยู่ชายแดนพม่าก็มาอยู่ที่วัดติมกคีเนี่ยท่านมาอยู่แทนพระเมงเจ้าอาวาสองเก่าที่มรณภาพไปแล้วก็พระมองจลายเนี่ยเป็นพระที่ชาวกะเรียงทั่วไปนับถือแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องรักษาคนผีเข้าเมื่อมาถึงตำบลทิมกคีนี่พระมองจลายก็ทราบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ80กว่าแล้วชื่อนายยังเว นอนป่วยไปไหนไม่ไหวถูกทอดทิ้งไว้ในบ้านคนเดียวพระมองจเลยเคยรู้จักกับนายยังเวตั้งแต่สมัยที่ยังบวชเป็นพระอยู่ด้วยกันก็เลยแวะไปเยี่ยมพอนายยังเวเห็นหน้าพระมองจเลยก็เลยได้โอกาสก็บอกว่าตัวนายยังเวเอ ง, เองเนี่กําลังจะตายในสองวันส่วนพระมองจเลยจะตายภายในเจ็ดวันว่างนั้นตอนแรกพระมองจเลยไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าตอนที่นายยังเวบอกเนี่ย นายยังเวก็ยังแข็งแรงดีอยู่แต่สองวันต่อมานายยังเวตายไปจริงๆก็ทำเอาพระมองจารยตกใจก็ใช้ให้เนนองหนึงถือหนังสือไปหาหลวงพ่ออุตมะตอนนั้นหลวงพ่ออุตมะกาลังสร้างวัดอยู่ที่ตําบลสนีพ่องความในจดหมายก็บอกว่าพระมองจารยจะตายภายในเจ็ดวันตามคําพูดของนายยังเวจริงหรือเปล่าควรจะทําอย่างไรในตอนนี้ และจะเดินทางมาหาหลวงพ่ออุตมะที่สนีพ่องได้ไหมตอนนั้นโรคสั่งตายระบาดไปสี่หมู่บ้านแล้วคือทิมุขีบ้านไล่โว่บ้านเชิงจตะตเต๊รแล้วก็ทิวซองกำนันเลกกำนันตำบลสนีพ่องก็สั่งห้ามคนจากสี่หมู่บ้านนี้เข้าตำบลสนีพ่องอย่างเด็ขดขาดจะเดินผ่านหมู่บ้านไปหมู่บ้านอื่นก็ไม่ได้ต้องไปเดินอ้อมภูเขาไปไม่ให้เข้า พอกำนันเลรู้เรื่องจดหมายพระมองเจรัยที่มีมาถึงหลวงพ่ออุตมะก็เลยมารีบห้ามไม่ให้หลวงพ่อไปแล้วก็ถ้าหากว่าพระมองจจรัยจะมาที่สนีพ่องก็ไม่ให้มาห้ามมาด้วยแต่ถ้าหลวงพ่อยังดื้อจะไปก็จะกลับมาที่สนีพ่องอีกไม่ได้หลวงพ่ออุตมะก็บอกว่าก็ฉันไปดูเฉยๆขากลับเดี๋ยวจะแวะแถววังกะแล้วค่อยกลับมาสนีพ่องใหม่ กำนันก็บอกว่าแล้วหลวงพ่อจะไปไงองค์เดียวพระมองจลายตอนเนี้ยอยู่องค์เดียวต้องต้มข้าวฉันเองพระเนรในวัดตัวหนีไปหมดแล้วเพราะว่ากลัวท่านท่านท่านจะสั่งต่อกลัวอย่างงั้นหลวงพ่ออุตมะก็เลยไปชวนพระองค์อื่นให้ไปด้วยกันแต่ไม่ว่าจะไปชวนอง์ไหนก็ล้วนจะบอกปวดหัวเป็นไข้ไม่ว่างไม่มีใครยอมไปด้วยในที่สุดหลวงพ่ออุตมะก็เลยต้องไปองค์เดียวตามลําพังในช่วงก่อนที่หลวงพ่อจะไปถึง ตำบลทิมุขีเนี่ยมีพระจากหมู่บ้านมองกัวในพม่าผ่านมาก่อนก็เห็นพระแก่นอนอาภาษอยู่องเดียวไม่มีใครดูแลก็เลยช่วยต้มน้ำให้พระมองจระเยก็เลยได้โอกาสบอกว่าพรุ่งนี้ตัวเองจะตายแล้วให้พระจากมองกัวเนี่รับโรคสั่งตายไว้ด้วยพระมองกัวไม่เชื่อแต่พอรุ่งขึ้นพระมองจรยก็ตายไปจริงๆพระมองกัวเลยตกใจหนีตะเลยกลับเข้าพม่าเอาโรคสั่งตายไปแพร่ในพม่าต่อ เมื่อหลวงพ่ออุตมะมาถึงที่ทิมุขีเนี่ยพระมงจรัยมรณภาพไปสองวันแล้วศพถูกทิ้งไว้ไม่มีใครจัดการหลวงพ่อก็เลยรีบกลับมาที่วัดมาเคี่ยวเข็นเอาพระมรไปด้วยอีกสี่รูปเพื่อสวดศพแล้วก็เก็บศพพระมงจรัยก็ใช้เวลาเดินทางไปกลับสองวันรวมเวลาสี่วันหลังพระมงจรัยมรณภาพจึงได้ทําศพ โดยหลวงพ่อเห็นมีเรือขุดลำหนึ่งยาวห้าศอกทําด้วยไม้งิ้ววางทิ้งอยู่เข้าใจว่าชาวบ้านจะขุดไว้ทําที่ลางเท้าแต่ขุดยังไม่ทันเสร็จก็ทิ้งไปหลวงพ่อก็เลยขุดต่อเอามาทําโลงใส่พระมงเจอเลก็เอาเสือห่อแล้วก็ปิดทับด้วยฟ้าเอาปูนขาวผวสมน้ําอ้อยยาทับยกขึ้นตั้งบนสลาแล้วก็รื้อาลารอบนอกออกเหลือไว้แต่ตรงกลางเอาไว้ตั้งศพเพื่อป้องกันสัตว์ขึ้นจัดการสวดให้เรียบร้อยแล้วถึงได้กลับ ในระหว่างจัด ก, การศพพระมงจลัยอยู่นั้นก็มีกะเรียงสองคนทาขมิ้นเหลืองอ่อยอโผรเข้ามาพอเห็นหลวงพ่อก็คิดว่ารับโรคสั่งตายจากพระมงจลัยแล้วก็เตรียมจะเป็นหนีหลวงพ่อก็ขู่ว่าถ้มึงหนีมึงตายนะกูจะสั่งให้ตายเดี๋ยวนี้ยกะเรียงสองคนกลัวเลยต้องอยู่คอยรับใช้หุงข้าวปลาอาหารให้ในขณะที่หลวงพ่ออุตมะกับท่าอีกสี่รูปก็ทํา ง, งานกันหลวงพ่อพักอยู่ที่ทิทมูขีสามคืนจึงกลับสนีพ่อง ขากลับก็ไปเจอหลานกำนันเล่สามคนยืนเฝ้าปากทางไม่ยอมให้ใครเข้าหมู่บ้านนะบอกกำนันกำชับไว้ว่าแม้แต่หลวงพ่ออุตมะก็กลับเข้าไม่ได้หลวงพ่อก็เลยบอกท้ามึงไม่ให้ขูเข้ากูจะสั่งให้มึงตายเดี๋ยวเนี้ทั้งสามนี่น่าสิ่ดยืนอั้มอึงอั้มอึงพอดีกำนันเล่มาหลวงพ่อก็บอกไอ้กำนันมึงอยากตายรึเปล่ากำนันกลัวหล่นลานเออยายายไปห้ามไหมทั้งสาม หลวงพ่อกลับมาถึงสานีพ่องก็ทำพิธีสวดไล่ผีแล้วก็รดน้ำมนต์ให้ชาวบ้านจนถึงกลางเดือนสี่ก็กลับไปทิม่ขีไปกับพระนมอีกสองรูปก็ลำเลียงศพพระมองจลายล่องแพรมาเผาที่หมู่บ้านนิเทแล้วโรคสังตายก็หายไปตั้งแต่บัดนั้นวันนี้หลวงพ่ออุตมะพระมรรูปนี้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะนะครับฝ่ายวิปัสนาธุระ เป็นพระราชอุดมมงคลประหณนาาธรมหาคณิสอนบวรสังคารามคามาวาสีมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดวังวิวเวการามที่ท่านสร้างขึ้นเองแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรีมีประชาชนชาวไทยทุกภาคทุกระดับชั้นให้ความเคารพนับถือท่านเกิดวันอาทิตย์พุทธศักราช2453ครับเกิดที่บ้านโมกกะเนียงตำบลเขาเรียกตำบลกลาสะ จังหวัดมะละแมงประเทศพมา่าพ่อก็เรียกขานมาตั้งแต่เด็กว่าเจ้าลูกชายตามธรรมเนียมของชาวมอนคนมอนนี่เขาไม่มีชื่อเล่นตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยเจ้าเอเจ้าบีอะไรแหมแถวอะไรงี้ไม่มีครับหลังจากจบป .4 ก็อุปสมบทเป็นเนนที่วัดเกาสะได้ชื่อว่าเอมองต่อมาก็บวชเป็นพระภิกษุที่วัดเดิมได้รับฉายาว่าอุตมะรํโพ แปลว่าผู้มีความภาคเพียรอันสูงสุดหลังจากที่สอบได้นักธรรมเอกที่สนักเรียนวัดปราสาททองที่ในพมา่าแล้วก็สอบป ร, ริญญาเจ็ดที่ในพมา่านั่นแหละหลวงพ่อก็ออกทุดงไปทั้งภาคตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยระหว่างที่ทุดงไปในป่าเป็นเวลานานหลายปีนี่หลวงพ่ออุตมะก็เผชิญเหตุการณ์ แ, บบแปลกหน้าตื่นเต้นมากมาย ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เกือบจะทำให้หลวงพ่อเอาชีวิตไปทิ้งถึงกับลงอนิจจังแล้วว่าจะต้องสละชีวิตเป็นทานแก่พวกโจรครับคือขณะนั้นได้เกิดความระสัมระส า, ายไปทั่วประเทศพม่าจากสงครามกู้ชาติของชนเผ่ามอนกระเรียงยะไข่แล้วก็ไทยใหญ่ฝ่ายหนึ่งกับรัฐบาลพม่าอีกฝ่ายหนึ่งนะต่างฝ่ายต่างก็เผาบ้านเรือนราษฎรและวัดวาอารามเพื่อปล้นทรัพย์สิน หลวงพ่อก็เกิดความเบื่อหน่ายในการรบราฆ่าฟันกันก็ตัดสินใจออกจากบ้านเกิดมุ่งหน้ามาเมืองไทยตั้งเป้าไว้ว่าจะทุดงไปใหถึงเขาพระวิหารวันนั้นเป็นวันขึ้นสองค่ำเดือนอ้ายประมาณสักสี่โมงเย็นขณะที่ท่านเดินไปถึงต้นแม่น้ำเขาเรียกแม่น้ำตะไลอองใกล้ชายแดนไทยพมา่าด้านกาญจนบุรีก็ไปพบกับโจรกระรางสองคนอ่า โยนกรางนี่ก็ปืนจิงท่านนายกมือขึ้นกระชากบาทกระชากกรดของท่านโยนทิง้งคนจนทั่วเพื่อหาอาวุธก็เข้าใจว่าเป็นพระปลอมเมื่อไม่พบก็จะคอกถามว่าเป็นสายลับให้พมา่าหรือเปล่าท่านก็บอกไม่ใช่ท่านเป็นพระมรโจนก็ว่าท่านคืออุตตมะใช่ไหมที่เคยเรียกหัวหน้าพมา่ามาประชุมที่คะเลหลวงพ่อก็บอกว่าอ่าประชุมนะประชุมหัวหน้ามรไม่ใช่หัวหน้าพมา่าแต่โจนก็ไม่ฟัง เอาเถาวันมัดมือท่านไควาหลังคุมตัวไปหลวงพ่อบอกจะมัดมือก็ไม่ว่านะขอให้เอาบาดไปด้วยเพราะชีวิตของท่านอยู่ในนั้นพวกโจรก็หยิบบาทที่มีพระบัวเข็มอยู่ในนั้นเอาไปให้ท่านโจรทั้งสองคนก็พาหลวงพ่ออุตมะไปพบผู้น้าโจรที่ชื่อพารตะก็รายงานว่าจับพระที่เป็นตัวการมาได้รูปหนึงแล้วภารตะไม่ได้สําเลืองตามาดูท่านเลยแต่ว่าโบกมือให้ลูกน้องเอาไปยิงทิง้งตรงที่เคยยิงพระมาสามสี่รูปอะ เพียงแต่กำชับห้ยิงตอนดึกหน่อยราวสามทุ่มในะรอให้คนหลับก่อนจนพาหลวงพ่อไปที่ลำธาร น, น้ำตกชี้ให้ดูจีวรพระที่แขวนไว้สี่ผืนบอกว่าพระพวกนี้เป็นสายรับให้พมา่าแล้วก็ถูกยิงทิ้งไปหมดแล้วหลังจากนั้นก็บังคับให้ท่านปีนขึ้นไปบนห้างไม้ไผ่สี่เสาซึ่งมีบันไดไม้ไผ่เจาะรูใส่ขั้นบันไดไว้สิบขั้นหลวงพ่อขอเอาบาทขึ้นไปด้วยจนก็คล้องไหล่ให้ ก็ทำให้หลวงพ่อปีนเข้าไปลำบากเพราะว่ามือถูกมัดเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะจับเราค่อยๆแทกขึ้นไปบนห้างเนี่ยเป็นเพียงพื้นแค บ, แคบๆพอนั่งยองๆได้พวกโจรกะว่าเมื่อยิงแร่เรียบร้อยแล้วร่างที่ถูกยิงก็จะร่วงลงมาในลำธารก็ไหลลงน้ำตกไปไม่ต้องไปเก็บไปฝังให้ยุ่งยากหลวงพ่อก็ขึ้นไปนั่งยองๆอยู่บนห้างพร้อมกันนึกในใจว่าเอออันนี้จังอ น, นจาได้เจอธรรมะแน่แล้วเราวันนี้ แล้วก็ลงมือสวดคาถาชุมนุมเทวดาพวกโจรก็ถอดลูกขั้นบันไดออกหมดแล้วก็กำชับก่อนไปบอกว่าห้ามลงมานะจากหกโมงเย็นถึงสามทุ่มหลวงพ่อไม่ได้ยินเสียงผู้คนเลยก็คิดว่าไม่มีใครอยู่เฝ้าท่านแน่แต่ท่านก็ไม่ได้คิดหนีคงสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็คิดว่าเป็นการสวดอัมลาครั้งสุดท้ายเริ่มด้วยมหาสมัยสูตรธรรมจักรกับวัตนสูตรอนัตตลกณสูตร เมื่อเริ่มสวดนั้นเถาวันยังรัดมือท่านแน่นพอสวดมาถึงตอนนั้นเถาวันเริ่มคลายเมื่อท่านสวดอนิจจังสวดแผ่เมตตาสวดสิบสองตำนานสวดธรรมนิยามคาถาพระปริศต่างๆนี่เถาวันหลุดเลยเวลานั้นประมาณสองทุ่มที่มือท่านเป็นอิสระท่านก็เปิดฝาบาตรควานหาพระบววเข็มเอามาขึ้นวางบนฝาบาตรท่านก็พนมมือสวดนมโมพุทธายะบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ต่อไปเรื่อยๆ จนสามทุมก็ไม่ได้ยินสับสําเนียงใดๆนอกจากเสียงน้ำตกตอนที่เถาวันหลุดจากมือนะั้นท่านคิดว่าจะตายลงก็ย่อมทําได้แต่ท่านรับคําเข้าไปแล้วว่าจะอยู่บนนั้นถ้านหนีไปก็เท่ากับขโมยตัวเองเป็นการเสียสจละถ้าเสียสจละแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะไม่บริสุทธิ์ท่านก็เลยไม่คิดหนีประมาณสามทุ่มมีโจรคนหนึ่งเอาลูกบันไดามาเสียบปิ่นขึ้นมาแล้วก็เอาไฟฉายส่องดูท่านพอเห็นก็ร้องลั่นเขา โผเข้ามากอดแล้วก็กราบท่านแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อนั่นเองผมคิดว่าใครหลวงพ่อเป็นพ่อของผมใครจะมาฆ่าไม่ได้หลวงพ่อจาผมได้ไหมผมชื่อปักขินคนที่เป็นฝีดาษถูกทิ้งไว้ที่ป่าช้าเมืองสะเทิมหลวงพ่ออุตมะท่านกนนึกย้อนไปเมื่อครั้งที่ท่านไปศึกษาอยู่ที่วัดแผ่ใจพอปิดภาคเรียนเดือนสี่เดือนห้าท่านก็ไปช่วยเขาสร้างกุฏิไม้ที่วัดแม่สา โดยท่านเป็นผู้คำนวณแล้วก็ออกแบบขอสร้างวันหนึ่งตอนพลบค่านี่ท่านไปเดินจงกรมในป่าชาก็ไปเจอเด็กชายคนหนึ่งอายุแปดขวบผิวขาวยังก็ผู้หญิงป่วยเป็นฝีดาดขึ้นทั้งตัวกําลังตัวร้อนจัดชาวบ้านก็เอามาทิ้งไว้ในป่าชาเพราะว่าพ่อแม่ของเด็กที่ป่วยนี่ก็ตายไปก่อนแล้วอ่าก็ป่วยตายด้วยโรคนี้เหมือนกันแล้วตามธรรมเนียมของชาวบ้านนี่จะต้องนําคนที่ป่วยฝีดาดนี่ออกไปให้พ้นหมู่บ้าน สองสามกิโลเมตรหรือไม่ไม่ก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปติดคนอื่นหลวงพ่อเห็นว่าเด็กยังไม่ตายก็เลยเอาสบงไปห่อตัวแอบอุ้มไปสาราที่พักกระซิบกับเนนที่อยู่ด้วยวิยาเออะให้ใครรู้นะจากนั้นก็เอาสะเดาป่ามาต้มให้เด็กทั้งกินทั้งอาบในสิบกว่าวันเด็กก็หายท่านก็ตั้งชื่อให้ว่าปักขินแล้วก็นาตัวไปฝากเจ้าอาวาสวัดแม่สยาให้เป็นเด็กวัด ต่อมาเมื่ออายุ13ปะขินก็บวชเนนแล้วก็บวชเป็นพระเมื่อตอนญี่ปุ่นบุกพม่าในสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นพม่าก็เกิดเจาะกองโจรต่างๆขึ้นมากมายปะขินนี้เป็นกะเหลี่ยงเผ่าตองสู้ก็ถูกขวาต้อนไปเป็นกองโจกรกะเหลี่ยงซึ่งมีเขตอิท ธ, ธิพลใกล้เขตแดนไทยตอนเนี้ปะขินเป็นหนุ่มใหญ่จนท่านจําเขาไม่ได้แต่ว่าปกขินจําท่านได้ดีปะขินขอให้หลวงพ่ออุตมะลงมาจากห้างที่ประหาร แต่หลวงพ่อก็ไม่ยอมบอกว่ารับปากเข้าไปแล้วว่าจะอยู่บนนี้ถ้าจะให้ลงก็ต้องไปตามคนที่สั่งไว้ให้มาสั่งให้ลงท่านถึงจะไม่เสียสัจจะปักินก็เลยต้องไปตามหาตัวคนที่สั่งไว้ให้มาสั่งใหม่หลวงพ่อถึงได้ยอมลงปักขินพาหลวงพ่อไปพักกับเขาแต่หลวงพ่อก็ขอให้ช่วยกลางกรดอ่าให้ดีกว่าวันนั้นฝนไม่ตกท่านขออยู่กรดอยู่กลางแจ้ง ว่าเที่ยงคืนนีไ้ไปตามกรดมาได้เพราะกดรดของท่านเป็นกรดชั้นดีมีมงกุพวกโจรมันยึดโอกาสถือโอกาสยึดเอาไปใช้หลวงพ่อปักกรดแล้วก็นั่งกรรมาฐานโดยมีปักขินนี่นั่งเป็นยามตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าพวกโจรลูกน้องปักขินก็แห่มาที่หลวงพ่อมาขอของขังที่ทำให้ปืนยิงไม่ออกเมื่อคืนนี้พร้อมกับเอาอาหารมาถวายหลวงพ่อก็ขอฉันแค่ข้าวกับพริกที่พวกโจปรปลูกกันเอง ส่วนอาหารอื่นที่ปล้นมาเนี่ท่านปฏิเสธจากนั้นท่านก็ไปเก็บปรวดมาเต็มบาทแล้วก็บอกให้พวกโจรรับศีลแล้วก็แจกปรวดให้คนละเม็ดสองเม็ดบอกว่าถ้าปฏิบัติตามศีลได้เนี่ยของที่ให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับตัวท่านปักขินบอกว่าเขาเป็นรองหัวหน้าโจรกกนี้มีลูกน้องอยู่สามร้อยคนส่วนเจ้าพราตานะตะน่มันเป็นหัวหน้าโจรนชาวกลังเดิมเป็นคนหาปลา พระรตะหรือว่าปลาส้อยอชื่อก็มันมีชื่อเรียกตามชื่อปลาเจ้าพระราตะนี่ก็มีลูกน้องอยู่ห้าร้อยคนถ้าพระราตะรู้ว่าเขาขัดคำสั่งที่ไม่ประหารหลวงพ่อก็อาจจะมีอันตรายด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ขอให้หลวงพ่อรีบเดินทางไปเสียก่อนเพื่อความปลอดภัยพระขินก็จัดลูกน้องสิบคนให้นาทางและคุ้มกันหลวงพ่อจนเข้าเขตไทยโดยจะต้องเดินทางในเวลาสามวันสามคืนไม่หยุด ข้ามภูเขาที่ชื่อกลาเอ้ยแปลว่าแขกนอนกับภูเขาตลกยางซึ่งแปลว่าเจ็คหลับคือหมายความว่าข้ามภูเขาไม่ไหวอ่ะทั้งเจ็บทั้งแขกคนนึงนอนคนหนึ่งหลับไปเลยเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่กว่าจะขึ้นถึงสันเขาได้ก็กว่าเพนแต่พวกโจรรู้ลู่ทางดีก็พาหลวงพ่อไปทางลัดทุ่นเวลาไปได้มากจนมาถึงหมู่บ้าน ที่คนไทยเขาเรียกบ้านอีตองแปลว่าหมู่บ้านเทวดาอยู่ในตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อก็ได้พบกับชายสองคนแต่งตัวภูมิฐานทราบภายหลังว่าเป็นผู้จัด ก, การเหมืองชื่อคุณเติมกับน้องชายน้องชายชื่อคุณเริ่มคุณเติมก็ถามหลวงพ่อว่าเป็นพระมอญหรือว่าพระมาหลวงพ่อฟังภาษาไทยไม่เข้าใจแต่จับความคำว่ามอญได้ท่านก็เลยส่งภาษามอญต่อไปปรากฏว่าสองพี่น้องเนี่ยเป็นมอญพระประแดง ก็เลยคุยกันรู้เรื่องแล้วก็นิมนต์ท่านไปฉันเพนที่บ้านพวกโจรทั้งสิบเห็นว่าหลวงพ่ออุตมะถึงเขตไทยปลอดภัยแล้วก็ขอลากลับหลวงพ่อก็คิดว่าน่าจะตอบแทนน้าใจคนทั้งสิบนี้บ้างก็เอ่ยปากกับคุณเติมว่าพอจะช่วยได้ไหมคุณเติมก็ยินดีก็เบิกเครื่องแต่งกายจากคลังเหมืองมาสิบชุดมีเสื้อกางเกงเข็มขัดรองเท้าครบให้คนทั้งสิบที่อุตส่าห์พาหลวงพ่อมาส่งเนี่ยให้ไป ก็ทำให้พกโจรดีใจที่ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่เอี่ยมไม่ใช่ของเก่าๆที่เคยปล้นมาต่อมาปี2499เมื่อหลวงพ่ออุตมะสร้างวัดวังวิเวการามแล้วปะกินกับลูกน้องก็ได้มาเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดก็บอกว่าเขาได้ผิดใจกับภารตะเรื่องที่พาหลวงพ่อหนีและภารตะก็คิดจะกำจัดเขาปะกินก็เลยวางแผนลวงพารตะมาเลี้ยงสุราอาหารแล้วก็ให้ลูกน้องฆ่าเสีย จากนั้นเขาก็เลิกเป็นโจรเพราะว่ารับสินห้าจากหลวงพ่อไปแล้วเขาพาลูกน้องเขามอบตัวกับทางการก็เลยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลแล้วก็คุ้มครองคนเดินทางแล้วก็รถบรรทุกสินค้าที่วิ่งไปมาระหว่างเมืองทวายกับเมืองเยซึ่งเป็นเส้นทางที่มีโจรชุกชุมมากพวกรถบรรทุกก็จ่ายค่าคุ้มครองให้เขาคันละห้าสิบาทวันวันเป็นร้อยคันก็ทาให้ปักขินกับลูกน้องมีไรายได้มากพอสมควร ชาวบ้านต่างก็พอใจที่มีปักินมาคุ้มครองความปลอดภัยให้ก็พากันตั้งฉายาให้เขาว่าโจรศรห้าในวันที่มาเยี่ยมหลวงพ่อนั้นปักินนำเงินมาถวายด้วยเป็นจานวนห้าพันบาทพร้อมกับบอกท่านว่าที่ผมชนะใจชาวบ้านได้ก็เพราะหลวงพ่อไม่อย่างนั้นป่านนี้ผมก็ยังเป็นเปรตอยู่เหมือนเดิมครับนั่นคือเรื่องของหลวงพ่ออุตมะครับ ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อจงวัดนาต่างไหมครับหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดน้าต่างนอกตำบลหน้าไม้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเถระผู้ทรงกิติคุณลือลั่นสนันเมืองตั้งแต่ยุคสมัยที่ท่านดำรงสังขารขันอยู่ตราบจนถึงปัจจุบันวันนี้ชื่อของหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดนาต่างนอกอยุธยานี่ ยังเป็นที่รู้จักของชาวพุทธผู้ศรัทธาต่อสังฆคุณไม่เสื่อมคลายมีเรื่องแปลกประหลาดสมัยที่หลวงพ่อจงเป็นเด็กอยู่เรื่องหนึง่งนั่นก็คือท่านเป็นเด็กขี่โรคเข้าทานองสามวันดีสี่วันไข้ร่างกายผ่าย ผ, ายผอมซี่เซียวเหลือกำลังก็ทำให้ทั้งโยมพ่อโยมแม่ห่วงใ ย, ยตลอดเวลาเนื่องจากกลัวว่าลูกชายคนนี้อายุจะสั้นพอโตได้ห้าหกขวบก็ยิ่งหน้าเวทนาสงสารหนักเข้าไปอีก เนื่องจากมีอาการหูอื้อแทบจะกลายเป็นหูหนวกโสดสัมผัสรับฟังเสียงเกือบจะใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าใครพูดด้วยเสียงค่อยๆนี่ไม่ได้ยินเลยอีกทั้งในตาก็เกิดฝ้าฟางมืดมัวมองอะไรไม่ชัดเจนซ้ำเข้าไปอีกเหตุที่สุขภาพร่างกายอ่อนแอหูตามีอาการใกล้พิการก็ทำให้หลวงพ่อจงในวัยเด็กนี่มีบุคลิกภาพชอบเก็บตัวอยู่ตามลาพังกลายเป็นเด็กขี้อาย ไม่ชอบพูดหรือว่าพูดน้อยชนิดถามคำตอบคำยิ่งอายุเกินพอแปดขวบขึ้นมาอาการเสื่อมทางหูแล้วก็ในตาก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณถึงไปไหนมาไหนต้องมีคนช่วยจูงช่วยพาไปเวลามีลิเก ม, มาเปิดวิกสแสดงหลวงพ่อจงก็อยากจะไปดูตามประษาเด็กหากว่าโยมพ่อไปด้วยโยมแม่ไปด้วยท่านก็จะจูงมือพาไปหรือไม่ก็ให้ญาติพี่น้องในครัวเรือนช่วยพาไป ซึ่งขวาก็ข้ามทุ่งข้ามนาไปถึงโรงลิเกก็่ทุรัก์ทุเลไม่ใช่น้อยพอไปถึงหน้าโรงลิเกแทนที่หลวงพ่อจงจะไปนั่งชิดติดกับหน้าเวทีกลับปลีกตัวไปนั่งสกายลิฟ์ยะห่างจากกลุ่มคนหมู่มากเนื่องจากมีปมด้อยที่ไม่เหมือนคนอื่นการไปดูลิเกของหลวงพ่อจงเมื่อครั้งเป็นเด็กก็เท่ากับเหมือนกับไม่ได้ไปดูเพราะในตาก็มองไม่ค่อยเห็นหูก็ฟังเสียงไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ความดังนั้นในระยะหลัง เมื่อมีลิเกมาเปิดวิกแสดงเด็กชายจงก็เลยไม่ได้ไปดูกับเขาเพราะว่าเป็นภาระที่ทำให้คนอื่นจะต้องมาคอยดูแลแล้วอีกประการหนึ่งตัวเองไปดูก็เหมือนไม่ได้ดูเพราะว่าตามองไม่ค่อยเห็นหูก็ได้ยินไม่ค่อยถนัดเหตุนี้เวลามีลิเกมาแสดงเด็กชายจงก็ต้องรับหน้าที่เฝ้าบ้านทุกครั้งแต่มีสถานที่เดียวที่หลวงพ่อจงสมัยเด็กท่านจะต้องไปให้ได้ก็คือไปวัดหน้าต่างในซึ่งเป็นวัดใกล้บ้าน เวลาโยมพ่อโยมแม่และญาติพี่น้องไปตักบาตรทำบุญที่วัดหรือว่าไปวัดกันในวันธรรมศวนะวันพระเนี่ยครับเด็กชายจงจะขอไปด้วยทุกครั้งถ้าหากว่ายมไม่ให้ไปนี่เป็นเรื่องทันทีเด็กชายจงจะร้องไห้คร่ําครวญไม่ยอมหยุดจนต้องพาไปในที่สุดยิ่งโตขึ้นเด็กชายจงก็ยิ่งแสดงความพอใจที่จะไปวัดมากขึ้นไปถึงวัดแล้วก็ชอบที่จะรุกครีอยู่ที่วัดนี่ไม่อยากกลับบ้าน อ้อนวอนรบร้าให้โยมทั้งสองพามาวัดบ่อยๆเรียกว่าอยากไปวัดแทบทุกวันเมื่อไม่ได้ไปก็จะแสดงความผิดหวังเสียใจร้องไห้ไม่ยอมหยุดสุดท้ายโยมก็ต้องตามใจพาไปวัดดังประสงค์ทุกครั้งถ้าหากว่าเป็นเด็กทั่วไปไวัยนี้ย่อมไปวัดเองได้แต่สําหรับเด็กชายจงจําเป็นจะต้องมีคนจูงไปส่งเพราะในตาไม่ปกติดังนั้นก็เลยเป็นภาระให้คนในบ้านเนี่ยเสียเวลาไปรับไปส่งแทบทุกวัน โยมพ่อโยมแม่เห็นว่าลูกชายอยากอยู่วัดยิ่งกว่าอยู่บ้านก็เลยถามความสมัครใจว่าไปอยู่วัดเจะเลยเอาไหมเด็กชายจงก็รีบรับคำว่าอยากจะไปอยู่วัดโยมทั้งสองก็พาไปฝากท่านสมภารให้กินอยู่หลับนอนที่วัดตั้งแต่นั้นลวงพ่อจงหรือว่าเด็กชายจงนี่ก็เริ่มไปอยู่วัดหน้าต่างในตั้งแต่อายุสิบสองขวบด้วยความพอใจเป็นอย่างยิ่งไม่ได้มีความห่วงหาอะไรการกินอยู่หลับนอนกับครอบครัวที่บ้านแม้แต่น้อย อยู่วัดได้ไมนานสมภารนึกวก็เมตาเอนดูก็จัดการบวชเนรให้เพราะว่าเล็งเห็นว่าจริตนิสัยของเด็กชายจงมีวาสนาโน้มเอียงไปทางเพศสมณะชัดเจนนับตั้งแต่ครองผ้ากาสาวะพัฒ์เป็นสมณินความแปลกประหลาดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นก็เกิดอาการใกล้พิการทางในตาและหูค่อยๆหายไปกระทั่งหูซึ่งเคยอื้อฟังอะไรไม่ชัดไม่่อยได้ยิน ก็กลับฟังได้ตามปกติในตาฝ้าฟางที่มองอะไรแทบจะไม่เห็นก็ชัดเจนเช่นคนทั่วไปอีกครั้งหนึ่งการที่อวัยวะสำคัญคือหูแหละในตากลับคืนเป็นปกติเช่นนี้โดยไม่ได้กินยาหรือได้รับการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องประหลาดถ้าหากจะกล่าวว่าความพิการซึ่งเป็นมายาวนานตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆได้หายไปเองอย่างนี้เนื่องจากบุญบา ร, รมีที่ได้ครองเพียสมณะ ได้เข้ามาอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาก็คงไม่ผิดหรอกหรือว่าหากจะให้ข้อคิดเห็นที่ว่าความพิการซึ่งเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เจริญวัยรู้ความเป็นไปของโลกเหมือนจะเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้หลวงพ่อจงได้มองเห็นได้ยินได้รู้ความเป็นไปทางโลกมาปรุงแต่งจนกระทั่งติดอยู่ในกิเลสก็ย่อมเป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันเหมือนเทวดาฟ้าดินจะปิดหูปิดตาท่านไว้แต่ ไอ้ที่จริงแท้แน่นอนก็คือเมื่อท่านเข้ามาอยู่ในเพศบรรพจิตแล้วหูและตาก็พลิกกลับแจ่มใสบริบูรณ์เมื่ออายุครบบวชโยมพ่อโยมแม่ก็จัดให้มีพิธีอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุบวชที่วัดหน้าต่างในโดยมีหลวงพ่อสุนเจ้าอาวาสวัดบางประหมอเป็นพระอุปชาพระอาจารย์อินเจ้าอาวาสวัด น, นต่างนอกเป็นพระกรรมวาจาแล้วก็พร ะ, ระอาจารย์โผเจ้าวัดวัด น, นต่างใน เป็นพระอนุสาวนาจารย์บวชแล้วก็ได้รับสมญานามตามเพศของพระว่าพุทธสโรภิกุคานักศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและความรู้ที่พระภิกษุควรรู้ที่วัดหน้าต่างในนะ่ะสืบมานับตั้งแต่หลวงพจอจงเป็นพระภิกษุแล้วคุณสมบัติอันแท้จริงของท่านก็ปรากฏขึ้นมาอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดจากบุคลิกภาพในวัยเด็กซึ่งดูจะอ่อนด้อยปัญญา กิริยาท่าทีเงอะงะเสื่องเสือมก็เปลี่ยนแปลไปเป็นตรงกันข้ามสติปัญญาความเฉลียวฉลาดผุดขึ้นมาเต็มที่การเรียนรู้ก็แคล่วคล่องว่องไวไม่มีขาดตกบกพร่องก็เป็นที่เมตตาของพระอาจารย์ผูเจ้าวาดหลวงพ่อจงเล่าเรียนเขียนอ่านอักษรสมัยนั้นทั้งไทยทั้งขอมจนแตกฉานอีกทั้งยังศึกษาพระปริยัติธรรมและธรรมสิกขาได้แม่นยำเจนจบ เสร็จแล้วอาจารย์โพถ่ายทอดเวทวิทยาพุทธาคมให้ชนิดหมดภูมิอาจารย์กันเลยทีเดียวซึ่งหลวงพ่อจงก็ได้น้อมรับไว้แล้วนำไปฝึกฝนปฏิบัติจนได้ผลถึงขั้นสำเร็จคุณประโยชน์ทุกอย่างยุคสมัยนั้นไม่เพียงแต่อาจารย์โูวัดหน้าต่างในจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงคุณในพุทธาคมสยเวทยังมีอาจารย์วัดอื่นๆอีกหลายรูปที่มีชื่อเสียงเช่นหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลแตกฉานเชี่ยวชาญ ในสมถะวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อสุนวัดบ า, บางประหมอพระเถระองค์นี้เรื่องลือในด้านสัยเวทพุทธาคมพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้หลวงพ่อจงก็เดินทางไปนมัส ก, การแล้วก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้โดยไม่ปิดบังแล้วท่านก็ภาคเพียรจนกระทั่งเชี่ยวชาญเป็นที่พอใจของพระอาจารย์แม้ว่าหลวงพ่อจงท่านจะขออนุญาตพระอาจารย์โพไปแสวงหาความรู้จาก อาจารย์องค์ต่างๆมาเป็นเวลานานเมื่อฝึกฝนเล่าเรียนครบถ้วนแล้วท่านก็กลับมาจำมรณฑาที่วัดหน้าต่างในไม่ไปไหนนับตั้งแต่หลวงพ่อจงครองเพศบรรพชิตศีลาจารวัตรของท่านก็เป็นที่เลื่อมใสของญาติโยมเสร็จแล้วบารมีที่ท่านมีให้โดยไม่มีประมาณก็ทําให้หลวงพ่อจงซึ่งยังเป็นพระหนุม่มะมีชื่อเสียงขจรกจายเรื่องหรือไปไกลเวลานั้นพระอาจารย์อินเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก ท่านลาสิกขาไปเป็นคารวาสก็ทําให้ตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกว่างลงศรัทธาญาติโยมวัดหน้าต่างนอกก็มีความเห็นตรงกันว่าหลวงพ่อจงศิษย์องค์สําคัญของพระอาจารย์โพวัดหน้าต่างมีความเหมาะสมที่จะปกครองดูแลวัดหน้าต่างนอกสืบต่อไปก็พากันไปนมัสการพระอาจารย์โพขอตัวหลวงพ่อจงมาดํารงตําแหน่งจเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกที่ว่างลงอาจารย์โพท่านก็อนุญาต หลังจากหลวงพ่อจงรับตำแหน่งเจ้าวาดแล้วท่านก็ทำหน้าที่ดูแลพระเนนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแล้วก็บูรณาปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆภายในวัดศรัทธาญาติโยมมาสร้างกุศลผลบุญก็ได้รับความปิติอิ่มเอิบกลับไปมาด้วยความเดือดร้อนเป็นทุกข์อะไรท่านก็ช่วยเท่าที่ประสงค์จะเมตตาได้ถึงแม้หลวงพ่อจงจะมีภาระในฐานะเป็นสมภารแต่ท่านก็ไม่ได้ว่างเว้นจากการปฏิบัติ ภาวนาว่างก็จัดอัฐบริขารออกทุดงบำเพ็ญสมณธรรมทำความเพียรรูปเดียวแทบทุกปีเส้นทางทุดงแต่ละครั้งถ้าผ่านสถานที่สำคัญทางพระศาสนาท่านจะต้องแวะเข้าไปนมัสาการน้อมจิตประลึกเป็นพุทธสังเวชไม่ได้ขาดหลวงพ่อจงไปกราบนมัสาการปูชนียสถานปูชนีวัตถุสำคัญสำคั ญ, คญมาแล้วทั้งสิน้นหลวงพ่อจงทราบว่านยพม่ามีมหาเจดีย์ชเวดากอง เป็นพุทธสถานที่สําคัญและยิ่งใหญ่ท่านก็ปรารภว่าอยากจะไปแต่ญาติโยมตลอดจนพระผู้ใหญ่ส่วนมากกอพากันทักท้วงไม่อยากให้ท่านไปเพราะว่าเส้นทางธุดงสมัยนั้นธุระกันดานและอันตรายเหลือเกินแต่ว่าไม่อาจจะทัดทานความตั้งใจของหลวงพ่อจงได้พอมีโอกาสว่างจากกิจภายในวัดหลวงพ่อก็ออกทุดงเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งจุดหมายปลายทางก็คือพระมหาเจดีย์ชเวดากองในแผ่นดินพมา่า จากวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจงก็มุ่งหน้าไปพระพุทธบาทสระบุรีก่อนเสร็จแล้วก็มีพระภิกษุผู้เจริญธรรมในแนวเดียว ก, กับท่านอีกสองรูปทราบว่าหลวงพ่อจงจะจาริกท่องเที่ยวไป น, นมัสการมหาเจดีย์ชวีลกองในพม่าก็ขอร่วมทางไปด้วยหลวงพ่อจึงก็ไม่ขัดข้องภิกษุทั้งสามก็ออกจากพระพุทธบาทสระบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่ดงพญาเยน็นเพื่อจะตัดผ่านป่าดิบดงใหญ่นี้ไปทางทิศเหนือ พระภิกษุ3ารูปจาริกมาถึงเขต ร, รอยต่อของจังหวัดลบบุรีซึ่งเปรียบเสมือนปากทางเข้าสู่ดงพญาเย็นด้านทิศเหนือก็พบพระธุดงอีกสองรูปโดยบังเอิญทั้งสองรูปนี้ทราบว่าคณะหลวงพระจงจะไปที่ไหนก็ขอร่วมทางไปด้วยดังนั้นการเดินทางทุดงสู่ประเทศพมา่าเพื่อนมรส ก, การพระมหาเจดีย์ช ว, ชวิดากองก็เลยมีพระภิกษุรวมกันถึง5รูปจากนั้นพระภิกษุทั้งหมดก็จาริกเข้าสู่ป่าใหญ่ดงดิบ ป่าใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ยแต่ก่อนนี้เขาเรียกดงพญาไฟหรือว่าดงผีหาเหตุที่มีชื่อหน้ากลัวอย่างนั้นก็เนื่องจากเป็นดงดิบเกือบตลอดพื้นที่มีอนาบริเวณกว้างขวางครอบคลุมไปหลายจังหวัดบรรยากาศภายในป่าเวลาร้อนก็ร้อนจัดครั้นถึงเวลาเย็นก็เย็นจัดถึงหนาวยเยือกประกอบกับเป็นป่าชื้นแฉะก็ทําให้ไข้ป่าชุกชุมมีแต่คนหวาดกลัวไม่กล้าเข้าเข้าไปในป่าใหญ่แห่งนี้ แม้แต่คนในพื้นที่เองก็ยังอาศัยแค่ชายป่าชายดงไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปลึกๆเพราะว่าท่านพึงต่อริดไข้ป่าหรือว่ามาลาเรียซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีตัวยารักษานอกจากริดรายของไข้ป่าในดงพญาเย็นหรือดงพญาไฟยังอุดมไปด้วยสัตว์ป่าน้อยใหญ่และสัตว์รายชุกชุมโดยเฉพาะเสือโคร่งออกหากินเพ่นพ่านไปทั่วตามพื้นดินก็มีงูจงอางงูเหา่าครอบครองเป็นเจ้าทิน จำนวนคนตายด้วยอสรพิษเหล่านี้มีจํานวนนับไม่ถ้วนในแต่ละปีไม่เพียงแต่อันตรายในดงพญาเย็นจะมีแต่ไข้ป่าและสัตว์ร้ายเท่านั้นแม้แต่พวกเสื อ, อเสือปล้นโจรชั่วนี่ก็ยึดเอาเขต ด, ดงพญาเย็นเป็นที่หลบซ่อนอาศัยเป็นเส้นทางหลบหนีเวลาถูกตํารวจและเจ้าหน้าที่อําเภอเขาระดมกําลังเข้าปราบปรามกลุ่มคนใจโหดสันดานอำ ม, มหิตมิจฉาชีพพวกนี้ประหนึ่งไม่มีศาสนาเคารพนับถือ แม้ว่าพวกมันจะแขวนพระเครื่องเต็มคอวัตถุมงคลสารพัดชนิดหากพวกมันคิดว่าพระทุดงมีทรัพย์สินเงินทองติดตัวก็จะเข้าปล้นแย่งชิงทรัพย์เอาดือด้อหรือว่าลุ่มรุมทำร้ายโดยไม่หวั่นกลัวบาปกรรมแต่ประการใดนี่คือดินแดนแห่งเพศภัยซึ่งเปี่ยมไปด้วยอันตรายที่มีชื่อว่าดงพยาเยน็นหรือว่ า, าดงพยาไฟนั่นแหละคณะพระทูดงซึ่งมีหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกร่วมอยู่ด้วย ก็กำลังจาริกลึกเข้าไปในป่าใหญ่ดงลึกแห่งนี้ป่าชื้นอุดมด้วยไม้สูงและรกชัดเหลือเกินพระทุดงทั้งห้ารูปต้องบุกฝ่าเข้าไปด้วยความยากลำบากแล้วก็เสียเวลาเป็นอย่างมากก็จำเป็นจะต้องหาทางวกอ้อมบากบั่นกันไปอาศัยเส้นทางเดินของชาวบ้านที่ปรากฏ ร, ร่องรอยอยู่เป็นทางจาริกลึกเข้าไปในป่าใหญ่ได้แค่สองวัน พระรูปหนึ่งก็เกิดอาพาธเป็นไข้ปากกระทานหันก็จําเป็นจะต้องหยุดพักที่ราบเหนือขอบเหวลึกพยายามให้ยารักษาไปตามมีตามเกิดแต่พระภิกษุรูปนั้นมีอาการซุดลงไปเรื่อยๆเยแล้วในที่สุดก็ถึงแก่มรณาภาพก็ช่วยกันฝังศพวันนที่นั้นหลังจากฝังศพเท่าที่จะทําได้หลวงพ่อจงและพระภิกษุที่เหลือก็เดินทางกันต่อกระทั่งพ้นจากดงพญาเย็นทางด้านรอยต่อของจังหวัดลบบุรีกับนครสวรรค์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุมาขอร่วมทางไปด้วยอีกรูปหนึ่งจึงเป็นนั้นว่าคณะทุดงกลับไปมีจำนวนเท่าเดิมอีกคณะหลวงพ่อจงมุ่งหน้าไปยังพิษนุโลกต่อไปแม้ว่าเส้นทางจะไม่ทุรกันดาลสาหัสเท่ากับในป่าดงพญาเย็นแต่ก็ต้องจาริกผ่านชายป่าชายดงตลอดเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีถนนภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าดงเกือบทั้งหมดหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้านก็อยู่กันห่างหาง ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ต่อกับพิจิตรถึงจังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่อันตรายสําหรับคนสัญจรผ่านไปมาก็คือบึงบรารเพิตบึงใหญ่แห่งนี้เป็นแหล่งน้ํามะหืมาที่มีจระเข้อยู่อาศัยมากที่สุดในประเทศไทยพื้นที่รอบบึงเป็นทุ่งหญ้าสลับกป่าโปรง่งมีน้ําขังชื้นแฉะไปทั่วนอกจากจระเข้เจ้าถิ่นแล้วอสรพิษไม่ว่าจะเป็นงูเหา่างูจงอางก็มีชุกชุมที่สุด เส้นทางเดินของชาวบ้านที่ใช้เป็นทางคมนาคมติดต่อกันจะเลียบผ่านชายบึงบารเพศซึ่งคณะพระทุดงหลวงพ่อจงก็จําเป็นต้องใช้เส้นทางสายนี้เช่นเดียวกันก่อนจะถึงบึงบารเพศก็เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันพระทุดงรูปหนึ่งซึ่งร่วมทางกันมาตั้งแต่สระบุรีถูกงูจงอางขบกัดยังไม่ทันไปหาหมอหายามาแก้ไข พิษร้ายของงูจงอ่างก็กำเริบปิดชีวิตของพระรูปนั้นถึงแก่มรณาภาพไปก่อนหลวงพ่อจงและพระภิกษุรูปอื่นก็ได้แต่ปรงสังเวชว่าชีวิตที่มันหาความแน่นอนไม่ได้จะดำรงอยู่หรือว่าสิ้นสุดลงไปเมื่อไหร่ก็ไม่อาจจะคาดเดาได้จริงๆพระภิกษุที่มรณาภาพไปนั้นก็ไม่รู้ว่ามีเวรกรรมของงูจงอ่างตัวที่ขบกัดหรือเปล่าเพราะพระภิกษุเดินตามกันไปถึงห้ารูปแต่งูจำเพาะจ่อจองกัดพระรูปนั้นมีเจตนา เหมือนกับมุ่งรายหมายชีวิตมีความอาฆาตหากเป็นวัฏจักรแห่งกรรมอันเนื่องจากความอาฆาตพยาบาทอันนี้ก็ย่อมยากจะยุติลงได้ในภพชาติที่ต้องตายแล้วเกิดไม่รู้สิ้นสุดศพของพ ร, พระทุดงที่ถูก ง, งูจงอางขบกัดก็ได้รับการฝังโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นมาเป็นธุระให้หลังจากฝังศพแล้วทั้งสี่รูปก็เดินทางต่อไปโดยไม่ย่อทอ้อไม่มีพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดขอแยกทางกลับวัด คงมีแต่ความมุ่งมั่นจะข้ามไปสู่แผ่นดินพมา่าให้ได้พ้นเขตบึงบรเพชมาได้หลวงพ่อจงและคณะก็หมดความวิตกกังวลเรื่องจระเข้ก็คิดว่าต่อไปนี้คงไม่มีอันตรายอะไรก็จาริกต่อไปก็หยุดพักที่วัดตะพานหินเมื่อคณะของหลวงพ่อจงจะออกเดินทางต่อก็มีพระภิกษุวัดตะพานหินรูปหนึ่งขอร่วมทางไปด้วยเป็นห้ารูปอย่างเก่า ขณะที่พระทูดองห้ารูปเดินข้ามลำธารตื้นๆมีพงหญ้าขึ้นหนาแน่นตลอดสองฝั่งจระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในลำธารก็เข้าโจมตีอย่างฉับพลันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพระภิกษุจากจังหวัดลบบุรีถูกจระเข้กัดขย้ำถึงกับลำตัวขาดออกเป็นสองท่อนและมันคาบร่างกายท่อนล่างมุดดำน้ําหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลวงพ่อจงและพระภิกษุที่เหลือก็ต้องช่วยกันกรบฝังร่างที่เหลือเพียงครึ่งเดียวไว้ตามมีตามเกิด จากนั้นก็มุ่งหน้าตัดผ่านพิษนุโลกเข้าสู่แม่สอดทะลุขึ้นเชียงรายเพื่อข้ามชายแดนเข้าสู่ประเทศพมา่าทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างทางที่บุก ป, ปา่าข้ามเขาไปเรื่อยๆ เ, เป็นระยะทางยาวไกลพระภิกษุผู้ร่วมทางก็มรณภาพไปทีละรูปทีละรูปบางรูปเสียชีวิตเพราะเป็นไข่บางรูปเพราะขาดอาหารฉันบางรูปเป็นโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงจนมรณภาพ เมื่อผ่านแม่สอดจนถึงแม่ห้องสอนแล้วปรากฏว่าเหลือหลวงพ่อจงเพียงรูปเดียวที่ทุดงเดียวเข้าสู่พมา่าพระภิกษุทั้งเจ็รูปที่ทุดงร่วมทางไปกับหลวงพ่อจงตั้งแต่เริ่มแรกไม่ใช่พระภิกษุบวชหมอ่อนพรรษาแม้แต่รูปเดียวแต่ละรูปนี่ผ่านการฝึกสมถาวิปัสนากรรมฐานมาอย่างเขี่ยวกำบางรูปได้อภิญยาสมาบัติวิปัสนาญาณบางรูปได้อนาคตังสยานแจ่มใส รู้เห็นเหตุการณ์อนาคตได้อย่างถูกต้องพระพิสูรรูปหนึ่งที่อยู่ในคณะทุดงท่านได้ยานอย่างรู้อนาคตที่ว่าเนี่ยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านก็บอกกับหลวงพ่อจงว่าเข้าป่าคราวนี้ฉันคงไม่ได้กลับออกไปอีกแล้วนั่นก็หมายถึงว่าจุดจบชีวิตของท่านรอคอยอยู่เบื้องหน้าแม้จะตรหนักอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้วัดกลัวหรือว่าหลีกเลี่ยงหรือว่าเลือกสถานที่มรณาภาพที่วัดของท่าน เมื่อจาริกเข้าป่าเขาด้วยกันเป็นเวลานานพอสมควรกระทั่งอยู่ระหว่างทางไปแม่ฮองสอนเช้าวันหนึ่งท่านบอกหมู่คณะว่าบ่ายเนี่ยท่านจะเป็นไข้แล้วกม็มรณภาพถึงเวลาบ่ายท่านก็เป็นไข้ป่าจริงๆพอตอนเย็นพระทุกรูปเข้ากรดของตัวทําวัดสวดมนต์คืนนั้นพระรูปที่เป็นอ า, อาพาธเป็นไข้ป่าอย่างเฉียบพลันท่านก็มรณภาพตอนนั่งสมาธิซึ่งเป็นเจตนามรณภาพในฌาน เมื่อเส้นทางทุดงไปพมา่าถึงช่วงสุดท้ายก็เหลือหลวงพ่อจงเพียงรูปเดียวท่านก็เดินหน้าต่อไปโดยไม่พัฒนพึงตราบถึงมหาเจดีชวเดกชเวดากองสมใจนึกก็กราบนมัสการหลังจากปฏิบัติบูชามหาเจดีเป็นที่ปิติอิ่มใจแล้วหลวงพ่อจงท่านก็จาริกกลับประเทศไทยตามเส้นทางเดิมเพียงรูปเดียวหลวงพ่อจงท่านเมตตาเล่าเหตุการณ์ตอนจาริกไปพม่าให้สิทธิผู้ใกล้ชิดชื่อในโจในชด ฟังในชดก็เล่าให้ฟังบอกท่านบอกว่าการบินธบัติเป็นกิจของสงฆ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องออกบินทบัติชาวบ้านที่อยู่ป่าอยู่ขเขาเขาก็ยินดีสงเคราะห์พระสงฆ์ตามกำลังศรัทธาของเขาเมื่ออยู่ในป่าดิบดงลึกไม่มีผู้คนอยู่อาศัยก็จะโคจรบินทบาตตามปกติก่อนออกบินธบาตต้องเจริญฌานเข้าสมาบัติเต็มกำลังแล้วถอนจิตออกมาแผ่เมตตามีพรหมวิหารเป็นอารมณ์ จากนั้นก็ประคองบาตรบินทบาตไปเรื่อยๆก็จะมีผู้สงเคราะห์ภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสมควรในชดก็สงสัยว่าในเขตป่าเขาดงกันดานอย่างนั้นจะมีชาวบ้านเอาพระตาหารมาถวายใส่บาตรได้ยังไงหลวงพ่อจงก็อ้ำอึง้งอยู่นานไม่อยากจะเล่ารายละเอียดด้วยเห็นว่าไม่สมควรแต่ท่านเห็นว่าในชดนี่ศรัทธาในธรรมท่านก็เล่าว่าผู้มาสงเคราะห์พระธุดงในป่าในเขาคือเทวดา หรือว่ารุกขเทวดาจะมาในรูปกายมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายแต่งตัวเหมือนชาวบ้านชาวป่าทั่วไปแต่ว่ามีผิวพันผ่องใสผิดปกติอาหารที่เทวดานํามาใส่บาตรมีเข้าวสวยแล้วก็กับข้าวอย่างละเล็กละน้อยแต่ฉันแล้วอิ่มไปได้นานทำให้มีกำลังมีแรงเพียงพอที่จะเดินทุดงต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางในชดผู้นี้เริ่อมสายสัทธาหลวงพ่อจงเป็นอย่างดี ต่อมาก็ได้บวชเป็นพระภิกษุรับกรรมาฐานจากหลวงพ่อจงแล้วก็เข้าป่าแล้วก็ไม่ออกจากป่ามาอีกเลยหลวงพ่อจงท่านเป็นพระผู้เมตตาโดยไม่มีประมาณตลอดช่วงชีวิตที่ครองเพศสมณนะมีแต่เมตตาสงเคราะห์ญาติโยมโดยตลอดไม่ว่าใครได้รับความทุกข์ยากเดือร้อนมาหาท่านก็กลับไปด้วยความปลอดโปร่งแจ่มใสเพราะได้ผ่อนคลายทุกไปเรื่องกิจนิมนต์หลวงพ่อจงไม่เคยขาดศรัทธาญาติโยมแม้แต่ครั้งเดียว ไม่ว่าญาติโยมจะอาลาดนานิมนต์ไปที่ไหนระยะทางใกล้ไกลแค่ไหนท่านก็ไม่เคยขดาดศรัทธาแล้วก็ไม่ว่าผู้มานิมนต์จะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไรจะยากจนแค่ไหนมั่งมีแค่ไหนท่านก็ปฏิบัติเหมือนกันหมดที่วัดหน้าต่างนอกเวลานั้นแต่ละวันจะมีชาวบ้านญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลมากราบนมัสการหลวงพ่อจงจํานวนมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีทุกข์แบกเอาไว้ทั้งนั้นถ้าไม่ทุกกายกว่าทุกใจท่านก็เมตตาให้ผ่อนคลายไป ยุคสมัยก่อนมีผู้หลงผิดเล่าเรียนวิชาทางรายคือวิชาคุณไสยมนต์ดำกันมากบางรายก็ถึงขั้นใช้พูดผีปีศาจไปทำอันตรายกันผู้ที่ถูกทำก็จะพากันมาหาหลวงพ่อจงให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ให้แล้วอำนาจชั่วร้ายที่แฝงอยู่ในร่างก็อันตรธานไปกิติคุณหลวงพ่อจงก็เป็นที่เลื่อหลือกว้างขวางไม่เพียงแต่ชื่อเสียงเลื่อมลือด้านเมตตาความขลังของน้ามนต์ก็เป็นอัศจรรย์ เมื่อครั้งเกิดสงครามอินโดจีนหลวงพ่อจงก็จัดทําเสื้อยันสีแดงปลุกเสกด้วยวิทยาคมแจกใจ่ายให้ทหารไทยที่ออกไปรบปรากฏว่าเป็นความมาสจัญทําลายขวัญฆ่าศึกไปทั่วแนวรบเพราะทหารไทยที่ใส่เสื้อยันสีแดงของหลวงพ่อจงถูกยิงก็ไม่เข้าคณะถูกยิงจังๆล้มผางลงกลางดินกลับลุกขึ้นมาได้ใหม่เพราะลูกกระสุนไม่ระคายผิวหนังทหารไทยในสงครามคราวนั้นจึงถูกเรียกว่าพวกทหารผี สมัยสงครามโลกครั้งที่สองน่ชาวบ้านแถบนั้นอดอยากขาดแคลนชาวบ้านส่วนใหญ่ฐานะยากจนอยู่แล้วก็เดือดร้อนหนักเข้าไปอีกยุคนั้นก็เลยเกิดมีพวกมิจฉาชีพระบาดไปทั่ววันหนึ่งหลวงพ่อจงตื่นจากจำวัดตอนใกล้รุ่งเวลาประมาณตีสามตีสี่ตื่นแล้วท่านก็สวดมนต์ทำวัดในกุฏิเพียงลำพังวันนั้นหลวงพ่อจงตื่นแล้วได้ยินเสียงผิดปกติ ดังมาจากด้านนอกกุติท่านก็เดินออกมาดูเงียบๆเห็นขโมยสองคนกําลังหามโอ่งน้ําของวัดสองสาใบก็ใช้ไม้ขัดขวางตรงปากองค์แล้วเชือกผูกเป็นห่วงก่อนที่จะสอดไม้เข้าไปเป็นคานหามที่นี่ก็หิ้วโอค์เนี่ยมันติดกันสองสามลูกเวลาหามโอค์ก็แกวงไปแขวงมากระทบกันกึ่งกลางกึงกลหลวงพ่อจงรู้ว่าขโมยกําลังลักองค์จะเอาไปขาย แทนที่ท่านจะมีอารมณ์โกรธกลับรู้สึกเวทนาสงสารเพราะคิดว่าถ้าเขาไม่ขับแค้นยากไร้แสนสาหัสก็คงไม่ประพฤติทุจริตถึงขั้นขโมยของวัดอย่างนี้ท่านก็ยืนซุ่มดูอยู่นานเสร็จแล้วท่านก็เดินเข้าไปใก ล, ใกล้ๆเขาบอกว่าเอยเอาไปทีละใบสิเดี๋ยวโองมันจะได้ไม่แตกกระทบกันแตกแล้วเสียหายหมดเอาไปทีระลูกก็ได้ อยู่ๆได้ยินเสียงพ่อจงดังมาอย่างนี้สองขโมยในยืนตกตะลึงเลยพอได้สติรีบวางโองคืนให้ท่านแล้วก้มลงกราบก่อนจะออกจากวัดไปพร้อมกับความรู้สึกละอายใจที่แอบเข้ามาขโมยสมบัติของสงฆ์แม้ว่าจะถูกจับได้แต่กลับได้รับการให้อภัยจากหลวงพ่อจงด้วยความเมตตาอันเปี่ยมล้นของท่านอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อจงอายุมากแล้วเย็นวันนั้นท่านนั่งพักผ่อนอยู่ที่ศาลาท่าน้า ก็มีพวกล่องแพรเอาแพรมาจากทางเหนือแล้วก็เอาแพรมาผูกไว้บริเวณริมตลิ่งหน้าวัดพวกนั้นไม่รู้จักหลวงพ่อจงก็ะตะโกนหลวงตาช่วยเฝ้าแพรให้ด้วยนะหลวงพ่อจงก็พยักหน้ารับคำฝ่ายพวกล่องแพรก็นั่งเรือข้ามแม่น้าไปธุระฝั่งตรงข้ามดึกดื่นค่นคืนแล้วพวกล่องแพรถึงได้กลับมาก็ยังเห็นพระหลวงตารูปเดิมนั่งเฝ้าแพอยู่ พวกนั้นก็ตกใจรีบขึ้นมาบนฝั่งก็คิดไม่ถึงว่าพระจะยังเฝ้าแพร่ให้อยู่ทุกคนโลนลานเข้าไปกราบด้วยความเสียใจกล่าวคําขอขมาลาโทษกันวุ่นวายที่ล่วงเกินใช้ท่านเฝ้าแพร่จนดึกดื่นหลวงพ่อจงไม่ได้คุนเคืองเลยท่านบอกว่าไม่ต้องมักขอขมาฉันหรอกฉันก็เฝ้าแพร่ให้เฉยเมยเมื่อไม่มีใครมาขโมยฉันก็สบายใจพวกนั้นก็กราบเรียนท่านบอกว่า ตอนที่ไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยพระเอิญเพื่อนก็ถามว่ามีใครเฝ้าแพ้ให้หรือเปล่าเขาบอกว่าวานพระแก่ๆพระหลวงตาให้เฝ้าให้เพื่อนก็ซักถามรูปร่างลักษณะหน้าตาของพระแก่ๆว่าเป็นยังไงตัวก็อธิบายให้ฟังเพื่อนบอกนั่นแล้วหลวงก็จงแล้วก็รีบไล่กลับให้มาขอขมาลาโทษท่านพวกเขาเป็นคนจากจังหวัดอื่นเคยรู้แต่กิตติศัพท์ไม่รู้จักตัวก็เลยทําผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการขอให้ท่านเอาหสิกรรมให้ด้วยที่ใช้ท่านเฝ้าแพ้ เกรงจะเป็นบาปเวรติดตัวไปหลวงพ่อจงท่านก็บอกว่าไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกเพราะฉันรับปากเฝ้าให้เองตามที่เธอออกปากขอแม้ว่าหลวงพ่อจงจะไม่ถือโทษแต่ว่าพวกร่องแผลก็ยังกลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวก็พากันอ้อนวอนขอให้ท่านเอ่ยปากอาโหสิกรรมให้ท่านเห็นว่าพวกร่องแผลสำนึกผิดอย่างนั้นท่านก็เมตตาพูดให้สบายใจท่านก็บอกว่า เอาเถอะเมื่อพวกเธอรู้ตัวว่าผิดนะฉันก็อโหสิกรรมให้บาปทั้งปวงถ้ามีก็เป็นอันยุติกันไปไม่มีบาปมีเวรติดตัวกันอีกแล้วแล้วพวกเธอก็จงจดจำเอาไว้ให้ดีคราวหน้าต่อไปอย่าไปใช้พระใช้เจ้าอย่างนี้เพราะพระน่ะเป็นเนื้อนาบุญของพวกเธอไม่ควรล่วงเกินขึ้นชื่อว่าพระแล้วเนี่ยควรจะยกเว้นพวกร่องแผก็ก้มกราบพร้อมเพียงกัน แล้วก็รับคำว่าจะไม่ประพฤติด้วยความมักง่ายอย่างนี้อีกก่อนที่จะลาท่านกราบลาไปครับนั่นคือเรื่องของหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้จะเล่าถึงประวัติของหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัวสำหรับประวัติอันนี้หลวงพ่อท่านเล่าเองนะครับท่านเล่าว่าท่านเป็นลูกชาวนาวิ่งต้อยตอย่ต อ, ยตอยเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งนาครอบครัวของท่านท่านมีพี่ชายสี่คนน้องสามนะตระกูลของท่านสืบเนื่องมาจากชาวนาโดยตรงรกรากเป็นคนสุพรรณบุรีแท้ๆทั้งฝ่ายโยมพ่อโยมแม่ตัวท่านเกิดที่บ้านไผ่ดอก ตำบลบังตะเคียน อ, อําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับบ้านเดิมเนี่ยเป็นเสาไม้ไผ่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเสาไม้จริงเครื่องบนเป็นไม้ไผ่มุงแฝกมีหม้อข้าวหม้อกแกงทําด้วยดินเผาถ้วยชามครั้งนั้นคนไทยไม่ได้ทําพอค้าซื้อมาจากต่างประเทศแล้วเอามาขายแล้วก็ซื้อเขาต่อสัตว์พาหนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงของครอบครัวท่านที่ท่านจําได้มีควายอยู่ห้าตัว ชื่อไอ้ยอดย่าตัวหนึ่งอีกกางอีเงินไอ้นมไอแ้แหนทั้งหมดห้าตัวแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวท่านเกิดในตระกูลที่ไม่สู้จะร่ํารวยก็เรียกว่าพอมีพอกินมีเครื่องใช้ไม้สอยก็ไม่ฟุ่งเฟือยอะไรแต่ก็อยู่ไปกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างผาสุกตระกูลของท่านนี่เป็นสัมมาทิฏฐินับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดมา โยมพ่อเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่พยาบาทเบียดเบียนใครไม่โกรธง่ายลูกเต้าไม่เคยตีใครเลยมีงานก็ทําไปไม่โลภโมโทสันมากมีที่ดินก็แบ่งให้เพื่อนบ้านทํากินโดยไม่คิดค่าตอบแทนท่านบอกว่าที่พูดนี่ไม่ใช่จะมายกย่องพ่อตัวเองว่าดีวิเศษนะเท่าที่พูดเนี่ยสังเกตเห็นมากับตัวเองท่านบอกว่าอาตมาเมื่อตอนยังเป็นเด็กเนะ โยมพ่อชอบปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่มีลูกถ้าเพื่อนบ้านคนไหนมาเก็บกินแล้วถ้าลูกเต้าบ้านเราไปห้ามเนี่ยจะถูกโยมพ่อว่าเอาผู้อยากไปห้ามเขาของกินได้ก็ให้เขากินไปในครอบครัวของอัตมามีทั้งที่นาและที่ไร่ก็ประมาณร้อยไร่เศษๆโยมพ่อเห็นผู้ยากจนไม่มีที่ทํากินก็แบ่งที่ให้ทาเปล่าๆไม่ต้องเสียค่าเช่า ในครอบครัวของหลวงพ่อขอมเนี่ยใส่บาดเป็นนิดไม่ขาดชาวบ้านเขาเรียกโยมพ่อหลวงพ่อหอมว่าพระพุทธครอบครัวของหลวงพ่อขอมไม่มีใครทําบาดมากนะครับทำประมาณผักปลาก็เอามาพอกินไม่มีแหมีอวนกับเขามีเครื่องประหารสัตว์จะเพียงนิดเดียวพอเลี้ยงครอบครัวพูดถึงโยมพ่อโยมแม่ใจดีว่าครั้งหนึ่งเมื่อตอนท่านยังเล็กๆ เห็นยมพ่ อ, อยอมแม่ตวงข้าวได้เงินเต็มผ่านไม่เห็นเอาไปซ่อนเร้นที่ไหนกว่าไปตั้งไว้ในบ้านไม่มีอะไรปิดเห็นตั้งอยู่อย่างนั้นจะนานสักต่อไร่ก็จําไม่ได้นะก็รู้สึกว่ายมพ่อโยมแม่ไม่ค่อยจะสนใจในทรัพย์สมบัติอะไรมากยิงโยมพ่อเดินแล้วไม่ชอบสะสมอะไรเลยที่นี้พ่อแม่ใจดีลูกๆ ก, ก็เลยไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงดูเนื่อยๆกันยังไงชอบผลท่าทางจะเซ่อๆเอาซะได้ซ้ํา ไม่ฉลาดอนะ่ะตรงไปตรงมามักจะเสียเปรียบเขาอยู่เรื่อยอะ่ะแล้วก็ขี้มักจะมีนิสัยเฉื่อยชาไปตามกันแต่ว่าท่านก็เลี้ยงลูกทุกคนจนโตไม่เป็นหนี้ไม่เป็นขี้ข่าใครท่านบอกว่าตอนนั้นท่านยังเป็นนายข่อมนข่อมนี่เป็นลูกชาวนาก็ต้องจําเจ อ, อยู่กับการทํานาเรื่องของชาวนานี่มันน่าเบื่อหน้าระอาเหลือเกิน เวลาหน้าฝนก็ต้องไปนาตั้งแต่เช้ามืดก่อนสว่างพอเวลาจวนจะใกล้รุ่งก็ได้ยินเสียงพ่อเรียกไอ้แดงจวนสว่างแล้วเว้ยอา้าลุกขึ้นเอาควายอาบน้ำล้างโคลนไปนาครับต้องอาบน้ำล้างโคลนเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยยุงชุมมากเลยในท้องนาเนี่ยต้องเอาควายลงโคลนไว้ก่อนตอนที่ก่อนจะค่ำนะไม่งั้นยุงมันกัดมันนะ กลางคืนนี่ต้องให้คโคลนนี่เป็นเสื้อเกราะกันมันอยู่อย่างนั้นแหละพอเช้ามืดจะไปนาก็ต้องเอามันไปอาบน้ําล้างคโคลนก่อนเชาน้านานี่ต้องไปไถนาตั้งแต่ยังมืดถ้านาไกลเนี่ยต้องไปจะดึกเลยถึงนายังไม่สว่างเลยก็ปล่อยควายกินหญ้าสักพักพอเช้าตรู่เห็นลายมือลายตีนก็ลงมือไถกันไถกันสามครั้งครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกไถดะลงมือไถครั้งแรกนี่ ลำบากดินนี่ก้อนโตโตนะแล้วต่อมาก็ไถแปร ى. คือซอยดินก้อนโตให้ย่อยเล็กลงเสร็จแล้วก็ไถหวานไถหวานเอาข้าวหวานลงไปเสร็จแล้วไถรอบอีกไถวนไปวนมารอบแล้วรอบเล่าจนหมดเนื้อที่นาในครอบครัวก็ต้องปันงานกันที่ออกไถก็ต้องออกต่มึดไอ้ที่หุงข้าวก็ตื่นจะดึก เสียงครกน้ำพริกเนี่ยดังยังกับพระตีระครังเวลาเช้ามืดนะถ้าหมู่บ้านใหญ่หลายครอบครัวได้ยินเสียงครกตำน้ำพริกแมมระงมไปหมดยังกระดนตรีวงใหญ่ชาวนาเน้นน้ำพริกขาดไม่ได้เพราะราคามันถูกชาวนาถือกันว่าน้ำพริกนี่เป็นยอดกับข้าวนึกนึกดูชาวนาหน้าสนุกดีเหมือนกันนะเขาด้วยความเคยชินในยากจนยังไงเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นเนี่ยสุขสบายตามภาษา พวกไถนาก็ไปไถพวกขุ่งข้าวก็หาบข้าวไปส่งเจ้าควา ย, ยมันแสนรู้จริงๆนะพอเห็นคนหาบข้าวมาแต่ไกลเนี่ยมันรู้แล้วว่าเดี๋ยวเอาข้าวมาส่งนะมันก็หยุดไม่เดินน่ะใครๆกับมันจะบอกว่านาะนั่นข้าวมาแล้วหยุดไปกินซะจิไปเดี๋ยวฉันจะได้พักผ่อนมัน่ง <laughs> <อ>จะไล่เกี่ยวเข็นมันยังไงมันก็ไปยากลําบากเต็มที มันก็เหนื่อยเพราะมันเต็มทนแล้วไถที่ควายลากเนี่ยนะเวลาไถกดลงมาใน ด, ดินนะ่ะห้าคนนี่ลากไม่ไปนะมนุษย์ห้าคนนี่ลากไม่ไปสิบคนยังลําบากเลยแต่ควายตัวเดียวมันลากไหวที่ไปไหวก็เพราะมันกลัวนึกแล้วก็น่าสงสารควายที่ไถนาตัวหนึ่งนี่ไถตั้งแต่เช้าจนเที่ยง ควายตัวหนึ่งต้องถูกตีไม่ต่ำบร้อยทีในเะช้าถึงเที่ยงเนะ่ดูสีข้างควายในะให้ลายไปหมดชาวนาก็ต้องมีไม้จะพดหางแท่อันหนึ่งเอาไว้สำหรับหวดควายไม่งั้นก็ใช้เชือกที่ผูกกับสายตะภายนะหวดเข้าไปถ้าดูควายเวลาไถานาแล้วนี่นะถ้าไม่ใช่ชาวนาที่คุ้นเคยอยู่กับนาเป็นประจำแล้วนี่นะต้องสงสารควายจนน้าตาไหล ดูมันไถจนตัวโกงหอบตัวโยนน้ำลายฟูมปากก็ยังไม่ได้หยุดอยากจะกินหญ้ากินน้ำก็บอกไม่ได้ถ้ากำลังไถนี่เกิดหิวหยุดกินหญ้าคือมาโดนเฟี้ยวก็ให้สีข้างสันเลยบางบ้านไถเช้าแล้วก็ไถเย็นอีกบางบ้านที่มีเมตตาปราณีพอเห็นควายเหนื่อยหอบก็ พ, พักผ่อนให้ลงน้ำพอสบายแล้วก็ให้ไถใหม่ บางบ้านก็ไม่ดูแลถึงความอดอยากอะไรของมันน่ะปล่อยมันอดอดอยากอยากผอมจนส่โครงขึ้นก็จับไปไถนาอยู่ น, นั่นเนียเดินโซซัดโซเซเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยจะมีเสียงเวี้ยวเฟี้ยวก็ดังขึ้นที่สีข้างควายไตมันไม่รู้จักหยุดจกย่อนบางบ้านก็รักควายอย่างกับเพื่อนยากเลี้ยงดูจนอ้วนพีจะใช้จะไถก็มีความปราณีถูเวรกรรมไว้ควายเ อ, อ้ย หลุงพ่อท่านเล่าว่ะอาตมาเคยใช้มันมาอาตมาไปเจอควายเข้าที่ไหนบางครั้งอดกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่นึกสงสารจับจิตจับใจท น, นี่ก็ได้เวรกรรมจะมีต่ออาตมารหรือเปล่าก็ไม่รู้ก่อนนี้เคยทุบเคยตีมันเออควายเ อ, อ้ยเวลานั้นเรากําลั ง, งโง่กําลังหลงไม่ได้บวชได้เรียนไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรก็อเอาแต่ได้เท่านั้นน่ะเราขอสมาลาโทษเจ้าด้วย เราจะไม่ขอใช้เจ้าต่อไปจนตราบเท้าเข้าสู่พนิพันธ์เมื่อชาวนาได้เวลากินข้าวเช้าแล้วก็ปลดไถให้ไวกินหญ้าถ้าไม่มีอะไรจิ้มน้ำพริกก็ใช้ผักนาคือผักบุ่งบางสายบัวบางบางทีไปเจอผักกระเฉดทอดยอดอ่อนๆก็คนนึกคลึ่นในใจว่าได้ของอร่อยแล้ววันนี้อ่าก็เอาผักนามาจิ้มน้ำพริกกินกันอร่อย น้ำพริกถ้วยเบเร่เดิล่ออันเกลี้ยงถ้วยไปเลยพวกชาวนาเน่ยอยู่ง่ายกินง่ายพอกินข้าวกันอิ่มแล้วก็จับควายเข้าไถาต่อบางบ้านไถไปพอพระตีกลองเพลิก็ปลดปล่อยควายเลิกไถาบางก็ไถไปจนถึงเที่ยงบางบ้านก็ไถไปจนบ่ายบางบ้านก็ไถยเย็นอีกก็ทำกันอย่างเนี้ยทุกปีเป็นประจำอะไรจะมาเหนื่อยยากเทถอะไายไม่เมียเดินลากไถไปเถอะครึ่งวันขอนวันแดดก็เปรี้ยงเปรี้ยง ดูว่ามันเหนื่อยเสเหลือเกินแต่ก็ต้องทนไปเพราะเสียงดังฮุยๆุเสียงอาลากไส่ดังดาข่มควับๆัับเสียงเฟี้ยวฟับฟับหวดหวดมันหวดดินหวดสายไม่เห็นใครจะนึกว่านั่นควายเขามีชีวิตจิตใจเหมือนคนเหมือนกันเขาเจ็บปวดนะเสียงเฟี้ยวลงไปทีไรเนื้อเต้นแล้วตัวมันก็เต้นหยองหยงด้วยทุกขเวทนา ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเสียงเฟียบว่าโอ้ยเฟียบโอ้ยน่าสงสารจะเปล่าวะนะเขาตีก็นำอย่อยางนั้นถ้าเป็นพวกวัวก็โดนประตักแทงตัวคดตัวงอเสียงหุอฮือเสียงแช่งเสียงด่าให้เปรี้ยงไปในทุ้งนาควายวัวจะเป็นยังไงไม่เข้าใจมุงม่งหวังจะให้แล้วอย่างเดียวหลังจากไถหวานไปแล้วข้าวก็ขึ้นเต็มนา มีใบสดเขียวจะอุ่มและ่สะพรั่งเวลาลมพัดนี่เป็นคลื่นเลยตะกะแตนตังผีเสือ้อแมลงบินกันไวัยใช่ไหมบางทีก็มีนกไอแซงแซวหางม่วงนี่มันบินมาโฉบกินสัตว์บางชนิดมันชอบวางไข่บนใบข้าวเนี่ยแมลงบมมันชอบทํารังที่ใบข้าวน่ะและดูขาวโพลนไปทั่วนาเวลากลางคืนน้ำค้างตกขังบนใบข้าวแล้วพอเช้านี่ แดดมันส่องมาโอ้โหมันวบแวบวบแวบยังกรสีรุง้งพอสายหน่อยนะแดดเผาหมดอะหายเกลี้ยงนกหนูนี่เป็นศัตรูสำคัญของต้นข้าวมันคอยกัดกินบางครั้งมาเล่นกัเชาวนาถึงน้ำตาตกเลยเพราะมันกินหมดไปเป็นแปล ง, ปลงเจ้าปูนาก็ชอบกินต้นข้าวอ่อนๆพรานเบ็ดก็ชอบเที่ยวจับตะกั่ตามต้นข้าวนี่ไปทาเหยื่อตกปลา ชาวนาเมื่อเห็นต้นข้าวเขียวชะอุ่มเต็มทุ่งนี่ชาวนาก็พากันหน้าชื่นตาบานยิ้มแย้มแจ่มใสในตอนนั้นถ้าชาวนาเขาจับกลุ่มกันเข้าทีนี้ก็คุยกันมันไปละก็บอกข้าวของฉันปีนี้ได้การท่านในทุนนะว่าพป้ค้าคนกลางมันไม่กูรี่จนเกินไปก็พอจะลืมตาอ้าปากกับเขาในมัง่งไอ้จำพวกนักเลงสุราบานนี่ก็เกาะไหายดื่มมาอย่างเปรมไป นะจำพวกชอบการพานันก็จับกลุ่มมันเป็นมูมูโดนตำรวจจับได้ก็ถูกปรับคนละช่างสองช่างไ อ, อ้บางพวกก็คลั่งหวยก็กระซิบกระซาบไปทั่วไปเที่ยวขอกับพระไปโดนพระที่ท่านให้ชอบให้หวยท่านก็บอกใบให้เออเอิไปถูกก็สักคนนี่ดังนีงนก็ฟ้าร้องนะเออในระยะ ชาวนาเลิกไถเลิกหว่านเป็นเวลาว่างของชาวนาในครอบครัวที่พ่อแม่มีปัญญาลูกกี่คนกี่คนก็หางานให้ทําบ้างก็ให้ปลูกสวนครัวเลี้ยงสัตว์บ้างก็ให้ปั่นฝ้ายทอผ้าบ้างก็ให้ทําไร่จะได้มีอาชีพบ้างก็ให้จักสารกระบุงตะกรา้าสารเสื่อศาสตร์มั่งตัดเย็บย้อมผ้าบ้างก็ซ่อมดัดแปลงบ้านช่องที่สลักหักพังลงมาบ้างก็เข้าป่าหาฟืน บางคนก็เข้าหาผักหาปลาทำสเบียงกลางไว้บางคนหน้าเก็บเกี่ยวก็เที่ยวยรับย่างหาเงินไว้ใช้หนุ่มสาวบางคนไม่เอาไหนกันเที่ยวตะโพงหาแหล่งเรองรมบางบ้านก็เที่ยวสแสวงบุญตามวัดวาอารามบางบ้านก็ไปค้าไปขายเที่ยวซื้อถูกขายแพงหากำไรบางบ้านก็ทำยุ้งฉางเอาทำไว้ใส่ข้าวบางบ้านก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายกินไข่ พอถึงเดือนสิบเ็ดสิบสองเนี่ยน้ํำนองไปทั่วบ้านทั่วนาบางปีก็ท่วมพื้นเรือนเนี่ต้องหนุนเัีเปนการใหญ่ชาวนาตอนนี้ลําบากมากควายตัวมันใหญ่ต้องหาที่ให้มันอยู่หน้าน้ํานี่นะต้องถมโคกให้มันต้องปลูกร้านให้มันบางบ้านต้องไล่เข้าป่าไปอยู่ที่สูงๆชาวนาทีนี้จะไปไหนมาไหนต้องใช้เรือแต่ว่าชาวนามเคยชินแสดงวก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะก็สนุกซะได้ซ้ําไปเพราะว่า ถ้าหน้าน้ำก็เป็นเวลาหน้ากรถินพระป่าพอทำบุญออกพรรษาแล้วก็เป็นหน้ากรถิญแล้วทีเนี้ยถึงหน้ากรถินนี่ชาวนาจะร่าเริงสนุกสนานกันเต็มที่อะไรจะมาสนุกเท่ากับหน้ากรถินพระป่าไม่มีพระป่ามีเวลากลางคืนกรถินเขากลางวันเดี๋ยวกลองตูมพระป่าวัดเหนือเดี๋ยวกลองตูมกรถินวัดใต้อ่าเสียงกรองนี่จะเป็นพระป่าหรือกรถินก็ตามหนุ่มสาวนี่ขนลุกตั้งย์ย่ละ เพราะอิ่มเ อ, อิบไม่อยากจะกินข้าวนึกว่าจะได้พบคู่รักสมหวังแล้วล่ะอ่าจะเห็นกันก็เมื่อแต่งตัว ส, ยสวยๆชาวนานี่เขาจะแต่งตัวกันก็ต่อเมื่อไปทําบุญหรือว่าเมื่อมีงานร่าเริงเท่านั้นนอกนั้นก็แต่งตัวด้วยผ้าปะผ้าขาดนะยิ่งคนมีเงินยิ่งชอบแต่งปอนๆเพราะว่าชาวนานโดยมากอยู่กับงานที่มันไม่ค่อยสะอาด ทีนี้ชาวนามันนานๆจะเห็นคู่รักแต่งตัว ส, ยสวยๆสักทีจะได้ดูกันให้อิ่มตาอิ่มใจเพราะว่าในที่อย่างนั้นน่ยในวัดในวาก็ต้องแต่งตัวประกวดกันมีเท่าไหร่ก็ขนไปแต่งกันหมดไอ้คนที่มีตังหน่อยก็แต่งซะเลิเจ้ามีสร้อยสนิมพิมพาร์พรเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองแพรอลพราวไปหมดทั้งตัวอ่าขี่เรือที่สร้างสรรค์กันมาอย่างงดงามสมัยนั้นก็ใช้เรือมาสี่แจว สี่แจวนี่เป็นเรือล้ําค่าเป็นเรือสง่าที่สุดนะบ้านไหนมีเรือสี่แจวใช้บ้านนั้นบ้านเศรษฐีพวกเรือมาสี่แจวเนี่ย่นะพอถึงวันกระถิญผับป่าจะแต่งหรูจะทั้งเรือทั้งคนนะโชว์ศักดิ์ศรีว่าฉันนะเศรษฐีตําบล น, นี้นะนะแม่ค้าขายขนมก็ร้องขนมเนอขนมจ้าแม่ค้าขายกล้วยทอดก็ทอดฉันชาฉชาควันขมวงย่ะ จำพวกข้าวหอวก็โยนให้กันอยู่กวักไวไม่มีใครถือใครเวลานั้นะจำพวกเรือแข่งก็พลึดโย่พลุดโย่ขนานกันไปอสมัยก่อนมีเรือพระด้วยนะเอะพระในวัดเนี่ยทนดูอยู่ไม่ไหวเรื่องไงไม่รู้จัดเรือแข่งออกไปทีนี้ไอเรือแข่งนี่สีกานีิอาฆาตเหลือเกินเรือสีกาณิเห็นมันก็ตาเข้าใส่เลยสาดน้ําไม่พระเปียกปอนไปตามๆกัน เรือแข่งสีกาเห็นเรือแข่งพระเหมือนเห็นเรือขนม อ, ะอ่ะร้องทา้าแข่งเสียงลั่นท้องน้ำเลยขังพระก็ใช่ย่อยสักเมื่อหนีสิจำจนไม่ลืมหูลืมตาพอเรือพระแพเนี่ยเสียงสีกาก็โหร้องสนันวันไหวเออสนุกสนานเหลือเกินตอนที่อาตมาบวชอยู่ที่วัดบางสามใหม่ๆเนี่ยเห็นพระแข่งเรือจริงๆที่วัดบางสามนะมีเรือชลายาวสัก อยู่คนสักสามสี่สิบคนนะ่ะอ่เาเขาว่าพระเอาออกมาแข่งเมื่อปีที่อาตมาบวชเนียเห็นพระท่านก็เอาเรือชล่าลํานี้แหละออกมาแข่งพอกลับมาท่านอาจารย์ท่านก็เทศให้หนึ่งกันในคําเทศนั้นก็บอกว่าให้แม่มึงเอากระบุงมาโกยซิวะบุญเต็มลําเชื่อเรือแข่งเออโชคดีนะอาตมาไม่ได้ไปในเรือลํานั้นกับเขาด้วยครั้นได้เวลาแหกระถินจําพวกเรือโยงก็โยงเรือกระถินก็ไปตามลําแม่นม้ํา วกไปวนไปตามคุ้งแควต่างๆโยงไปหยุดไปเป็นทอดทอ ด, ทอดจำพวกเรือน้อยเรือใหญ่ก็ตามก็มาจอดเป็นแถวเลยตรงที่เรือกระถินจอดอยู่นั่นแหละพอได้เวลาทอดกระถินก็ช่วยกันโยงเรือกระถินเข้าวัดน่ะพวกกระบวนแห่บางพวกก็ไปโมทนากระเขาบ้างบางพวกก็กลับบ้านเวลาพระป่ากลางคืนในเ่ชาวนาก็มีกระบวนแห่เหมือนกับวันกรินนั่นแหละ พูดถึงวันสนุกคลื่นเครียงอย่างนั้นน่ะอาตมาเวลานั้นมีคู่รักกับเขาคนนึงเหมือนกันนะรูปร่างหน้าตาเขาสวยน่ารักอยู่เหมือนกันนะเออเล่าไปก็ น, นึกถึงเขาแต่เขาตายจากไปนานแล้วไม่ได้ตายจริงอ่ะออคือน้องรักคนเนี้ยทําให้อาตมาก็อักรอกระอ่วนใจยอยู่หลายพรรษาพอเขาเห็นอาตมาไม่สึกไปอยู่กับเขาแน่เขาก็มีผัวไปโอ้ ตัญหาเอ้ยทำไมถึงทำให้มนุษย์สังเวชว้าเวเปล่าเปลี่ยวอย่างนั้นนี่ทำไมได้พระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาแล้วนะสัตว์โลกจะได้รับทุกขเวทนาสักเพียงไหนก็ไม่รู้เพราะไม่รู้จะหลบไปไหนพอหมดพระปาหน้ากระถินชาวนาก็ว้าวุ่นในเรื่องที่จะเกี่ยวข้าวต่อไปต่างก็จัดแจงบ้านเรือนยุ้งฉางกับพร้อมกับปางอบเคี้ยวเสื้อผ้าสำหรับชาวนานีฟ่ฟืนต้องหักหามาไว พอถึงเวลาลาบใหญ่ไพศาลน้องชาวนานี่พอแสงทองสอง่องฟ้าแล้วเห็นรวงทองเหลืองอารามเชียวชาวนาก็พากันชื่นชมยินดีอชาวเราเอ้ยปีนี้ข้าวในนาของพวกเรานี่จะมันช่างดีซะนี่กระไรปีนี้พวกเราสมหวังแล้วละ่ะไอ้ผัวก็บอกเมียบอกว่าแม่มึงปีนี้เขาจะซื้อสร้อยคอทองคําให้สักเส้นหนึ่งเมียก็ดีใจก็บอกผัวว่าเขาจะซื้อเหล้าให้แกสักกระติกหนึ่ง เขาจะอยู่กับย่าวฝ้ากระเรือนแล้วแกอย่าเอาอีหนูที่ไหนมาอีกนะผัวเมียเขาก็หยอกล้อกันร่าเริงใจพอสายยันตะวันรอนโลรเพลใกล้จะค่าลูกเมียพ่อแม่ของชาวนานี่นะก็พากันหุงหาอาหารเสร็จแล้วก็ชวนกันกินพออิ่มน้ำตำรานก็ชวนกันข้าวหม่งนอนผัวเมียก็นึกถึงวันสาคัญจะมาถึงวันพรุ่งนี้เราสินออเป็นวันมหาลาภของเรา ไอ้วันมหาลาบที่ว่าก็คือวันเกี่ยวข้าวก็นึกถึงจนนอนไม่หลับจิตใจให้หัวนึกแต่รวงทองว่าจะมาเป็นสมบัติของเราในไม่ช้านี้ครั้นเวลาค่อนรุง่งชาวนาก็ลุกขึ้นจะดึกหุงข้าวต้มแกงเรียบร้อยแสงทองส่องฟ้าชาวนาทั้งหลายก็ออกไปในทุ่งนาก็ช่วยกันเกี่ยวช่วยกันคว้าบางครั้งก็ลงแขกช่วยกันเกี่ยว บางครั้งก็เล่นเพลงเต้นกรรมรำร้องบางครั้งก็พ น, นันขันต่อว่าใครจะเกี่ยวได้มากกว่ากันอาตามาเคยเกี่ยวกับเขาได้วันละหนึ่งไรโอ้สนุกฤกษ์เกินเหลือเกินถ้ามีศรีกาเข้ามาเกี่ยวแข่งกันด้วยโอ้ยิ่งสนุกใหญ่แต่บางครั้งก็นึกระอาเบื่อเบื่อหนายเต้มทนกลมๆเงยๆอยู่วันแล้ววันเล่ามันเป็นเวลาช้านานเหลือเกินมันปวดกระดูกสันหลังแทบจะหักลงไปตาย ใครจะอดทนเท่าชาวนาไม่มีแล้วอาบทั้งแดดอาบทั้งฝนชาวนาที่จะท้อถอยหนีเนี่ยไม่มีทนจนเอาเข้าวไว้เลี้ยงโลกเลี้ยงพุทธศาสนาได้ชาวนาทำประโยชน์กับประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างใหญ่หลวงถ้าไม่มีชาวนานี่มนุษย์ทั้งหลายคงจะต้องตายกันเยอะแยะไปหมดชาวโลกก็น่าจะคิดถึงบุญคุณชาวนามัง้ง พ่อค้าก็ควรจะผ่อนผันเรื่องการค้าการขายเบาบางลงไม่ควรจะไปค้าอะไรเขาแพงๆเดินไปตามตลาดบ่อยๆในเห็นชาวนา ม, มาซื้อของโดยมากผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งอุตส่าห์เอาสตังค์เนี่ยหาก็ลำบากลำเค็ญมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าพูดอะไรไม่ได้เลยแล้วแต่พ่อค้าแม่ค้าจะเมตตาถ้าไปต่อไปถามเขาเขาก็บอกขายไม่ได้อาขาดทุนเออสงสารชาวนาผ้าปะผ้าขาด เขาก็บอกงั้นเขาบอกถ้าคนอื่นฉันไม่ขายให้นะฉันขายคนอื่นได้กำไรมากกว่า น, นี้ชาวนาก็ต้องจำใจจะเอาถ้าไม่เอาก็ไม่มีจะกินจะใช้ถ้าซื้อเชื่อโดยต้องโดนเข้าสองต่อสามต่อซื้อสิบบาทจดยี่สิบซื้อห้าสิบจดร้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นโอ้น่าสงสารชาวนาเหลือเกินผ้าขาดแล้วก็ยังต้องขาดต่อไปขาดแล้วก็ปะอีกบางคนปะจนไม่มีเนื้อผ้าเก่าเหลือเลย ชาวนาแบบนี้น่าสงสารนายขอมชาวนาคนเนี้นับว่าโชคดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอยู่ในตระกูลสัมมาทิฐิไม่ตายซะก่อนที่จะได้บวชอยู่จนอายุถึงยี่สิบปีก็นับว่าเป็นลาภมหาศาลได้เจอมาทั้งดีทั้งเลวอ่ พออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์พ่อแม่ก็ส่งขบวตในพระพุทธศาสนาได้ครองผ้ากาสาวพัสดิ์ของพระพุทธเจ้าได้เข้ามาอยู่ใต้ร่มธงพระอรหันต์แม่มันช่างหน้าดีใจจะนี่กรไรในขอมโชคดีเพราะจำเพาะพบศาสนาของพระพุทธเจ้าได้บวชเป็นพระในศาสนาของพระองค์ในขอมต้องเป็นผู้มีบุญบารมีสร้างสมอบรมมา ไม่อย่างนั้นคงจะไม่พบพระพุทธศาสนาได้เลยเพราะในขอมได้บวชเป็นพระใหม่ๆทีนี้ก็เป็นพระภิกษุขอมแล้วอัตมาเป็นภิกษุขอมแล้วตอนนั้นเหมือนเด็กแดงแดงแบแ บ, แ บ, แบอยในผ้าอ้อมไม่รู้อิโนอิเนอะไรนานๆเขาก็รู้จักกระดูกกระดิกพริกวําพริกหงายแล้วก็สอนคลางสอนนั่งสอนเดินสอนพูดอ่อแอไปตามภาษาทารกแล้วก็โตขึ้นเป็นลําดับไอสิ่งต่างๆก็เติบโตขึ้นตามตัว ภิกษุหอมก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อบวชใหม่ๆก็มือตื้อไปหมดมองไม่เห็นอะไรจะผิดชอบชั่วดียังไงก็ไม่รู้ทากิจต่างๆก็ทำตามที่พระเก่าๆท่านทากันมาท่องบ่นมนพรทำกุฏิซ่อมแซมปฏิสังขรณ์หวาดวัดลงโบสถ์บินทบาดรักษาพระเป็นต้นประพฤติก็ผิดๆถูกๆไปตามเรื่องไม่รู้ตื่นลึกหนาบางในทางศาสนาแต่ประการใด อาศัยพระอุปชาแนะนำสั่งสอนเป็นประจำพระอาจารย์ก็สั่งสอนบ้างแล้วก็พระที่ท่านอยู่เก่าๆก็แนะนำบ้างก็ศึกษาตามพระพุทธศาสนาก็ได้ความรู้หลายทางรวมกันก็พอทนอยู่ในพระพุทธศาสนาได้เมื่อบวชใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าจะบวชอยู่ได้นานหรือไม่นานจะศึกลาสิกขาหรือไม่ลาก็ไม่รู้เป็นแต่อยู่เรื่อยๆไปในทางพระเท่านั้นแหละทีนี้พออยู่นานเข้าไอ้ความรู้มันก็มากเข้าค่อยรู้ค่อยเห็นเข้าบ้าง บางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความศรัทธาก็มีมากขึ้นความกลัวบาปละอายบาปก็มีค่อยรู้ค่อยไปมองเห็นของดีในพระพุทธศาสนาเพราะอยู่นานเข้าศรัทธาก็มากเข้าความรู้ก็มากเข้าการศึกษาในธรรมก็มากเข้าอยู่ไปอยู่ไปก็เลยลืมเพศคารวะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในพุทธศาสนาอยู่มานานสติมันก็มีขึ้นความเพียรก็มีขึ้น รู้จักสอดส่องมองเห็นพระธรรมความเชื่อความั่นคงต่อพระพุทธศาสนาจงกระทั่งเวลาจะทําอะไรอะไรก็ทำํำในตัวเองไม่ต้องอไม่ต้องให้มีใครมาตักมาเตือนเป็นอิสระในธรรมถวายตัวเป็นข้าพระรัตนตรยัยขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตยิ่งอยู่ไปในภ้ากาเสาวภาษย์ยิ่งดียิ่งอยู่ยิ่งดียิ่งอยู่ยิ่งเพลินมีความสุขรู้สึกครื้มใจ ให้รู้ได้ด้วยตัวเองว่าคําสอนของพระพุทธเจนะ้าน่ะดีจริงๆไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของหลอกลวงอะไรอาจจะให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติได้จริงไม่ใช่ของเหลวไหลอาตมาเชื่อมั่นในธรรมตั้งใจจะขอเกาะชายพระเหลืองของพระพุทธเจ้าไม่ทิ้งขอเกาะไปนิพพานกับพระพุทธเจ้าจะถึงนิพพานหรือไม่ถึงก็แล้วแต่จะขอเกาะชายจีวรของพระองค์ไปจนตายไหนๆชาตินี้ก็ได้เจอคําสอนของพระองค์แล้ว อาตมาก็ดีใจเหลือเกินต่อไปจะไม่เจอศาสนาของพระพุทธเจ้าเหมังกรชาตินี้ขอถึงพระพุทธองค์ไปจนตลอดชีวิตขอบวชฝังตนอยู่ในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้ก็ย่างเข้ามาถึงหกสิบพรรษาแล้วกายของอาตมาก็บวชเป็นพระและใจของอาตมาก็บวชได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังไม่เป็นพระทั้งตัวเป็นบางครั้งก็ดีบางครั้งก็เผลอใจก็ยังไม่เป็นพระแท้ ความรู้น่ะรู้ได้ว่าพระธรรมมีคุณพระธรรมดีจริงๆแต่ว่าการปฏิบัติได้น่ะได้แค่บางอย่างยังไม่หมดจนสิ้นเชิงยังต้องสู้รบกับกิเลสตันหากันอยู่ไอ้เจ้าตันหานี่มันสําคัญเหลือเกินมันพร้อมด้วยเสนาของมันมันเข้ารุมล้อมอยู่รอบดันแล้วขับไล่มันอยู่หยกหยกเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วมันเผลอไม่ได้เพราะเผลอมันแผลก็มาเดียวต้องระวังตัวกันแจเลยเพราะรังตันหานี่มันอยู่ที่ตัวมนุษย์ ไอ้ตัวมนุษย์นี่มันเกิดมาจากตันหามันเป็นตันหาทั้งตัวมันเป็นตันหาเจ็ดขั่วโคตรพ่อแม่เราก็เป็นตันหาทั้งตัวแล้วก็ทําให้ลูกเกิดมาลูกมันก็เป็นตันหาทั้งตัวเช่นเดียวกับพ่อแม่เมื่อตัวเราเป็นตัวตันหาแล้วมาบวชเป็นพระขับไล่ตันหาออกจากตัวนี่มันไม่ใช่ของง่ายเพราะว่าร่างกายมนุษย์มันเป็นเรือนของมันเมื่อร่างกายเป็นของตันหามันอยู่ของมันมาก่อนแล้วอยู่ๆจะมาไล่ให้มันออกไปเชอะ ไม่มีวันเสียละที่มันจะออกไปง่ายๆ ย, ยิ่งปูตุชนคนหนาด้วยแล้วอย่าไปไล่มันจะให้ยากเลยไล่ไปไล่มาเดี๋ยวเจ้าตันหามันก็จับเอาไปเป็นทาตมันหมดพระบวชใหม่ๆสมัยนี้ไม่มีใครคิดไล่ตันหากันเลยพอออกพรรษาเจ้าตันหามมันก็ต้อนแล้วกลับบ้านไปเป็นแถวเมื่อตอนจะบวชก็ได้กล่าวคําขอบวชทรัพทุทธะนิสรณนิพพานะข้าพเจ้าจะขอบวชไปนิพพานตามพระพุทธองค์ จียวขอลาพ่อแม่ญาติพี่น้องนิพพานปัจยโยตุขอเป็นปัจจัยให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปนิพพานขอลาพ่อแม่ญาติพี่น้องไปนิพพานพอบวชเข้าไปแล้วไม่ไปจริงมัวตะนอนกินข้าวสุกนีดูโทรทัศน์มั่งเออเล่นมากรุกมั่งเจ้าตัญหามันเอาเชือกคล้องคองกระตุกเอาไปเป็นทาาของมันตามเดิมร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันไม่มีใครคิดจะต่อสู้ตัญหาเลย ผู้ที่มาบวชเป็นพระไม่ว่าเก่าว่าใหม่นี่เจ้าตันหามันคอยขยันขยอบอกให้อ้าเข้าไปเอ้าเข้าไปจะไปอยู่เฉยทำไมล่ะบวชเป็นพระนี่ลาบสการะมันเยอะเนี่ยเงินทองมากมายกายกองอ้าวนั่นเขาหามผีมาแล้วน่ะน่ะเออคอยจ้องบางสกุลให้ดีฟ้าสรอ้อยอ่าเดี๋ยวนี้มนไปสวดมนเย็นอีกแล้วตันหามมันก็บอกว่าต้องได้แน่แน่บ้านนี้ร้อยบางทีร้อยห้าสิบางทีสองร้อยนะ เดี๋ยวสังฆทานเดี๋ยวผ้าป่าเดี๋ยวกระถินเดี๋ยวสลากกพัดเดี๋ยวเทศเดี๋ยวนั่งแจงเดี๋ยวบวชหน้าปัญหาเมื่อขอยุบอกเตรียมตัวให้ดีนะเตรียมย่ามไว้เถอะเดี๋ยวเถอดมันได้เรื่อยละ่ะเอาพระทิบายุกตะกระตะกรามโกยกอบเอาข้าวหุติจนไม่มีที่ว่างที่ใส่ที่พระมียศมากๆลาภพไหลมาทเทม า, เ, าเงินก็ฝากคลังเป็นแสนเป็นล้าน บางองค์เวลาตายพวกสิทธิ์คนตามกุฏิได้เงินเป็นแสนแสนล้านนั่นเพรตกอยู่ในอำนาจตันหาตันหามันบอกให้เมื่อบวชเป็นพระเราให้โกยเอาท่านไปเชื่อมันน่ยท่านก็เป็นเพียงเทวดาเฝ้าทรัพย์ไม่ได้ไปนิพพานกับเขาอะถ้าท่านศึกออกไปตันหาเขาก็หามีให้แล้วตันหามันก็ยุให้ทําลูกต่อไปได้ลูกหลานหลนเหลนแล้วตันหามันก็ยุต่อไปอีกผู้ชนะตันหาได้เด็ดขาดก็คือพระพุทธเจ้า พระปเจกกับพุทธเจ้าเด็พระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลายอสามจำพวกข้างต้นนั่นแหละนอกนั้นที่เป็นปุถุชนแล้วเขาไม่คิดจะเอาชนะตันหาแต่อย่างใดเขาก็เพลิดเพลินไปกับตันหาตลอดชาติเขาก็คุยกับลูกกับเมียเขาเพลินไปอ่าฝ่ายที่เป็นหญิงก็คุยกับผัวเพลิดเพลินไปไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยหลวงพ่อขอมท่านเล่าว่าเมื่อตอนที่ท่านบวชใหม่ๆ ยังไม่รู้วิชาต่อสู้ตัญหาท่านเล่าบอกเจ้าตัญหามันเล่นเอาเราเสเกือบตายมันทั้งทุบตีเตะถองฉุดยือ้อบอบช้ำไปหมดมันเอาไม่ให้ตั้งตัวเลยสู้กับมันก็แพ้มันทุกทีไปเช่นมันบังคับให้เราอยากจะได้อะไรเอาทั้งนั้นทุกอย่างไม่ได้ขัดขืนมันน ะ, ะมันบอกให้กินกินเข้าไป เราก็ฉันจะท้องตางเลยอ่ามันบอกให้เอาเงินมาเก็บไว้เราก็เก็บใส่ ย, ย่ามไม่เยอะแยะมันบอกให้ไปซื้อของดีๆมาใช้สิแก้วสวยๆจีวรดีๆตะเกียงสว่างสว่างมีดกระป๋องโต๊ะนาฬิกาตู้ชั่วไฟฉายนี่ซื้อทุกอย่างมันบอกให้ขี้เราก็ขี้มันบอกให้เยี่ยวเราก็เยี่ยวมันบอกให้เราหัวเราะเราก็หัวเราะมันบอกให้ร้องไห้ก็ร้องไห้ บอกให้เราเจ็บไข้ได้ทุกเราก็เจ็บอ่ามันบอกให้โลภเข้าไปเราก็โลภมันบอกให้โกรธเข้าไปเราก็โกรธมันบอกให้ตีเด็กตีแมวตีหมาป้าไก่เราก็ตีก็ป้าไอ้ตันหานี่มันเอาเรววุ่นวายไปหมดพอเราบวชนานเข้าสติปัญญาเข้าเราก็เฟื่องฟูก็มีทั้งความฉลาดขึ้นหน่อยพอบวชได้ 3, 40, สามสี่สิบพรรษาทีนี้สติก็ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา ทั้งพละงกำลังก็มีมากมีทั้งกําลังศรัท ธ, ธากําลังความเพียรปัญญาก็ค่อยฉลาดขึ้นหน่อยอ่าตอนนี้เราก็เห็นว่าจะพอสู้กับเจ้าตันหาได้ก็คิดแย่งบัลลังก์ก็คือร่างกายร่างกายที่เป็นรังของมันนี่แหละเจ้าตันหามันถือว่าร่างกายเป็นของมันมาก่อนถ้าใครมายื้อแย่งก็ต้องเห็นดีกันเมื่อต่อสู้กันใหม่ๆก็เห็นว่าไอ้เจ้าตันหาที่กําลังมันมากไม่เหลือเกินสู้พลงังถอยพลงังสิ ท, ทีนี้ สู้กันไปสู้กันมาก็พอรู้เชิงเจ้าตันหาได้ไอ้จันตันหานี่จริงๆแล้วมันไม่เท่าไหร่ไอ้เราก็ลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันเราก็จะตามพระพุทธเจ้าไปเราจะไม่ให้เจ้าตันหานี่มาขวางทางเป็นเด็ดขาดวิชาชั้นเชิงต่อสู้พระพุทธเจ้าท่านก็ประทานไว้ให้แล้วนี่อเราจะเก็บไม่ได้ต้องงัดเอาออกมาสู้กับมันพอเราคิดได้อย่างนี้แล้วก็กัดฟันฮึดสู้กันอย่างจริงจัง เจ้าตันหานี่มันก็เก่งไม่เลวเหมือนกันเราก็สู้ไม่คิดชีวิตเหมือนกันสู้กันอย่างจะการจ้ากันทุกวันทุกเวลาผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไอ้ฝ่ายตันหาก็รุนไอ้ฝ่ายหลวงพ่อขอมก็แรงก็สู้กันอย่างถึงพลิกถึงขิงสู้กันไปสู้กันมาไม่มีใครแพ้ใครชนะต่างคนต่างก็รากันไปเพราเข็ดฝีมือกันไปเองแต่เจ้าตันหานี่มันไม่ยอมง่ายงมันคอยรังควานย้าวแย่ยั่วยุอยู่เสมอ หลวงพ่อขอมก็ไม่ประมาทเราคอยตั้งท่าตั้งตาคอยทีอยู่ถ้ามันมาเมื่อไหร่ก็สู้ก็อย่างถวายชีวิตเลยแหละเราบวชได้ 40, 50, 000, 000, 000, 000, 000, สี่สิบห้าสิบปันษาเราก็มีปัญญากล้าแข็งรู้เชิงมันเจตนาเนี่มันก็จะชวนศึกอยู่เรื่อยอ่ะมันบอกไปเป็นคนดีกว่าว่ า, างั้นไปเป็นคารวะาอ่าไอเราก็เห็นความเดือดร้อนยุ่งยากในความเป็นคนมันน่าสงสาร ดูสิต้องหาเลี้ยงชีพตัวเป็นเอ็นเรื่องปากเรื่องท้องก็ย่ำแย่อยู่แล้วดันไปมีลูกมีเต้าซ้ำเติมขึ้นมาอีกวุ่นวายเหลือเกินไอเรื่องกินกินขี้ขี้เนี่ยก็ทำไม่ต้องเช็ดขี้เช็ดเยื่วทุกคืนทุกวันมันน่าเบือ่อพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ร้องโอดโอยกันไปไอเรื่องตีด่าฆ่าแกงกันก็มีทุกวันเรื่องขโมยเรื่องปล้นเรื่องชู้สาว เรื่องโกโหกตอแหลกินเหล้าเรื่องแก่เจ็บตายโศกาอะไรอยู่เป็นประจำไม่มีช่องว่างให้สบายได้เลยนะอันนี้เป็นเรื่องของตันหาแล้วเราเห็นดีตามพระพุทธเจ้าท่านว่าอยู่แล้วแล้วเรื่องอะไรอะเราก็คอยดูคอยสังเกตอยู่อย่างเดียวว่ากลัวว่าไอ้ความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยไอ้เจ้าตันหานี่มันจะมาทางทวารทั้งหกเนี่กลัวมันจะกําเริบขึ้นมาอ่าแล้วมัน อยู่ทั่วไปหมดตอนนั้นหลวงพ่อขอมก็เลยใช้วิธีต่อสู้ด้วยการทำงานให้กับพระพุทธศาสนาทำงานให้มากทำงานให้หนักให้เพลิดเพลินไปในงานพระศาสนาก็ใช้งานก่อสร้างเนี่ยสร้างวัดใช้การเล่าเรียนศึกษาพอประมาณแต่ว่าใช้การงานทางวัตถุแทนการเรียนเราก่อสร้างวัดเข้าวัดนึง เพราะว่าเราเห็นว่าถ้าไม่มีวัดศาสนาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้าจะให้พระปุถุชนเนี่ยไปอยู่ป่าอยู่ตามโคนไม้เนี่ยคงจะไม่มีใครบวชแน่แแม้สมัยเอ๋ยพุทธการก็ยังมีวัดเหมือนกันเช่นวัดเจตวันวัดบุพารามวัดเวลุวันวัดนิโครธรามเป็นต้นเนี่ยวัตถุกระทำเนี่ยมันจะต้องคู่กันไปจะเอาเหมือนกับสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรูใหม่ๆไม่ได้ครั้งนั้น แต่ละท่านก็ล้วนจะเป็นพระอรหันต์จะมีวัดหรือไม่มีไม่ใช่เรื่องของท่านต่อมาภายหลังพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้รับพุทธาวาัตหรือว่าวัดว า, ารามต่างๆได้เนี่เพราะพระอรหันต์หมดไปหมดไปมีแต่พระปุถุชนมากขึ้นเพราะว่าพระรุ่นหลังเนี่มีแต่ศรัทธาแต่ว่ายังไม่พ้นจากโลกยังอ่อนแอต่ออุปสรรคนาน า, นานชนิดพระชั้นหลังก็ต้องอาศัยที่อยู่ที่อาศัยตกมาสมัยนี้ยิ่งร้ายใหญ่ถ้าไม่มีวัดนี่ ศาสนาของพระพุทธองค์ก็คงจะหมดไปเส้นนานแล้วพระบางองค์ท่านก็บอกว่าไอ้การสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์วิหารการประเรียนสู่นั่งกรรมฐานอึดใจเดียวก็ไม่ได้าท่านก็พูดถูกที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าปฏิบัติบูบชาในประเสริฐกว่าอามิสบูชาพระบัญญัติอย่างนี้ก็ไม่แย้งกันเลยเป็นจะสูงต่ำกว่ากันเท่านั้นเองอามิสบูชาในเป็นทางสวรรค์ ปฏบิบัติบูชานี่เป็นทางนิพพานที่พระพุทธองค์ทรงติอามิตสบูชาก็เพื่อที่จะให้ไปนิพพานกันไม่ให้หลงอยู่เพียงสวรรค์การทําบุญใส่บาตรถาวายปัจจัยทายธรรมอันนี้เป็นอามิตสบูชาแต่ชาวบ้านเน่ยเขาก็ชอบทํำอย่างนั้นเขาก็ยังทํากันอยู่ทังนั้นทําไม่ได้อามิตสาศาสนาก็คงจะหมดไปนานแล้ว การสร้างวัดวาอารามหรือว่าสร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันนเป็นการสมควรดูพระเจ้าอาโศกมหาราชทิ่ถ้าสั้นไม่สร้างถาวรวัตถุไว้ที่สังเวชนีสถานสี่ตำบนมาเวลานี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าพระพุทธเจ้าประสูตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็นิพพานที่ไหนก็ทําให้ศาสนาเสื่อมเศร้าไปมากทีเดียววัตถุ ก, กับธรรมนี่มันพรากกันไม่ได้หรอกถ้าพรากกันเมื่อไหร่ก็เป็นล้มอ่า น้ำกับรูปมันก็พรากกันไม่ได้ทีนี้บางท่านไม่ชอบพระพุทธรูปมากในวัดให้มีองค์เดียวก็พ อ, อทีนี้ชาวพุทธนี่เขามีศรัทธาสร้างพระพุทธรูปกันทั่วไปทั้งปั้นทั้งหล่อองค์ใหญ่องค์เล็กมากมายแล้วจะให้ไปไว้ที่ไหนไม่ไว้ในวัดบางท่านกติเตียนบอกสร้างโบสถ์ไปทาไมใหญ่โต วัดหนึ่งมีพระสองสามองค์เดือนหนึ่งพระจะลงโบสถ์สักสองครั้งสร้างให้นกให้กามันขี่รถเออยังงี้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงเพราะที่ภัยอาวัดไผ่รงวัวเนี่ยสร้างโบสถ์ซะใหญ่เบรอยาวตั้งสามเส้นกว้างสองเส้นสูงยีสาวาแต่ว่าการตั้งใจสร้างเนี่ยสร้างให้ใหญ่โตอย่างนั้นก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระพุทธเจ้าและให้สมกับศาสนาของพระพุทธเจ้าที่กว้างใหญ่ไพศารไปทั่วสากลลโลก แล้วไม่ให้น้อยหน้ า, าศาสนาอื่นๆชาวพุทธทั้งหลายก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าโบสของาศาสนาอื่นเนี่ยเขาใหญ่โตแค่ไหนโบสของชาวพุทธก็ถูกาศาสนาอื่นๆเขาติว่าโบสาศาสนาพุทธเนี่ยยังกะกะ top อีทเดียวสู้โบสก็ไม่ได้เพราะถูกเขาเหยียดหยามเอาอย่างนั้นอ่าอตมาก็น้อยใจก็สร้างมันใหญ่โตขึ้นมาเพื่อถวายเกียรติแด่พระพุทธเจ้าไม่ให้ใครมาดูหมิ่นได้ ถึงประสงค์จะทำเกียรติในโบสถ์หรือไม่ได้ทําก็ตามก็สร้างเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติไว้ในพระพุทธศาสนาให้โบสถ์ลอยเด่นใหญ่โตคู่ไปกับศาสนาของพระพุทธเจ้าในเรื่องเราเนี่ยอาตมาขอยืนยันคําประกันะจะไม่ให้สร้างไม่ให้ทำนั้นไม่ยอมเพราะว่าอาตมาสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาเอาไว้มากมายโดยมากก็จะเป็นของใหญ่โตจริงๆของไทยก็มีของแขกก็มีของจีนก็มี มีพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดหน้าตักห้าวาหนึ่งคืบทองหนักห้าสิบตันเป็นพระหล่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระพุทธรูปปั้นอีกองคหนึ่งหน้าตักเส้นเศษเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วโบสถ์ก็ใหญ่ที่สุดในโลกแห่นาคนี่แห่บนฐานโบสถ์ได้เลยโบสถ์ยาวหกสามวาหนึ่งคืบกว้างสี่สิบสีวาสองซอกแล้วก็จะสร้างพระนอนที่ยาวที่สุดในโลกอีกองหนึง องพระยาวสองเส้นเสร็จสร้างเมืองกบิลพัท ส, สร้างสังเวชนียสถานสี่ตำบลจำลองมาจากอินเดียผู้ที่มีทรัพย์น้อยเงินน้อยไม่ต้องไปที่อินเดียไปดูที่วัดไผ่โรงวัวได้สร้างเก่งจีนแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่เป็นของจีนมากมายซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายมหายานเขาสร้างเพื่อรักษาคุณภาพของพระพุทธศาสนาไวาให้นานแสนนาน ตัวอาตมาเองเวลาเนี่ยมีความสุขสบายแล้วล่ะมีบาทลูกกับผ้าไตรที่พระพุทธเจ้าประทานให้ก็พอแล้วพอห่มกันหนาวอ่าพอลำบากเช้าๆหน่อยก็ไปบินธบามาฉันฉันแล้วก็อยู่เป็นสุขอ ะ, อะนึกกินก็ได้กินนึกนอนก็ได้นอนมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น มีสมบัติอยู่สองอย่างเท่านั้นหลวงพ่อหอมบาทกระจีวรพอแล้วจะไปไหนก็ไปได้คล่องไม่ต้องปรุงปรังใครบวชเป็นพระไม่โลภไม่อยากได้จนเกินไปคือถือตามมีตามได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าเนะีสบายแน่บุคคลไม่มีความกังวลก็อยู่เป็นสุขมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อ, งอยู่ในเรือนใจก็เป็นสุขอย่างยิ่งนักบวชทุกคนไม่มีความปฏิพัติรักใครก็เป็นสุขที่สุดแล้ว อาตมาก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่สุดนอกจากผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าเราไม่เปลี่ยนไปนุ่งสีอื่นไปนั่นค่ดจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองไปจนตายเจอชายธงพระอาหารหันต์แล้วเราก็ต้องตายใต้ธงพระอาหารหันต์นี่แหละนะเราตั้งปฏิญาณเอาไว้ห้าข้อนะญาติโยมทั้งหลายนี่ฟังไปด้วยนะว่าหนึ่งเมื่อชีวิตของเรายังมีเหลืออยู่นี่ขอช่วยพระพุทธเจ้าไปจนตายสอง เมื่อยังมีชีวิตอยู่ถ้าเรามีเงินส่วนตัวสักบาทหนึ่งนี่เราจะอายพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่งสเราจะสร้างรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เกลื่อนไปในพื้นธรณีสเราจะระลึกอยู่เสมอว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราและหเราต้องตายตายอยู่ภายใต้ผ้าเหลืองของเราไม่ไปตายในผ้าสีอื่น เราบวชเป็นพระเราอยู่ดีๆเจ้าตันหามันก็เข้ามาขยุ่มเราชาวบ้านบางครอบครัวเห็นเราทํางานหนักหรือจะยังไงไม่รู้นึกสงสารเราหรือจะเห็นเราเหนื่อยมากไม่มีใครปลอบขวัญมั้งหรือว่าเห็นเราอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจอ่าก็นึกสมเพศทั้งครอบครัวพากันมาแล้วไมายกลูกสาวให้เราเอานั่งลูกสาวก็ชอบใจเอนั่นจะมา ไม่ใช่มาบง่งหนามให้เราซะแล้วมึงก ะ, จะเจ้าหนามมาทิมเราหนักเข้าไปอีกบางครั้งในมีศรีกาแต่งตัวงดงามมาอยู่ในกุฏิมาจนเมื่อไร่ไม่รู้มาเปิดกุฏิก อ, อเห็นศรีกานั่งอยู่เขาบอกว่าเขาจะแต่งงานด้วยเนี่ยเขาเตรียมทําที่นอนหมอนมุงไว้เสร็จอ่ะเขาบอกว่าเขามีนาสิบสองไร่มีควายสองตัวไอเราก็ตกตะลึงบอกให้ลูกศิษย์กส็สามเณรนะบอกให้เขาไปซะอีกครั้งหนึ่งเรานั่งอยู่ในกุฏิองคเดียเปลินๆก็มีศรีกาเข้ามาทําไมก็ไม่รู้ เขามานั่งเฉยจะว่าอะไรก็ไม่ว่านั่งอยู่นี่นเนี่ยเราเห็นถ้าไมา่ได้การเราก็ลุกหนีออกประตูไปนั่นแหละขุนพลของตันหานะดีไม่ดีถ้าเราหลบไม่ทันมันก็ทําลายพรหมจรรย์เราวินาศปนปี๊เล่กคนของตันหานี่มันมากมายเหลือเกินเราอาศัยสร้างวัดด้วยบุญกุศลของเราสร้างวัดแท้ๆเราถึงได้อยู่มาได้ถึงหกสิบปันศานับตั้งแต่เราบวชมาหกสิบปันศานี่เราไม่ได้หยุดเลยสักวันเดียวเราสร้างแต่วัดไม่ให้หยุดให้ยัง้ง เราก็สร้างวัดจริงๆแล้วเราใจเรากนนึกไปด้วยว่าเราจะก่อสร้างมันจะได้ลืมตัณหาเพราะว่าเมื่อเราบวชได้30มสิบสี่สิพรรษานี่ตัณหามันรุนแรงมากเราก็เร่งทํางานให้หนักทั้งกลางวันกลางคืนใครมาเห็นเราเวลานั้นน่ากลัวจำเราไม่ได้อะตัวดําเป็นเมฆเยอะแดดมันเผาเวลานั้นก็อยู่แต่บนหลังาคากุฏิหลังคาโบสถ์หลังคาสะลาหาบอิฐเองหาบทรายเองเจวเรือเองขนเองแบกเอง บางครั้งสงสัยว่าศีกาเขาจะสงสารมั้งเห็นเรากำลังแจวเรือก็จะไปกับเราด้วยเราก็บอกว่ายังไม่ต้องไปเนอะนึกถึงหลวงพ่อขอมแล้วมันจัางวุ่นวายนะเอวตมาได้ทำมาก็มีวิหารร้อยยอดสิบสี่หลังมียอดร้อยยอดจริงๆไม่ใช่ยอดช่อฟ้าใบรากาอย่างที่เข้าใจนะ มีสังเวชนียสถานสี่ตำบลที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปฐมเทศนาที่นิพพานจำลองมาจากอินเดียมีสตังน้อยไม่ต้องไปอินเดียมาดูมาชมมานาส ก, การที่วัดไผ่รงวัวได้ศิลปะแบบเดียวกันกับอินเดียแล้วก็สร้างเมืองก บ, บิลพัทมีปราสาทสามเดูของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีปราสาทแต่งงานพิมพามีปราสาทเจ้าชายหนีพิมพา แล้วก็ปั้นพระพุทธองค์พระโมคคัลาพระสารีบุตรพระพุทธบิดาพระราหุลพระนางพิมพาสร้างหอวินิจฉัยของเจ้าชายสิทธะนะปั้นรูปฝูงเทพเทวดาทั้งหลายทูลเชิญพระโพธิสัตว์เสด็จลงมาโปรดสัตว์ปั้นรูปนางลอยปนประสานไปกระรูปเขียนหล่อรูปเจ้าชายสิทธะทรงมา้าหนีบรพชาหล่อราชรถ ปั้นเทวทูตสี่ตนคนแก่คนเจ็บคนตายแหละสมัมณนนะปั้นเจ้าชายสิทธัตถะตัดมารีหลอนางมารทั้งสามรำลอพระพุทธองค์หล่อรูปองคุลิมารไล่กวดพระพุทธเจ้าหล่อรูปหวานข้าวพร้อมด้ยลูกเมียควายไถมณฑนสถานหล่อรูปบันเทิงรำกรองยาวหล่อรูปนางรยรูปเป่าปีท่นานฐาน ปั้นรูปกบิลยักษ์ยิงสุวรรณสามรูปชูโชครูปนางอมิตตดาหล่อพระกำแพงวาด้วยทองสำริดแล้วก็กระถางทูปในิยใหญ่สุ่สุ์ในโลกทำเจ็ดหมื่นบาทแล้วก็หล่อบาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่ปากบาทกว้างเม็ดหนึ่งนั่นแหละหล่อพระธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมด้วยพุทธบริษัทสี่ช่วยกันเข็น แล้วก็มีวิหารตัดเป็นที่ประทับพระพุทธองค์แะนภาษาวกสร้างวิหารเรียงสองหลังไว้พระพุทธรูปมีวิหารฉาดสองหลังไว้พระพุทธรูปนะสร้างกุฏิพระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิจกูฏแล้วก็มีวิหารหัวหนุมานวิหารหัวสิงห์วิหารตรีมกวิหารจตุรมกุกวิหารสาลาลอยไว้ภาษงกระาจายสร้างวิหารจีนคู่สถานที่ทิ้งทานแบบจีน สร้างที่เผากระดาษจีนสามแห่งแล้วก็สร้างโรงเรียนปริยัติธรรมศาลาพักร้อนแบบจีนสองหลังสร้างศาลาการประเรียนใหม่ยาวยี่สิบเจ็ดวาสร้างโรงเรียนประชาบาลสองหลังสร้างตึกอสองชั้นครึ่งสิบห้องมีโรงครัวและมีกุฏิโบราณยี่สิบหลังมีที่เผาศพมีศาลาปลกพักศพมีศาลายาวมีพระพุทธรูปจีนพระพุทธรูปญี่ปุ่น่ะ สร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมสร้างพระโพธิสัตว์จีนปลูกต้นโพ ป, ประมาณพันต้นปลูกไม้ยืนต้นต่างๆประมาณ1มื่นต้นขุดสะใหญ่กว้างยาวกว่าหนึ่งเส้นห้าสะแล้วก็สร้างเก่งจีนแล้วก็ไอที่หนักหนานีไ่ไอเมืองนรกมีต้นงิ้วสองต้นมีคนกำลังขึ้นกันยัวเยียย ม, มาบาลเอาหอกแทง นกตะกรุมมังอีแรงมัง่งพากันจิกหนามงิ้วก็แทงทะลุเลือดไหลยมมาบานชอบใจนั่งหูเราะแล้วมีพระมาลัยมาโปรดหมาดำตัวใหญ่ชอบกินสัตว์นรกหมูนอนก็เลือ้อยคลานกินน้ำเลือดน้ำหนองนมื่วันในบินหึ ง, งยะหอกดาบแหลนหลาเลื้อยขวานโซ่ตรวนฝูงเปรตเป็นร้อยรอยอทีนี้ก็มีคนมาติอันต่างๆนาน า, นาว่าวัวด ไทยลงวลัวนี้สกปรกอุจาร์ในที่สาธารณะปั้นไม่นุ่งผ้าไม่ควรจะปั้นไว้ในวัดเห็นแล้วมันน่าเกลียดทำให้วัดเป็นที่ดูถูกดูหมิ่นน้องคนทั่วไปไอ้ที่ว่านั้นก็เป็นความจริงอันหนังสือพิมพบางฉบับถ่ายรูปอาตมาไปตั้งไว้โคนต้นงิ้วคล้ายๆก็จะประจานไปทั่วประเทศนะอาตมาก็บอกว่าเออมันน่าเกลียดมันสกปรกยังไงอะ เปรตวัดไผ่เป็นแต่เอาปูนปั้นยืนเฉยๆจะเปรตในมุงเนี่ยไม่มีใครติเลยอ่ามันเป็นสิ่งจําเป็นหรือเกินเท่าที่ทําเปรตแก้ผ้าเนี่ยแตาทำนุ่งผ้ามันก็ไม่ใช่เปรตก็เป็นมนุษย์ไปแล้วถ้ามันเป็นเหมือนละคนจะไปสร้างทําไมสร้างก็ไม่มีใครสนใจทีนี้ไอ้ที่แปลกๆเนี่ยอ่าอัตมาก็จะให้เห็นว่าไอ้วัตถุนี่ ที่ในวัดภัยรงวัวมันมากมายเหลือเกินแล้วสร้างในชีวิตของพระแก่ๆรูปหนึ่งเท่านั้นน่ะมนุษย์คนเดียวตตังก็ไม่มีมีแต่บาทลูกกจีวอ น, นจะสร้างขนาดนี้นะทำได้ไงแต่ก็สร้างได้ขึ้นมาแล้วสร้างได้จริงๆสร้างด้วยแรงศรัทธาของคนที่ใจบุญเงินปลีกเงินย่อยแท้แทนะเซษสตังบาทสองบาทสิบบาทยี่สิบบาทไม่มีในทุนรับ สร้างชิ้นใหญ่ๆเป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วทำไมหลวงพ่อหอมถึงได้สร้างขึ้นมาได้มากมายเหลือหลายนี่เหมือนกับเทวดานิมิตรขนาดตัวเราเองนี่ตัวหลวงพ่อขอมเองนี่ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยยังต้องเป็นบุญบา ร, รมีแต่ครั้งอดีตชาตินะถึงได้ทำได้ยิ่งถ้าหวนระลึกนึกถึงแต่ก่อนนี้เมื่อสร้างวัดไผ่หงวัวใหม่ๆ มันไม่น่าจะเป็นวัดเป็นวาหรอกวัดตั้งอยู่กลางทุ่งนาเปลี่ยวจะตายบ้านก็อยู่ห่างๆโน่นหลังนี่หลังบินธบาตรกว่าจะได้ข้าวก็หลายแวะหลายแห่งกว่าจะกลับมาถึงวัดก็ตะวันโดง่งเงืองนี่แตกโทมเนี่ยจีวรเปียกหมดนึกนึ ก, นกดูก็น่าเอื่อมระอากลางวันก็ว้าเวมองไปทิศไหนก็ดูเวิงวางว่างเปล่ากลางคืนก็เงียบเหงาวังเวงได้ยินแต่เสียงลกอูกร้อง อ่าตอนนั้นกลัวผีก็กลัวนานๆนนก็จะมีหมาหอนมาแต่ไกลเสียงจิง้งรีเสียงกบเสียงเขียดอึงอ่างเสียงงูปิ่นแก้วเสียงมแมลงต่างๆมันร้องกันเสียงแซ่บางคืนหมามันคาบเอาซากศพมากินก็ป่าช้าก็อยู่แจ้งแจ้งต้นไม้ก็ไม่มีมันให้มืดมัวไปทั่วพื้นภูมิภาคมันน่ากลัวเป็นวัดที่แห้งแล้งหน้าหงอยเหงาเลิศเกิน หน้าร้อนก็ร้อนเหลือขนาดต้องหลบอยู่ในถุนเวลาแล้งจัดจัดน้ําก็ไม่มีต้องไปตักน้ํานี่ไกลเกือบสี่กิโลกุฏิกโรงเกรงปรับปรุงกันขึ้นมาเอาโรงมุงแฝกมาเป็นที่ทำบุญกันก่อนชาวบ้านทําบุญกระดินยกอาสนะสงฆ์ไหว้พระนั่งหน่อยชาวนาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก็มีน้อยอ่ามีนาที่เป็นอยู่ตอนนั้นก็เป็นนาล้มลุก ถ้าปีไหนน้ำดีปีงามชาวนาได้ข้าวก็อยู่กันไปถ้าปีไหนแห้งแล้งข้าวตายหมดชาวนาก็พากันอพยพไปหมดก็เหลือแต่บ้านที่สร้างไว้เป็นหลักฐานไม่กี่หลังคลองก็ไม่มีคลองในเพิ่งมาขุดทีหลังนานีนบอกขายไร่ละสิบบาทไม่มีใครซื้อเวลานั้นถ้าใครต้องการจะซื้อไว้สักพันไร่นี่มืนไร่ก็ได้อไร่นึงไม่ถึง10บาทด้วยซ้ำเนี่ยตลาดก็อยู่ไกลตั้ง็ดแปดกิโล ก๋วยเตีย๋ยน้ำแข็งกาแฟเครื่องดื่มไม่ต้องพูดถึงอ่ะถ้าใครเอาก๋วยเตีย๋ยน้ำแข็งเครื่องดื่มไปขายพวกเลี้ยงควายกินแล้วแม่ตังวิ่งหนีหมดอ่ะเป็นวัดที่มีอันตรายรอบด้านสิ่งของในวัดจอบเสียมมีดพระเครื่องใช้หายเรื่อยเป็นวัดที่หมดหวังที่จะเป็นวัดได้นคณะหมวดก็จะสั่งให้ลื้ออยู่แล้วเผอิญอาตมามาอยู่พอดีมาอยู่ก็เหมือนจะอยู่วัดที่ลอยเด่นอยู่ท่ามกลางพื้นทรณีน่าสงสารสังเวชเป็นที่สุดเอ เราก็พยายามมุมาณนะเข้าปลุกปล่ำเอามาเป็นวัดก้นจนได้แล้วเดี๋ยวนี้ดูรูปร่างสังขารอตมาสิหน้าตาส่เซียวเหี่ยวแห้งตาลึกคางยานแก้มตอบหัวงอกขาวพลนไปทั้งหัวมองดูเหมือนกากมะพร้าวฟันก็ไม่มีติดปากสักซี่เอาอะไรมาใส่ไว้แทนตาก็ฟางหูก็อื้ออาหารก็ฉันน้อยลงไปจมูกขีมูกไหลไม่หยุดกลิ่นก็ไม่ค่อยจะมี รสชาติก็นับวันแต่จะซาลงไปขีดตาก็ออกไม่หยุดตาแฉะๆชาคนเอ่อณน้าผาก็ยน่นบนหัวก็มีเม็ดพุพองคันมีกลิ่นเหม็นปากก็เหม็นเหม็นไปทั้งหัวทั้งตัวมือก็สันหนังที่ห่อทั่วตัวก็เหี่ยวเป็นร่องร่องตามผิวหนังก็ตกกระเป็นจุดมีเม็ดเม็ดผื่นเป็นคันกาวขเยอะไปหมด มือตีนก็ชา้าจะลุกจะนั่งก็งงงงเซๆเซจะเจ็บจะปวดก็ตามกระดูกในเสน้นเอ็นหดลุกทีนั่งทีก็มีเสียงโอยโอยโอ ย, โอยตัวก็ชักจะงอไปข้างหน้าตัวก็ชักหดเล็กหลวงกำลังก็หมดสองตัวไม่ค่อยไหวภายในท้องก็เสียงดังครุกรากรุกรากเป็นประดึกถ่ายอุจจาระไม่ออกตามอา่ตามเวลาเป็นเถวเป็นดานเป็นก้อนในท้อง ทำไม่ถ่ายนี่มันก็ลาบากกายลาบากใจที่สุดแต่บางทีถึงก็ร้องโวยโวยโวยโล้มก็ในท้องดังครุกรากรุกราอุดอัดทนไม่ไหวโอว้น่าสมเพชแล้วเชื่อโรคต่างๆมันก็มานะโรคคือโรคหอบโรคฤทธิ์ซีดวงโรคท้องโรคไส้จิปาทะละออรวมความแล้วว่ามันไม่มีดีไปอะไรเลยมีแต่เรื่องเสียไปทุกอย่างมันยังอยู่แต่โรคมรณะเท่านั้นเอง ก็จะนั้นคิดแล้วเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้ผิดอะไรไปกว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปที่ก็เป็นกันก็เหมือนกันแหละนะมันมีดีอยู่อย่างเดียวว่าสามารถจะทำในสิ่งแปลกๆนี้ได้ว่าทําไมเนอาตมาถึงได้ทําได้ขึ้นมาก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยเขาพิจารณานะทีนี้มันก็มีอยู่อย่างหนึ่งเอ่อไอเรื่องที่ว่าอาตมาทําการค้าของขลัง คือของขลังของพระเนี่ยนะถ้าถามว่ามันขลังจริงหรือเปล่าเนี่ยอ่าก็ให้นึกถึงเสียงไอ้เงาวของแม่เนี่ยนะทั้งทั้งที่ไอ้เงาวมันก็ไม่มีแต่แม่เขาโกหกหลอกลูกกลัวจะตกไปถุนตายก็พูดหลอกไอ้เงากัดไอ้เงาวกั ด, กดมึงระวังให้ดีมึงอย่าไปตรงนั้นนะไอ้เงาวกัด เด็กก็กลัวก็ไม่กล้าไปตรงนั้นก็ทำเอาชีวิตเด็กรอดตายไปได้อย่างนี้จะว่าแม่บาปหรือเปล่าเพราะว่าเสียงหลอกทารกเนี่ยมันมีกันทั่วโลกมันก็หลอกกันทั้งนั้นแหล ะ, ะแต่มันอยู่ที่เจตนาเจตนาแม่ไม่ได้ตั้งใจเจตนาจะพูดปลดมดเทสอะไรก็คงจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรมากอะคือไอ้เรื่องเครื่องรางของขลังเนี่ยบางพวกก็เชื่อบางพวกก็ไม่เชื่อ คนสองจำพวกนี่ก็โตเถียงกันมาเป็นพันๆปีตั้งแต่ครั้งดึกดำบันจะจิ้งเทศยังไงก็รู้ยาก่ะปลาตะเพียนหรือใส่ดักปลาเล็กๆ เ, เหมือนของเล่นทารกอะคนขายก็บอกค้าขายดี่ะของอาจารย์ที่นั่นที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ทางค้าขายถ้าใครได้ไปก็ค้าขายร่ำรวยแม่ค้าพรกค้าได้ไปก็นั่งหน้าบานเออได้มาจากอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ที่นี่ไอเรื่องไอของขัง ผ้าประเจียดลงยันตะกรุดพิสมรพระเหรียญอะไรเนี่ยตามเหตุการณ์แล้วเท่าที่เห็นกันอยู่เนี่ยที่ได้ผลจริงก็มีที่ไม่ได้ผลก็มีคนถูกยิงตายเครื่องรางของขลังเต็มคอก็มีที่แคล้วคลาดรอดพ้นจากอันตรายเพราะของขลังเครื่องรางวิทยาคมก็มีเยอะแยะไปทหารไปทับทำไม่มีพระของขลังก็หมดกําลังใจ ทหารออกรบได้พระไปก็แกล้กลาไม่กลัวตายรบชนะอย่างเช่นพระนเรศวรเอาพระพันไว้รอบพระมาลาแล้วรบชนะนั่นก็มีไอ้นั่นก็เป็นส่วนดีพวกบางระจรนันนี่ถ้าไม่ได้พระนี่ไม่ได้รบชนะถึงเก้าครั้งหรอกตามกรมกองทหารต่างๆก็ใช้พระไว้บนยอดธงคนกลัวอันตรายก็ใช้พร ะ, ะเดินทางไกลไปทางเรือขึ้นบกลงน้ําถ้ามีพระไปก็ดีใจ เดี๋ยวนี้ใช้พระของขังไปเกือบทั่วทั้งประเทศเลยที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ก็เพราะเครื่องรางของขลังวิทยาคมนี่ไม่ใช่เรื่องของพุทธองค์ชาวโลกเขาบัญญัติขึ้นใช้กันเองจะเท็จริงยังไงชาวโลกก็รู้รู้กันอยู่แต่ปัจจุบันนี้แล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่ดึกดําบรรย์น่ะโบราณนี่ใช้เครื่องรางของขังผูกคอช้างออกรบฆ่าศึกก็มีอันที่จริงเครื่องรางของขังวิทยาคมนี่ ไม่เข้าถึงพระนิพพานเท่านั้น่ะชั้นสวรรค์เข้าได้เพราะว่าถ้าผู้ใดได้เครื่องรางของขลังไปก็ทําไม่ใจกล้าไม่กลัวกล้าในสิ่งที่ถูกไม่เป็นไรถ้ากล้าในสิ่งที่ผิดเอาไปป้นไปฆ่าเขาอะไรอย่างนี้ใช้ไม่ได้เครื่องรางของขลังนี่ห้ามได้แต่พระนิพพานห้ามแต่พระนิพพานสวรรค์ไม่ห้ามถ้าพระในวัดเอาเครื่องรางของขลังวิทยาคมมาค้าขายอันนี้ผิดพระวินัยพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเชาวบ้านเขาค้าขายกันเป็นเรื่องของเขา แต่ก็ดูว่าจะกล่าวอวดอ้างมากเกินไปจนเกินประเหตุหรือเปล่าก็เอาแต่พอหอเลี้ยงน้ำใจคนให้สบายใจก็พอแล้วการติเตียนของท่านผู้รู้แจ้งในธรรมเน่เป็นการถูกติเตียนที่ถูกต้องทุกประการสาธุที่อุตส่าห์มาเตือนให้สตินะแต่การที่อาตมาทาการค้าขายเครื่องรางของขลังวิทยาคมเนี่ยเพราะอยากจะสร้างวัดสักวัดนึงไว้ในพระพุทธศาสนา ไม่รู้จะหาเงินได้ด้วยวิธีไหนที่นี้อยากจะสร้างวัดประวัติต่อไปภายหน้าถ้าวัดไม่มีในาศาสนาอยู่ไม่ได้เลยพระสงฆ์ปุถุชนเดี๋ยวนี้กำลังกายกำลังใจอ่อนแอเหลือเกินไม่มีความอดทนจะให้ท่านไปอยู่กระดินได้อยู่ในป่าแบบสมัยพุทธกาลเนี่ยคงจะไม่มีใครบวชเป็นพระหรอกถ้าไม่มีพระสงฆ์ศาสนานก็จะอยู่ได้ยังไงไม่เหมือนเมื่อครั้งพระอรหรันต์ ครั้งอรหันนี่จะมีที่อยู่หรือไม่มีที่อยู่นี่ก็ไม่จำเป็นสำหรับท่านนะเพราะว่าท่านพ้นทุกข์แล้วอาจจะมาเห็นการไกลของพระพุทธศาสนาก็เลยยอมอ่ะออกเครื่องรางของขังเ็จะสร้างวัดให้จงได้และบัดนี้ก็ได้สร้างขึ้นมาแล้วแล้วพอสร้างวัดสำเร็จนี่อาจจะมาก็จะเลิกไอ้เรื่องของขังวิทยาคมก็จะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรอีกต่อไปมันจะได้สบายใจ ก็ในที่สุดนี้ก็ขอให้ท่านที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะได้บรรลุพระนิพพานไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเถอะท่านที่เป็นสาวกของาศาสดาองค์ใดก็แล้วแต่ก็ขอให้ไปอยู่กับพระาศาสดาของท่านขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตัวแสนโกรจักรวาลจงอยู่เย็นเป็นสุขตัวหน้ากันพระพุทธังประสิทธิประธรรมัาางประสิทธิสังขังประสิทธิ จเจริญพรพ่อของคุณธงชัยเนี่ยแกไม่ชอบหาปลาชาวบ้านเขาบอกว่าพ่อบวชพระอยู่หลายปีก็เลยซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ากลัวบาปกลัวกรรมพ่อก็เลยไม่ชอบไปหาปลาไม่ลงเบ็ดไม่ลงขาย ที่นี้คุณธงชัยก็สงสัยพ่อคนอื่นเ็หาปลากันแทบทุกคนแต่ว่าพ่อไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ทำแต่งานทำแตนาทำสวนหวานข้าวหวานถั่วหวานงาแล้วก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องจะไปฆ่าปูฆ่าปลานกหนูเต่ากบอะไรทั้งนั้นนะ่ะแต่บางที คุณทงชัยก็ฉุกคิดไปว่าเอ๊ะที่พ่อไม่ชอบไปหาปลานี่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พ่อบวชพระเพราะว่าเห็นลุงชัยนี่บวชพระทั้งหลายภรษาสึกออกมาหัวผมยังขึ้นไม่เต็มหัวเลยแกออกไปหาปลาเหงงยิ่งเ ง, เงทั้งที่แกมีนามีสวนให้ทำกินไม่อดไม่อยากไม่จำเป็นจะต้องไปหาปลาขายแกก็มีกินอยู่อย่างสบาย พ่อเคยทำบาปใหญ่อยู่ครั้งหนึ่งแกทำบัวแก ค, คงไม่ได้ตั้งใจวันนั้นท่าไหนไม่รู้พ่อไม้ตีมันที่สะบักพ่อโมโหที่มันดือ้อมันก็เลยลุกไม่ขึ้นอีกเลยไปโดนที่สำคัญข้าวงนไงม่รู้นอนจมขี้จมเยี่ยวตายในคอกอย่างนาเวทนาแม่ของเราว่าพ่อซึมไปหลายวัน ธรรมดาพ่อเป็นคนไม่ค่อยช่างพูดอยู่แล้วเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพ่อก็เงียบขรึมจนกระทั่งค่ำวันหนึ่งพ่อก็เอ่ยปากกับแม่บอกว่าขครอยากจะบวชจะบวชทําไมฮะแกก็แกบวชมาแล้วอ่ะแกก็รู้ว่าข้าทําอะไรเอาไว้ก็แกไม่ได้ตั้งใจมันจะเป็นไรไปบาปบอกตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ข้าก็ทําทมันไปแล้วบาปกรรมมันก็ต้องเกิดต้องมี เขาอยากจะบวชอุทิศ ส, ส่วนกุศลในมันแกคิดดีแล้วหรือไงอ่ะก็ขาก็ว่าดีแล้วข้าคิดมาตั้งหลายวันแล้วงั้นก็ตามใจแกเถอะแล้วจะบวชกี่วันน่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ตั้งใจว่าจะบวชจนกว่าจะสบายใจอ่ะแหละตามใจแกแม่เล่าให้ฟังทานองนี้แล้วพ่อก็เลยโกนหัวบวชพระจริงๆชาวบ้านยกก็แปลกใจกันมากว่าทําไมพ่อถึงบวชแม่ก็บอกว่าพ่อเนะี่ยมีเหตุผล เสร็จแล้วบวชแล้วทำท่าจะไม่ศึกก็ไม่มีใครว่าแม่ก็ทำปิ่นโตส่งทุกวันยายก็ไม่พูดอะไรเพราะยายก็รู้ดีว่าพ่อเป็นคนยังไงไม่ใช่คนเหลวไหลไม่ใช่บวชเพื่อนหนีงานนางานไร่ไอ้ที่แรกพ่อก็คงคิดว่าจะไม่ศึกออกมาเหมือนกันแหละแต่เห็นกับข้าวในปิ่นโตแล้วเนี่ยพ่อก็รู้ว่าลูกเมียกำลังลำบากฟืดเครืองเรื่องอาหารการกิน ลูกห้าคนกำลังกินกำลังนอนสองคนโตแล้วแต่ก็ยังช่วยงานไม่ได้มากนะักตัวคุณธงชัยเองก็เป็นคนสุดท้องยังจำความไม่ได้ตอนนั้นพ่อก็สึกออกมาจากผ่าเหลืองหลายปีต่อมาถึงได้เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงสึกออกมาสึกแล้วพ่อก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานไม่ย่อท้อทำงานทุกอย่างยกเว้นเรื่องหาปลาทาบาปพ่อไม่ยุ่งเกี่ยว นกหนูพ่อก็ละเว้นไม่ข่าไม่แกงหนูกัดเขาเปลือกนยุ่งพ่อก็ใช้กรงดักพอหนูติดพ่อก็เอาหนูไปปล่อยที่กอไผยที่หลังบ้านแม่ในเกาหัวสายหน้ากับการกระทำของพ่อแม่บอกว่าพ่อไม่ยอมใช้ยาเบื่อจนแม่ทนไม่ไหวเพราะว่าดักหนูไปปล่อยเมื่อไหร่มันจะหมดมันก็กลับมาทำความเดือดร้อนให้อีกจนได้แม่ก็เลยต้องลงมือเองแม่บอกว่าหนูมันไม่มีดีขนาดจีวรพระพุทธเจ้ามันยังกัดเลย แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเบื่อหนูไม่บาปวไม่บาปอะไรมากมายแม่ก็เลยทำอ่าก็ถ้าแม่ไม่ทำแล้วใครจะทำนะอะแม่ก็ทำด้วยความจำใจจริงจริงพอโดนยาเบื่อเข้าไปก็ทำให้พวกมันหายหน้าไปหมดข้าวในยุงก็ไม่ถูกพวกมันกัดกินเสียหายอีกพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรที่แม่เบื่อหนูทีนี้หันมาเรื่องหาปลากันีิพ่อไม่หา พ่อไม่หาแม่ก็หาเองแม่หาปลามาแกงในครัวเรือนบางทีก็ซื้อเข้ามาั่งส่วนใหญ่จะซื้อเขาเพราะว่าแม่หาปลาไม่เก่งและอีกอย่างก็ากลัวบาปอยู่เหมือนกันแม่ก็เป็นคนใจบุญไปทําบุญที่วัดตุวันพระเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อไม่ไปหาปลาเนี่ยแม่เล่าให้ฟังว่าวันนั้นฝนตกปลาชุกมากชาวบ้านไปหาปลาในหนองกันทุกบ้านแต่ว่าช่วงนั้นแม่ไม่สบายลุกไม่ขึ้น อยากจะไปหาปลามาแกงกินแต่ลุกไม่ไหวแม่ก็เลยบอกให้พ่อไปหาปลากับเขามาั่งพ่อไม่พูดอะไรแต่แม่เห็นว่าพ่อนิ่งอึ้งอยู่นานสุดท้ายก็บอกว่าแกใช้ข้าไปทำอย่างอื่นดีกว่าแม่ไม่ทันฉุกคิดก็ยังเกี่ยวเข็นให้พ่อไปแกไปเถนะ่นาใครๆเขาก็ไปกันปลาชุมอย่างเนี้ยคนยกยอไม่เป็นก็ยังได้กินเลยไปเถอะ พ่อไปยกอยอได้ปลาติดคลองมาสองสาตัวทั้งที่ชาวบ้านเขาได้กันมาจนต้องใส่ตะกร้าหาบมาพอพ่อกลับมาแม่เห็นปลาค้นคลองเขาแม่ก็เกือบจะว่าพ่อแต่ว่าชกใจคิดที่มาได้ก็เลยไม่พูดอะไรแม่บอกว่าเพิ่งนึกได้ตอนบอกพ่อไปหาปลาสีหน้าของพ่อเนี่ยไม่ดีเลย ขนาดพ่อทำบาปไม่ขึ้นตอนที่พ่ออายุมากย่างเขาหกสิบเนี่ยพ่อเขายังโชคร้ายอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องเนื้อตัวของพ่อแหละมักจะได้รับบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆไอเรื่องเคล็ดขัดยอกนี่โดนอยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดวันหนึ่งก็ปีนเข้าไปบนยุงข้าวก็พลัดตกลงมาเดินไม่ได้อยู่เกือบเดือนต้องทาถูนวดเอาน้ํามันมวยมานวดอย่ามองให้กลิ่นครุ่งไปทั้งบ้านก็ น, นับว่าโชคอย่างดีที่ขาไม่เสีย ตอนแรกก็ น, นึกว่าพ่อจะต้องขาเสียอย่างแน่นอนเดินไม่ได้แล้วตลอดชีวิตพ่อก็เตรียมใจเอาแล้วถ้าเดินไม่ได้พ่อก็ยอมรับมันอย่างสงบนะแต่พ่อมาโดนหนักว่าตอนวัวมันกิดเอาเนะี่ยวันนั้นฝนตกมากวัวมันคึกขนองมันเป็นอะไรของมันไม่รู้ไอ้ตัวผู้ที่ซื้อมาใหม่ยังไม่รู้นิสัยใจคอของมันพ่อเอามันเข้าคอกไม่ทันระวังตัวมันกิดเอาข้างหลัง โดนสีข้างอย่างจังเนี่ยพ่อล้มลงไปนอนกับพื้นร้องโอยโวยโ ย, โยแม่ได้ยินก็วิ่งมาดูเห็นพ่อนอนกับพื้นอยู่ก็เข้าช่วยก็ยังรับบาดีที่วัวตัวนั้นมันไม่ขวิดซ้ําอะเลือดไหลออกมาม า, มากต้องนําส่งโรงพยาบาลรอตั้งแต่บ่ายถึงเย็นถึงได้รู้ว่าพ่อปลอดภัยสําหรับวัวตัวนั้นแม่ก็จัดการขายไปเลยแม่เอาไว้อีกแล้วที่นี่พ่อหายก็จริงแต่ข้างในกลับไม่ดีอ่า มันไม่หายจริงนะเป็นแผลผุพองขึ้นมาอีกก็ทําให้พ่อต้องเจ็บปวดทรมานอีกครั้งหนึ่งแล้วต่อมาแผลนั่นก็เกิดเป็นแผลเรื้อรังรักษาไม่หายมารู้ตอนหลังว่าพ่อเป็นเบาหวานอีกด้วยคนเป็นเบาหวานนี่ถ้าเป็นแผลจะรักษาหายยากหายช้า ม, มากต้องดูแลอย่างดีพ่อบอกว่าพ่อไม่ห่วงชีวิตตัวเองรอกห่วงแต่ลูกๆเท่านั้นนะขอให้ลูกๆช่วยตัวเองให้เอาตัวรอดได้พ่อก็นอนตายตาหลับพ่อก็จะพูดเสมอว่าให้ลูกๆเข้มแข็ง อดทนรักกันเข้าไว้ต้องขยันทามาหากินอย่าเกียจคร้านต้องพึ่งตัวเองให้ได้อย่าอ่อนแออย่าท้อถอยเงินทองหามาได้แล้วก็ต้องรู้จักใช้อย่างประหยัดครอบครัวถึงจะพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเขาคนที่เป็นหนี้ะจะมีแต่ความทุกข์ต้องเสียดอกเบีย้ยให้เขาด้วยถึงแม้ว่าพ่อจะป่งแล้วแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้นิ่งดูได้ พาพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องแผลก็ดีขึ้นจนในที่สุดพ่อเขายิ้มได้อย่างมีหวังแต่แล้วมันก็เกิดเหตุรายซ้ำซ้อนเหมือนกับกรรมที่พ่อทำไว้กับวัวมันจะตามมาสนองอย่างนั้นไอ้คาพูดที่ว่ากรรมจากวัวตามสนองพ่อเนี่ยคุณทงชัยไม่ได้พูดเองแต่ว่าเป็นความเห็นของแม่ว่าพ่อคงจะโดนกรรมจากวัวเขาให้แล้ว ถึงกับให้พ่อทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเรื่องร้ายเกิดซ้ำเพราะว่าพ่อล้มสีข้างที่มีแผลนั่นแหละกระแทกเข้ากับระเบียงบ้านอย่างแรงจนแผลฉีกเปื่ว่าเลือดไหล อ, อกมานองไปหมดเจ็บปวดทนสลบไม่ไหวทนไม่ไหวก็สลบเหมือดไปเลยรีบส่งตัวเข้าโรงพยาบาลด่วนจนพ่อออกมาได้ครั้งมาทาบุญใส่บาตรกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร แต่ว่าข้างในพ่อคงจะไม่ดีแล้วล่ะแผลมันชำ้ำไส้พุงข้างในคงจะทนไม่ไหวก็ทำให้พ่อช็อกไปโดยที่แม่เฝ้าอยู่ข้างมุงก็ไม่รู้ว่าพ่อขาดใจตายไปแล้วมารู้ตอนเช้าสว่างโร่แล้วละพี่สาวร้องบอกพ่อตายแล้วอ่าไม่ว่าใครก็ตกใจกันหมดวันเผาศพนี่คุณธงชัยบวชหน้าไฟให้พ่อสงสารพ่อจริงๆทําทำกรรมมาไวกะวัวแค่การสอนของพ่อได้ดี ทุกคนก็ทำตามที่พ่อสั่งเอาไว้ขยันทำงานกันทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายอย่างประหยัดไม่สร้างหนี้สร้างสินไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้ใครดวงวิญญาณของพ่อก็คงจะเห็นแล้วว่าลูกทุกคนรักใคร่กันดีก็มีเถียงกงันบ้างก็ตามปราษาพี่น้องเดี๋ยวก็ขัดเข้าใจกันทงชัยก็บอกว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราหรอกขอให้ดวงวิญญาณของพ่อไปสู่สุขติเถอะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ บาป บ, บุญคุณโทษอีกเรื่องหนึ่งที่เรานํามาเล่าวันนี้ครับผมมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องตายแล้วฟื้นเนี่ยจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักเรื่องหนึ่งวันนี้ครับครูบุญชูครูน้อยโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง เ, ออเรื่อง ที่ครูบุญชูตายแล้วฟื้นเนี่ยพระครูสิริปิยธรรมท่านได้รวบรวมไว้ท่านก็อยากจะให้เรื่องนี้ได้มีโอกาสเผยแพร่กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนใจให้เหล่าชาวพุทธหรือว่าศาสนาอะไรก็แล้วแต่ดำรงตนอยู่ในสังคมโดยเป็นผู้มีศีลมีธรรมไม่ประมาท วันที่หคุมภาพันธ์ปพันี2495ครูบุญชูเนี่ยตื่นนอนแต่เช้าทากิจวัตรประจำวันคือหุงข้าวต้มแกงกินร่วมกับครอบครัวอันนี้เป็นปกติก่อนจะไปโรงเรียนโรงเรียนที่จะสอนน่ก็อยู่ที่ตำบลสามโก้อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง วันนั้นครูบุญชูรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนอย่างผิดปกติทั้งที่เธอก็ไม่ได้อดหลับอดนอนก็ น, นอนหลับทั้งคืนผลที่มีอาการอย่างนี้ก็ทําให้วันนั้นครูบุญชูสอนนักเรียนแบบสังกตายคือคือสอนให้พอแล้วไปวันๆก็ไม่มีกระจิตกระใจจนถึงเวลาสามโมงครึ่งเวลาเลิกเรียนครูบุญชูก็เดินกลับบ้านบ้านก็อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณสักสามเส้นเศษ เมื่อถึงบ้านครูบุญชูก็ปรับเปลี่ยนชุดทำงานพักผ่อนพอหายเหนื่อยก็ทำหน้าที่แม่บ้านหุงหาอาหารล้างถ้วยล้างชามเก็บกวาดเช็ดถูบ้านอย่างที่เคยทำทุกวันถึงตอนเย็นก็อาบน้ำให้ลูกทั้งสองที่ยังเล็กอยู่ก็อาบน้ำให้ตัวเองด้วยเปลี่ยนเสื้อผ้าสามีไปทำงานยังไม่กลับถึงบ้านครูบุญชูก็เอาเสื่อปูพาลูกทั้งสองนอนเล่นหลมโมพัดเย็น ก็ทำให้ครูบัญชูเผลอหลับไปเหมือนกับความฝันเมื่อครูบัญชูรู้สึกตัวอีกครั้งตัวเองมาเดินอยู่ในสวนที่มีต้นมะพร้าวมะม่วงขนุนลูกดกมากเลยก็มองไปรอบๆตัวก็เห็นถนนสายหนึ่งอ่าตรงไปข้างหน้าไกลลิบเลยเธอก็ยกเท้าแต่ถนนคิดว่าจะเดินไปตามถนนสายนั้นร็จแล้วก็มีเสียงร้องทักขึ้นเป็นเสียงที่กังวานสะทานเข้าไปในหัวใจแล้วก็มีอํานาจมาก เธอมองตามไปก็พบบุรุษร่างใหญ่สี่คนผิวคล้ำหน้าตาน่ากรัวจมูกแบนปากกว้างทุกคนนุ่งผ้าเตี่ยวสีดำก็บอกว่าบุญชูแลรวเจ้านายให้มารับผู้ที่จะเป็นหัวหน้ามีผ้าพ่อหัวสีแดงครูบุญชูได้ยินก็ตกใจเตรียมจะวิ่งหนี แต่คนทั้งสี่ก็สกัดหน้าสกัดหลังเอาไว้ถึงเวลาแล้วจะหนีไปไหนไอ้พ่อเนาะคนที่เป็นหัวหน้าเขาเป็นคนพูดขึ้นมาเสร็จ แ, แล้วเมื่อเห็นหนีไม่พ้นแน่ครูบัญชูก็ อ, อ้อนบอนบอกเออลุงไปบอกกับเจ้านายลุงได้ไหมฉันขอลัดไว้ก่อนยังไม่พร้อมตอนเนี้ยเพราะว่าลูกทั้งสองก็ยังเล็กอยู่มาขอผัดปลอมกับพวกข้าไม่ได้หรอกเองไปขอเจ้านายโน้น ตอนนี้ไปกับพวกข้าก่อนให้ฉันกลับบ้านไปบอกคนทั้งบ้านก่อนสิเพราะว่ามาเดินเที่ยวไม่มีใครรู้ครูปัญจูกลับมาบ้านโดยมีผู้ชายทั้งสี่ค น, นเดินตามมาติดๆพอถึงบ้านก็เห็นบ้านจุดตะเกียงแจพายุสว่างมีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านใกล้เกียงก็นั่งอยู่เต็มญาติบางคนก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างๆร่างของตัวเธอเองที่นอนเหยียดยาวอยู่ตรงหน้าครูปุญชูก็เดินตรงเข้าไปหาสามีที่นั่งอยู่ ข้างๆหมออนามัยพอดีเธอสะดุดเสื่อล้มลงึงเป็นเวลาเดียวกับร่างเธอรู้สึกตัวครูบุญชูก็ลุกขึ้นนั่งหลายคนก็มีท่าทางตื่นกลัวแบางคนก็ถอยไปอยู่รวมกันหน้าห้องครัวที่มีสติไม่กลัวอะก็ร้องถามครูครูฟื้นแล้วเฮ้ยครูไม่ตายแล้วล่ะครูบุญชูก็บอกว่าอย่ากกลัวฉันเลยจะกลัวฉันทำไมอะ ก็จะไม่กลัวได้ไงครูตายไปตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วเสร็จแล้วครูบุญชูก็หันไปบอกกับสามีบอกว่าฉันคงอยู่ได้ไม่นานนะแม้ว่าฉันจะยังไม่อยากตา ย, ยว่าตอนนี้มีคนตามฉันมาฉันขอปลัดก็ไว้ก่อนบอกว่าลูกยังเล็กพอพูดเท่านั้นนะอ่าก็เห็นน้ำตาสามีไหลลูกเล็กๆยังไร้เดีย ง, ยงสานั่งอยู่บนตักของสามีเนี่ยไม่รู้อิน่นอยเนยจ้องแม่ตาใสา่ คนที่ตามมาเขาบอกว่าต้องไปขอผัดผ่อนกับเจ้านายเขาเองถ้าฉันตายจเพึ่งเผาศพน้ไว้สักสามสี่วันให้ไปขอผัดผ่อนกลับมาเลี้ยงลูกให้โตก่อนครูบุญชูก็เล่าต่อปนเสียงสะอื้นนะสามีก็จับมือบีบนั่นนะแต่ยังไงแม่พยายามอ้อนวอนขอให้เขาคืนชีวิตมาก่อนนะคนที่เป็นสามีพูดได้แค่นั้น่ะ ก็เหมือนก็มีอะไรมาอุดตันในลำคอเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดทอดพวกเขามารับกัแล้วละ่ะฉันไปก่อนนะพี่เลี้ยงลูกของเราให้ดีนะเดี๋ยวฉันลาก่อนละทุกคนผู้เฒ่าคนหนึ่งก็พยายามเอาดอกไม้ทูกเทียนใส่มือให้ครูบุญชูเสร็จแล้วก็บอกให้ท่องพุทโธพุทโธครูบุญชูก็ท่องท่องได้สองสามเที่ยวสติสมัมชัญญะก็ดับบูบลงซึ่งช่วงนั้นเป็นเวลาสี่ทุ่มเศ ผู้ชายสองคนเดินขนาบข้างไอ้ครูบุญชูเดินกลางอีกสองคนก็นำหน้าเดินไปไกลพอสมควรจนกระทั่งเธอรู้สึกเหนื่อยก็มาเจอโต๊ะอาหารตั้งอยู่ข้างทางมีเหล้ามีข้าวมีไก่หมูขนมจีนน้ำยาแล้วก็ขนมอื่นอื่นอีกเยอะทั้งสี่คนเขาก็ตรงไปที่โต๊ะอาหารนั่งลงกินเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะบุญชูยังไม่ได้กินข้าวมากินไดิดครูบุญชูก็เล่าว่า เธอก็ร่วมกินอาหารกับผู้ชายทั้งสี่คนนะแล้วก็ถามว่าอันนี้เป็นอาหารของใครอะ่ะแล้วเขาไม่ว่าเหรือมาเอาของเขาไปกินอะ่ะกินเธอไม่มีใครว่าหรอกมันเป็นอาหารเส้นผีบ้านนังลำเขาทําบุญต่ออายุผู้ชายคนนั้นก็ชี้ครูบันชูว่ามองตามมาเห็นบ้านหลังึงทาสีเขียวอืเขาทําบุญต่ออายุนางลำแต่ก็ นงังลำก็จะอยู่ได้อีกสองวันก็ถึงวันนั้นพวกเราจะมารับแกไปจากนั้นก็เดินต่อมาอีกพักใหญ่ก็พบคนจานวนมากยืนอยู่สองข้างถนนพวกนี้ส่งเสียงไชโยโห่ร้องต้อนรับครูบุญชูใหญ่อ้าวพวกเราไมา่คนแล้วครูบุญชูยังมีกระติกระใจจะบอกพวกนั้นฉันไม่ได้มาอยู่กับพวกแกนะสองวันฉันก็กลับแล้วละผู้คนเหล่านี้ส่วนมากไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าอะไร ถามชายทั้งสี่คนคนหนึ่งก็บอกให้รู้ไอ้พวกนี้สมัยเป็นคนนิประมาจทจนีถีเหนียวไม่เคยให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นทานกับใครไม่เคยถวายใจยจีวรพระตายไปเป็นผีจีเปลือยอ่าไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งจะหม่มอย่างที่เห็นนี่แหละครูบุญชูก็ถูกควบคุมตัวต่อไปคราวนี้มาเจอสวนดอกไม้ออกดอกสวยงามเป็นทองคํายใบเขียวยังกรมรกร ค, คุณครูก็อยากจะเด็ด ก็ถูกห้ามอย่าเด็ดดอกไม้นะแต่เองเด็ดเอาดอกไม้แล้วเองจะกลับบ้านไม่ได้กูบุญชูรี่พดมือกลับอย่างเร็วเลยอ่าว น, นึกเป็นห่วงลูกเป็นห่วงผัวก็เดินทางต่อมาคราวนี้พบหมู่บ้านปลูกสร้างเป็นแถวมีระเบียบบ้านใหญ่หลังเล็กขนาดไม่เท่ากันบางบ้านก็มีคนอยู่สองสาคนบางบ้านก็มีคนเดียะนี่เป็นบ้านของพวกคนมีบุญใครทำบุญไว้มากก็มีบ้านหลังใหญ่สวยงามอยู่ คนทำบุญร่วมกันก็ได้มาอยู่ด้วยกันอย่างที่เห็นนั่นแหละแล้วพวกที่อยู่ในถุนบ้านนะทั้งๆ ท, ที่มีบ้านอ่ามันก็ต้องมาอยู่ในถุนบ้านทําไมรู้ไหมไอ้พวกนี้ทําบุญด้วยใจไม่บริสุทธิ์ทําบุญสักแต่ว่าทําทําแล้วก็บ่นไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวทำบุญพวกนี้ก็ต้องอาศัยในถุนบ้านเขาอยู่จากหมู่บ้านนั้นก็เดินมาเจอลานกว้างมีต้นไทรใหญ่ใหญ่เบ้อเลย คนต้นมีท่านหินเนะบนโต๊ะก็มีชายร่างใหญ่หัวหยิกตาพองเนี่ยนั่งอยู่ขงบนนะกรูบุญชูก็ถูกนำมายืนอยู่ข้างหน้าผู้ชายคนนั้นแล้วเขาก็บอกเนีน่ท่านโยมาบาลทำบางเคารพท่านสนะกรูบุญชูก็รีบยกมือไหว้แงนดูหน้าท่านโหยร่างใหญ่โตยังกระยักตอนที่ยืนอยู่ต่อนหน้านะเองทำไมดื้อนัก ค่าให้คนไปรับเองอ้างโน่นอ่างนี่ก็ฉันเป็นห่วงลูกก็ลูกฉันยังเล็กเอาฉันมาแล้วใครจะเลี้ยงดูลูกเล็กๆให้อ่ะอา้าวเอ๊ะทาไมอนี่มันมีลูกยังไงนี่มันผิดตัวแล้วนี่ว่ะอิชูคนที่กู้ให้พวกเองไปรับนี่มันยังไม่มีลูกนี่เสร็จแล้วกขก็ดูสมุดบัญชีเล่มใหญ่หนาเจ้าเอ้ย อีกคนนั้นมันชื่อบุญชูจิตทองบ้านโพหมู่หนึ่งสิงห์บุรีตายเวลาตีหนึ่งครึ่งโรคไข้ครับทับระดูอ้าวอีนี่ตายเกือบห้าโมงเย็นเป็นลมตายนี่มันไม่ใช่แล้วนี่เดี๋ยวพวกแกไปรับอีบุญชูที่เออคนนั้นมาเสร็จแล้วโยามาบาลก็ชี้มาทางครูบุญชูอ้าวเอ็งจะดูอะไรก็ดูซะในเมืองนรกนเดี๋ยวจะให้พวกนี้ไปส่ง พวกเขารับมาปิดตัวเด้อเองก็ได้กลับไปอยู่กับลูกกับผัวพอได้รับอนุ ญ, ญาตครูบุญชูก็เดินดูรอบๆ บ, บริเวณนั้นอ่ะครูบุญชูเล่าว่าเห็นคนหลายคนที่รู้จักกันทนายสิริอ่าแต่ว่าเพราะเหตุชนไหนครูบุญชูจึงเห็นทนายคนนี้กําลังปีนต้นงิ้วตั้งแต่ละต้นก็สูงลิบลิว่วนนักลัวตอนนี้ไม่มีใครปีนต้นงิ้วแทบจะไม่มีหนามครั้นทนายสิริปีนต้นงิ้วขึ้นไปหนามก็ยาวออกมาเองได้ แทงทะลุท้องและตามร่างกายแล้วคนอื่นๆที่กําลังปีนป่ายอยู่เยอะแยะหมดนะแต่เรามีพวกเจ้าหน้าที่นรกเอาคีมเหล็กมาคีบดึงออกมาจากาเลือดหลายหยดอาบร่างมองแล้วชวนขนพองสยองกล้าวเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็เอาน้ําจากโอ่งมาราดมารดชีวิตก็กลับฟื้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นปีนกันอีกมีทั้งผู้หญิงผู้ชายตัวร่อนจอนอ่า ยมาบาลก็บอกรครูบุญชูบอกว่าพวกปีนต้นงิ้วเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายก็พวกมากๆในกามคุณครบชูมากผัวและเมียอย่างพวกนอกใจผัวนอกใจเมียนะอย่างผู้หญิงคนหนึ่งครูบุญชูก็รู้จักชื่อชื่อนางทองมว้วนเป็นผู้หญิงเจ้าชู้ยมาบาลบอกว่านางม้วนเนี่ยเล่นชู้กับนางหอมอ่านายหอมเมื่อตายแล้วก็เลยมารับกรรมในนรกก็ขึ้นๆหลงๆต้นงิ้วบางครั้งตายก็แก้ให้ฟื้นขึ้นมารับกรรมอีกไม่มีสิ้นสุด กูบุญชูเดินต่อมาเ็เจอคนรู้จักอีกคนชื่อในเปลืองเห็นแล้วก็อดสองสารเวทนาไม่ได้มือสองข้างในเปลืองโดนตัดขาดกูบุญชูก็ถามว่าแกเป็นอะไรทำไมถึงไม่มีมือก็ได้รับคำตอบจากในเปลืองบอกว่าตอนข้ามีชีวิตอยู่ข้าเคยแอบไปยิงนกในวัดเอามาปิ้งกินกับเหล้าอีกกลุ่มหนึ่งกำลังถูถูกทุกหัว ถูกเชือดเนื้อทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดยมาบาลก็บอกว่าพวกนี้ชอบข้าวัวข้าวควายอด้วยวิธีการทุบหัวพอควายตายก็แล่เนื้อเชือดเนื้อและต้องมาช่วยใช้ความทุกขเวทนาในกลุ่มนรกอเวจีอ้าวนี่บุญชูแกหิวข้าวหรือยังถ้าหิวข้าวยังอยู่โน่นนะยมาบาลก็บอกอตอนนั้นครูบุญชูรู้สึกสบายใจแล้ว เดินตามไปยังโต๊ะที่วางข้าวปลาอาหารอยู่เต็มโต๊ะพอจ้องมองเนี่ครูบุญชูจำได้ไอข้ขันข้าวแลว้วก็ทั พ, พีที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นขันข้าวที่เธอตักข้าวใส่บาทอยู่ที่บ้านถ้วยกับข้าวถาดใส่ผลไม้ก็ล้วนเป็นของที่บ้านเธอทั้งนั้นข้าวสวยในขันยังกลุ่นด้วยไอร้อนในทั้งแกงในถ้วยทุกอย่างก็ยังสดน่ากินมีแก้วน้ำดื่มด้วยอ่า ครูปญชูก็เหลือไปดูอีโต๊หนึงมีโถข้าวกับข้าวแต่ไม่มีขันหรือ ว, ว่าแก้วน้ํยายมบาลก็ก็บอกว่าขันข้าวกับข้าวผ ล, ลไม้แล้วก็ข้าวน้ําที่มีอยู่มากมาย ล, ล้วนเป็นข้าวของที่เองเคยทําบุญตักบาทกับพระสงฆ์เองถึงได้กินผลบุญมาเองตายเอ้าแล้วโต๊ตะนั้นทําไมไม่มีแก้วน้ําอ่ะพวกนี้ตักบารแล้วไม่มีน้ําไม่กรวดอุทิศส่วนกุศลอะไรพอตายก็กินข้าวกับข้าวอ่ะ ตักบาทรแล้วมันต้องตรวจน้ําอุทิศบุญกุศลด้วยโย ม, มาบานก็ยังดีมีใจเมตตาให้ครูบุญชูเปิดสมุดบัญชีรายชื่อคนตายอ่านไปเจอชื่อนางสาวบุญชูจิตทองซึ่งเป็นไข้ทับฤดูตายซึ่งตอนนี้โยมมทูตไปรับวิญญาณมามานรกแล้วเพราะว่าครูบุญชูได้ยินโย ม, มาบาลดุดนางบุญชูคนที่ชื่อเดียวกันแต่คนละนามสกุลเสร็จแล้ว ยมบาลก็สั่งยมทูตลงโทษบุญชูที่มาใหม่ด้วยแส่ไหายเสียงร้องควรครางเจ็บปวดเล่นูกครูบุญชูของจริงนี่สั่งสะท้านด้วยอาการหวาดสยองการลงโทษในเมืองนรกแต่ละข้อในี่ล้วนแต่หนักหนาสาหัสสากัรเท่านั้นเนี่ยพวกคมขืกนกระทำชำเราแล้วฆ่า่าตายลงยมบาลก็ตัดอวัยวะเพศแล่เนื้อ ท, ทั้งที่มีชีวิตอยู่รก แล้วโยมมาทูดทั้งสี่ก็มาส่งครูบุญชูกลับบ้านมาถึงบ้านจะเข้าบ้านไม่ได้เพราะเ็าเส็คเ้าสารซัดกันนะเวะ้ยโยมมาทู่ก็จับร่างครูบุญชูเหวี่ยงโครมมาบนบ้านจนเรือนไหวยบผู้คนก็ตื่นตกใจกันอีกวาระหนึ่งคงมีแต่ลูกสาวสี่ขวบของครูบุญชูกับสามีที่ร้องขึ้นมาพร้อมกันว่าแม่ฟื้นแล้วแม่ไม่ตาย พวกที่วิ่งหนีด้วยความกลัวก็พ า, านกลับขึ้นมาดูเห็นครูบุญชูหายใจตามปกติก็เชื่อใจว่าไม่ถูกผีหลอกแน่ครูบุญชูก็มองไปข้างๆเ ข, า, ขาเตรียมโลงศพไว้ใส่แล้วที่นำมาเล่าเพื่อเป็นคติเตือนใจให้ผู้ที่คิดดีทำดีทำแต่เรื่องกุศลเป็นบุญแก่ตัวเองคนที่คิดจะทำกรรมไม่ดี สร้างความเดือดร้อนแก่ตัวเองและสังคมก็ให้หละเลิกเสียครับเรื่องนี้ท่านพระครูสิริปิยธรรมท่านรวบรวมไว้นะครับเพื่อจะแสดงให้เห็นเรื่องเกี่ยวกับการตายแล้วฟื้นเพื่อจะได้มีโอกาสเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจของชาวพุทธให้ดำรงตนอยู่ในสังคมโดยไม่ประมาทอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ให้ระวัง เรื่องของกฎของกรรมเป็นอย่างมากเลยครับท่านผู้ฟังที่บ้านมอญจังหวัดสิงห์บุรีมีหนุ่มสาวอยู่คู่หนึ่งตกอยู่ในห่วงแห่งความรักก็คนเราเวลารักกันเนี่ยมันจะมีความเชื่อมั่นความมุ่งหวังให้รักนี้เป็นนิรัน์ฝ่ายชายก็ หน้าตาดีครับรูปหลอ่อฝ่ายหญิงก็ผิวคล้ำหน่อยแต่ว่าดำขำขำคมสวยไม่เป็นรองใครละ่ะชื่อกาหลงอายุไล่เลี่ยกันตอนนั้นก็ประมาณสักยี่สิบปีเรียกว่ายังหนุ่มยังสาวหลังจากที่แต่งงานกันแล้วผัวหนุ่มเมียสวยนี่ก็มาเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้ค่อนข้างจะใหญ่โตกว้างขวาง ปลูกสร้างเป็นแบบทรงไทยเรือนแฟลตเป็นบ้านของอดีตนามเพอซึ่งกเกษียณอายุไปแล้วแล้วก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพกับลูกๆ ก, ก็เลยทิ้งบ้านว่างไว้ก็ให้คนอื่นเช่าที่นี้ผัวเมียคู่เนี้ยก็มาเช่าอยู่แรกเริ่มเดิมทีชีวิตคู่ระหว่างหนุ่มสาวก็มีแต่ความสุขฝ่ายชายก็ทำงานที่เทศบาลเมือง ฝ่ายหญิงเป็นแม่บ้านดูแลบ้านเรือนการเวลาล่วงไปจากวันเป็นเดือนแล้วก็เลยไปเป็นปีสัจจะแห่งความรักก็เริ่มปรากฏนะฝ่ายชายสามีแม่กะหลงเริ่มออกลายเจ้าชู้อาศัยว่ามีรูปร่างหน้าตาคมสันเป็นคนมีวาจาไพเรา ะ, ะมีผู้หญิงเข้ามา สนิทสนมด้วยอยู่เป็นประจำทีนี้ความทุกข์มันก็พลันบังเกิดแก่แม่กระหลงเพราะความหึงหวงนี่จากที่เคยพูดจาอ่อนหวานโอนอ่อนยอมความกันง่ายๆก็กลับกลายเป็นขึ้นเสียงมีปากมีเสียงทะเละาะบอแวงคำต่อคำไม่มีการยอมกันแม่กระหลงก็ร้อนรุ่มกรุ่มใจหนักขึ้นทุกวัน ความผูกพันกระสันนั่นระหว่างชีวิตผัวเมียก็เริ่มคลายเกลียวเพราะว่าไม่มีลูกด้วยกันเป็นโยงใหญ่อีกสายหนึ่งที่นี้ติดติดกับบ้านแม่กาหลงเนี่ยคือบ้านผู้ใหญ่บ้านชื่อผู้ใหญ่กลีบเมียผู้ใหญ่ชื่ อ, อป้ายุพินป้ายุพินบำเรอจิตแกเป็นอุบาสิกาผู้ฝากฝายในธรรมคนธรรมะธรมโมไปทำบุญอยู่ที่วัดหลวงพ่อจรั หรือวัดอัมพรวันเนี่ยไม่ได้ขาดประกอบการบุญการกุศลไม่ได้เว้นที่นี้ป้ายุพินเนี่ยบ้านแกนอยู่ติด ก, กันนี่ก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าแม่กาหลงกับผัวนี่ไม่ได้กลมเ ก, กลเกียวกันเหมือนเช่นแต่ก่อนแต่ว่าไอ้เรื่องผัวผัวมีเมีย ม, มันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวก้าวไก่เกินไปก็ไม่สมควรแกก็ทําได้เพียงแต่ให้ข้อนแนะนําเตือนสติเวลาแม่กาหลงมาปรึกษาระบายความทุกข์ให้ฟัง แม่กาหลงคืนขมอมทุกข์กับสามีจนย่างเข้าปีที่สามความรักความหวานที่จืดจางไปก็เพราะความประพฤติของสามีเป็นสําคัญประกอบกับแม่กาหลงเองเป็นคนอารมณ์แรงขี้หึงขี้หวงอ่ามันก็ยิ่งทําร้ายจิตใจตัวเองหนักเข้าไปอีกวันนั้นเป็นวันที่แม่กาหลงจะสิ้นอายุไขแม่กาหลงก็นุ่งผ้าถุงกระโจมอกลงมาจากเรือนมาทําปลา ป้ายุพินแกก็เดินไปทักทายที่ข้างรั้วเพราะว่ารั้วมันติดกันสังเกตเห็นผิวพันแม่กาหลงนี่หมองคล้ำหน้าตาไม่มีริ้วรอยความแจ่มใสเอาซะเลยก็ถามว่ากาหลงน่ะทำอะไรอะล่ะกาหลงก็บอกว่าทำปลาจะป้าวันนี้เป็นอะไรไม่รู้มันร้อนมันกลุ้มจังเลยเสร็จแล้วแม่กาหลงก็คว้าปลาช่อนที่ขังไว้ในโอง่งมาพาดกับเขียงใช้สันมีดทุบหัวปลาดินพลาดพระพราดก่อนที่จะคอดเกต ป้าก็บ่นให้ป้ายุพินได้ยินหนูไม่รู้เป็นยังไงอ่ะมันร้อนไปหมดทั้งตัวมันกลุ้มเหลือเกินป้ายุพินถามว่ากลุ้มเรื่องอะไรแม่กะหลงก็ไม่ตอบป้าก็ยังพูดเยาว่าทําไมไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนให้เรียบร้อยละ่ะแม่กะหลงก็บอกมันร้อนวันนี้มันร้อนเหลือเกินไม่รู้จะทํายังไงให้มันหายร้อนหายกลุ้มป้ายุพินแกเห็นแม่กะหลงมีท่าทางหงุดหงิดไม่สบายใจแกก็เลี่ยงออกมาเสียจนกระทั่งเวลาล่วงไปประมาณ สี่โมงเย็นป้ายุพินก็สังเกตเห็นที่บ้านแม่กระหลงมีคนพลุกพล่านพูดคุยกันไม่ได้สับก็เดินมาที่ข้างรั้วาถามว่ามีอะไรกันเหรอคนในบ้านก็บอกว่าแม่กระหลงตายแล้วเป็นอะไรตายไม่รู้การดำขึ้นหมดทั้งตัวเลย ป้ายุพิน์พอ ร, รู้ว่าแม่กะหลงจากไปไม่มีวันกลับก็ใจหายหวนนึกถึงตอนที่พูดคุยกับแม่กะหลงตอนเช้าที่บอกว่าร้อนไปทั้งตัวไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนนั้นก็คงจะกําลังเป็นไข้การอยู่แน่ๆแต่แม่กะหลงไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่บอกให้รู้ก็เลยช่วยเหลืออะไรไม่ทันศพแม่กะหลงตั้งสวดครบสี่วันก็นําไปเผาตามประเพณี ระหว่างที่รอคอยให้ครบเจ็ดวันเพื่อจะทําบุญอีกครั้งสามีนอนคนเดียวไม่ได้ก็ต้องให้เพื่อนๆมานอนเป็นเพื่อนเพราะว่ามีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ทําให้อกสั่นขวัญกระเจิงพอทําบุญเจ็ดวันแล้วสามีก็รีบขนของโยกย้ายไปอยู่บ้านแม่ของตัวตามเดิมก็ปล่อยบ้านทิ้งรงังและตั้งแต่นั้นบ้านเช่าที่เคยเป็นรังรักเรือนหอของแม่กาหลง ก็มีปรากฏการณ์ซึ่งแสดงว่าวิญญาณของแม่กาหลงยังสิงสู่อยู่ที่บ้านริมน้ำหลังนี้ไม่ยอมไปไหนไม่มีใครกล้ามาเช่าอยู่ต่อหรือแม้แต่ย่างกรายผ่านหน้าบ้านกลางวันแสกๆก็ยังไม่ค่อยกล้าเสียด้ซ้าก็เพราะทุกคนรู้ดีว่าที่ตรงนั้นวิญญาณของแม่กาหลงยังคงอยู่ที่บ้านริมน้าหลังนั้นครับ เวลานั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจรันทิตะธรรมวท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอำพวันแล้วตอนแรกที่ท่านมาปกครองวัดเนี่ยมีพระภิกษุสามนเณรจำพรรษาไม่เกินสิบห้ารูปแล้วพื้นที่ชาวบ้านก็มีประชาชนอยู่อาศัยไม่มากชาวบ้านก็มีฐานะอัตาคัดขาดแคลนประกอบอาชีพทําสวนทํานามีรายได้เล็กๆน้อยๆพอประทังชีวิตไปวันๆเมื่อหลวงพ่อเจรันเป็นสมภารเจ้าวัด วัดอัมพวันก็เริ่มเจริญขึ้นเป็นลําดับก็มีกุลบุตรมาอุปสมบทบัพชาเป็นภิกษุสามเณรเพิ่มขึ้นปีหนึ่งก็สี่สิบห้าสิบรูปที่นี้ญาติโยมก็มาหาหลวงพ่อเพิ่มจำนวนมากเรื่อยเรื่อ ย, อยนะเวลามีญาติโยมศรัทธามาวัดจำนวนมากหลวงพ่อก็จำเป็นจะต้องไปขอบิณฑบาตอาหารหวานข้าวบ้านเหนือบ้านใต้มาเลี้ยงดู เพราะว่าวัดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ธุระกันดานเหลือเกินนี่หลวงพ่อเนี่ยมีความประสงค์จะคิดตั้งโรงครัวของวัดขึ้นมาเพราะว่าเกรงใจชาวบ้านเหลือเกินที่ต้องขอบินทบาทข้าวหม้อแกงหม้อบ้านเหนือบ้านใต้บ่อยๆเหมือนกับไปสร้างความลำบากให้โดยปริยายหลวงพ่อนี่มีปัจจัยส่วนตัวติดตัวมาแค่สาพันบาท แล้วเงินจำนวนขนาดนี้จะซื้อเสาซื้อไม้ใหม่มาปลูกสร้างโรงครัวนี่ไม่พอแน่ไอ้ครั้นจะบอกบุญนี่อะไรขอบริจาคชาวบ้านญาติโยมเราแว่งนี้ก็ลําบากใจเพราะชาวบ้านก็จนเมื่อไตรตรองโดยรอบคอบแล้วหลวงพ่อก็ตัดสินใจว่าจะสะหาซื้อบ้านเก่าเพื่อจะรื้อเอาไปปลูกเป็นโรงครัวของวัดอัมพวันก็ตั้งงบประมาณเอาไว้สามพันบาทเท่ากับเงินที่หลวงพ่อมีอยู่ จากนั้นหลวงพ่อเจรันก็บอกฝากลูกศิษย์ญาติโยมไปบอกว่ามีใครจะขายบ้านเก่าบ้างก็ให้นําความมาบอกจะได้ไปติดต่อขอซื้อมาสร้างโรงครัววัดวันหนึ่งคุณป้ายุพินที่ว่าเนี่ยก็มาที่วัดอัมพวันหลวงพ่อก็ถามว่าโยมพินใครมีบ้านจะขายในราคาถูกๆมั้งละ่ะป้ายุพินก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะเจ้าค่ะถ้ามีที่ไหนดีฉันจะมากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบ ก็พอดีคิดขึ้นมาได้ว่าบ้านในอำเภอซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยเป็นบ้านที่แม่กระหลงแกตายแล้บ้านนี้ก็ถูกทิ้งราง้างไว้หลายปีเพราะไม่มีใครกล้ามาขอเช่าอยู่อาศัยก็กราบเรียนถวายหลวงพ่อพร้อมกับบอกท่านว่าถ้าหากว่ า, เ, าเดี๋ยวเจ้าของบ้านนะ่ะคือพวกนามเภอเขามาเนี่ยจะสอบถามให้ทันทีว่าเขาจะขายหรือเปล่าป้ายุพินกลับจากวัดไปถึงบ้านพอดีคุณนายนามเภอมาจากกรุงเทพมาดูบ้าน ก็ถามคุณนายว่าบ้านหลังเนี้ยจะขายไหมคุณนายก็บอกขายสิเก็บไว้ก็ไม่มีใครมาเช่าอะ่ะคุณนายก็บอกราคาขายไว้ห้าพันบาทคุณป้ายุพินก็รีบนําความมากราบเรียนถวายหลวงพ่อจรันท่านก็ให้ไปถามคุณนายนํามเพออีกว่าพอจะลดราคาลงอีกได้ไหมป้ายุพินก็ย้อนไปหาคุณนายไปอธิบายให้รู้ว่าหลวงพ่อเจรันจะซื้อไปปลูกเป็นโรงครัวของวัดไม่ได้เอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นหรอก พอคุณนายทราบเรื่องก็บอกว่าเอาเมื่อหลวงพ่อจะเอาไปไว้วัดก็ขอคิดแค่สามพันก็พอดิบพอดีกับเงินส่วนตัวของหลวงพ่อไม่ขาดไม่เกินคุณนายนามเพอก็มอบอำนาจให้ป้ายุพินนี่จัดการเรื่องการตกลงซื้อขายแทนเสร็จแล้วแกก็กลับเข้ากรุงเทพป้ายุพินก็นําความมากราบเรียนถวายหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อว่านิมนต์หลวงพ่อไปดูก่อนเถิดข้ะถ้าชอบใจค่อยซื้อถ้าไม่ชอบใจก็แล้วกันไป หลวงพ่อก็ตกลงไปดูบ้านก็นัดวันเวลาเรียบร้อยเมื่อถึงวันนัดหลวงพ่อเจรันก็นั่งเรือสำปันเก่าๆของวัดมีเครื่องยนต์ติดท้ายเก่าๆพอกระสภาพเรือแหละมีคนถือท้ายก็เดินทางไปบ้านป้ายุพินกับผู้ใหญ่กรีบที่บ้านบางมอนพอไปถึงบ้านร่วมเพลนแล้วสองสามีภริยาก็จัดพัฒนาหเพลถวายพอฉันเสร็จเรียบร้อยผู้ใหญ่กรีบก็พาหลวงพ่อจรันไปดูบ้าน นะบ้านนั้นเป็นบ้านทรงไทยเรือนแฝดฝาบ้านเป็นฝาประกันแบบบูราณมีรางน้ำรองน้ำฝนอยู่ตรงกลางสภาพภายนอกก็ยังดูดีอยู่เสียแต่ว่ามียาหยักย่ารุงรังฝุ่นละอองจับอยู่เต็มเลยเพราะไม่มีใครดูแลรักษาผู้ใหญ่กรีมนี่มันหลวงพ่อขึ้นไปดูบนบ้านแต่ตัวเองไม่ยอมขึ้นนะ่ะเกาะอยู่ตีนบันไดนั่นนะบอกหลวงพ่อหลวงพ่อ นีมนขึ้นไปดูดูเสร็จแล้วเดี๋ยวนิมนมาที่บ้านนะครับจะได้คุยกันผููแก่นี้ผู้ใหญ่กรี๊ดว่าไม่ยอมตามหลวงพ่อขึ้นไปเพราะรู้อยู่กระจายตัวเองดีว่าบ้านที่แม่กระหลงตายหลังนี้เฮียนขนาดไหนหลวงพ่อจรัญก็ไม่ได้คิดติดใจอะไรเพราะไม่มีใครบอกกล่าวเรื่องที่แม่กะหลงมาเช่าบ้านอยู่กับสามีแล้วเป็นไข้การติ้นใจตายกระทันหัน หลวงพ่อจารันขึ้นไปบนบ้านพอก้าวผ่านประตูเรือนทั้งหลังก็พลันเกิดอาการโยกสะทานยังกับแผ่นดินไหวแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้วันหวัดต่ออะไรเพียงแต่สัมผัสความผิดปกติที่ไม่ชอบมาพากลแล้วก็ขนลุกเรียวอย่างไม่มีสาเหตุท่านก็นลงบันไดมาถามผู้ใหญ่กรีบซึ่งคอยอยู่ ต, งตรงตีนบันไดบอกว่าเอบ้านหลังนี้ทําไมมันชอบกวนนะผู้ใหญ่ดูโยนไปโยนมาชอบก้น ผู้ใหญ่กรีบก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้บอกกะหลวงพ่อหน้าตาเฉยหลวงพ่อบ้านหลังนี้มันเก่าอะ่ะไม่มีคนอยู่พอขึ้นไปอข้างบนเนี่ยกระดานเรือนมันอาจจะโยนไปโยนมาก็ได้หรือหร้อว่าหลวงพ่อจะเป็นลมวิงเวียนนะล่าอวผู้ใหญ่ว่าเขาไปโนนผู้ใหญ่กรีบไม่ยอมเล่าเรื่องแม่กะหลงให้ฟังคงจะกลัวว่าหลวงพ่อจรันจะไม่ซื้อบ้านนี้ไปอ่า แต่บ้านนี้ถ้ายังอยู่ผีมันก็ยังอยู่ละตัวเองก็น่าจะเจอฤทธิ์แม่กะหลงจนเข็ดเคี้ยวอยากจะให้หลวงพ่อรูอ้อไปพน้นสักทีหลวงพ่อจรัญก็รับฟังผู้ใหญ่พูดก็มีเหตุมีผลพอฟังได้ท่านก็ย้อนกลับขึ้นไปอีกครั้งพอก้าวเข้าไปเขตเรือนไอ้ความผิดปกติอย่างเก่าก็เกิดขึ้นอีกหลวงพ่อก็กําหนดจิตแผ่เมตตาบอกกล่าวซึ่ง่สิ่งที่สิงสถิตยอยู่บอกว่าผู้ที่อยู่บ้านเนี้ยขอให้รับรู้นะ อาจจะมาจะซื้ อ, อรื้อบ้านหลังนี้ไปปลูกเป็นโรงครัวเพื่อทําอาหารถวายแด่พระสงฆ์องค์เนรแล้วก็ช่วยเลี้ยงพุทธศาสนิกชนให้ได้รับความสะดวกในการที่เขามาบําเพ็ญกุศลของเข า, าวิญญาณใครก็แล้วแต่เถอะอยู่ที่นี่นะจะอยู่ทําไมไปอยู่ด้วยกันเถอะไปอยู่วัดอัมพวันไปเจริญวิปัสนากรรมฐานกันที่วัดอัมพรวันด้วยกันดีกว่าอย่าหลงอยู่ในอบายเป็นเปรกวิสัยอย่างเนี้ไม่ดีหรอก เมื่อถึงเวลารื้อก็มาช่วยกันรื้อกันปลูกนะเรือนที่โยกไหวก็หยุดนิ่งเป็นปกติพอกลับลงมาหลวงพ่อก็ไปบ้านผู้ใหญ่กับป้ายุพินไปบอกตกลงจะซื้อบ้านแล้วก็นัดหมายวันรื้อถอนฝ่ายป้ายุพินก็รับอาส า, าจะหาคนพื้นบ้านมาช่วยรือ้อสมทบว่าคนของหลวงพ่อที่มาจากวัดเรื่องอาหารการกินจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมไวให้พร้อม หลวงพ่อจรรยพอกลับมาถึงวัดก็จัดเตรียมถางที่ที่จะปลูกรงครัวเรียกช่างมากำหนดมาพอถึงเวลาหลวงพ่อก็ใช้เรือขนข้าวลำใหญ่ที่ลูกศิษย์เอามาช่วยเดินทางล่องไปบ้านผู้ใหญ่กรีบมีช่างมีพระมีเนน ญ, ญาติโยมข้างวัดนั่งกันไปเต็มลำเรือเลยไปถึงบ้านผู้ใหญ่กรีบบ้านป้ายุพินก็เริ่มรื้อบ้านกันเลย หรือตัวบ้านออกทีละส่วนแล้วส่วนไม่มีอุปสรรคขัดข้องแม้แต่น้อยอ่าพื้นไม้ฝาแบบฝาประกลก็ถอดออกง่ายๆเป็นแบะแบะทยอยขนลงเรือไปเรื่อยๆนะแค่ค่อนวันก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างทุกส่วนที่ประกอบเป็นตัวบ้านไม่มีสิ่งใดแตกหักเสียหายเลยเป็นเรื่องแปลกเพราะการรื้อถอนบ้านเรือนเก่าๆต้องมีการเสียหายไม่มากก็น้อยแล้วก็ไม่มีใครรื้อให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวได้ แต่ปรากฏว่าบ้านหลังนี้รื้อได้แล้วพอวันรุ่งขึ้นก็เริ่มปลูกรงครัวกันที่วัดเลยฝังเสา ว, วางคันเสร็จภายในวันเดียวอีกเหมือนกันเป็นเรื่องแปลกรวงครัวปลูกเสร็จเรียบร้อยเวลากลางคืนไม่มีใครกล้าไปอยู่เพราะบริเวณที่ปลูกอยู่ทางทิศใต้ของวัดนะค่อนข้างจะเปรี่ยววังเวงเป็นป่ารกครึ้มมีกอไผ่โอบล้อมหลายสิบกอยิ่งกลางคืนในยิ่งน่ากลัวทีเดียว น่ากลัวที่นี่โรงครัวที่ว่าเนี่ศรัทธาญาติโยมมาวัดอัมพวันกันเป็นจํานวนมากหลวงพ่อจรันอาศัยโรงครัวในหุงข้าวทํากับข้าวถวายพระเนนเลี้ยงดูผู้มาช่วยหุงข้าวทํากับข้าวถวายพระสงฆ์องค์เนนก็คือญาติโยมบ้านเหนือบ้านใต้ที่บ้านเขาอยู่ใกล้ๆวัดก็ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยหลวงพอ่อทุกวันน่ะ พอถึงเวลาเย็นก็พากันกลับบ้านบ้านใครบ้านมันไม่มีใครนอนในโรงครัวหรอกเวลานั้นไม่มีใครนึกถึงแม่กะหลงกันแล้วแทบจะลืมไปเลยว่าโรงครัวนี้เป็นบ้านเก่าของแม่กะหลงที่หลวงพ่อจรรชซื้อมาปลูกขึ้นใหม่นะแล้วเวลานั้นโรงเรียนประชาบาลวัดอัมพรวันก็ก่อสร้างขึ้นนายสงวนเป็นผานโรงประจําโรงเรียนวัดอัมพรวันที่นี่มียนายสงวนที่เป็นผานโรงแกชื่อบุญชู หลวงพ่อจรัญเห็นว่านางบุญชูในอยู่บ้านเฉยๆลูกๆก็ไปเรียนหนังสือกันหมดท่านก็ขอแรงนางบุญชูมาช่วยงานวัดทำหน้าที่เป็นแม่ครัวที่โรงครัวร่วมมาคนอื่นๆช่วยกันหุงข้าวทำกับข้าวเลี้ยงพระเลี้ยงเรียนเลี้ยงคนทุกวันนางบุญชูมาช่วยโรงครัวตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับบ้านตอนบ่ายๆก่อนลูกผัวจะกลับจากโรงเรียนเพื่อจะเตรียมหุงหาอาหารมื้อเย็นไว้ให้คนในครอบครัวกลับมากิน สำหรับแม่ครัววัดอัมพวันทุกคนเนี่ยหลวงพ่ออนุญาตให้เอาข้าวกลับไปบ้านได้ส่วนกับข้าวถ้าหากมีเหลือจะนําไปกินก็ได้เป็นการผ่อนคลายภาระเรื่องอาหารการกินในครอบครัวทุกคนนางบุญชูก็หิ้วปิ่นโตใส่ข้าวใส่กลับกลับบ้านเหมือนกับทุกคนแต่บางวันก็ถือวิสาสะหยิบหอมกระเทียมพริกแห้งใส่เข้าไปด้วย หรือวันไหนมีหมูมีปลาเหลือจากทำอาหารถวายพระเดนก็จะแจงยัดใส่ปิ่นโตโดยพระาการไม่ได้บอกกล่าวขออนุญาตต่อหลวงพ่อก่อนคงคิดว่าเป็นของกินเล็กๆน้อยๆไม่สำคัญอะไรคนที่อยู่ใกล้วัดใกล้พระจำนวนไม่น้อยนี่มักจะหาบาปเวรหากรรมใส่ตัวเองเพราะความมักง่ายและรู้เท่าไม่ถึงกันพอใจสิ่งของในวัดวาอารามอย่างไหนจะหยิบฉวยไปไง่ายๆก็กว่าไปเลย หารู้ไม่ว่าแม้จะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือไม่มีราคาค่างวดอะไรนักแต่ก็เป็นของสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ไม่อนุญาตจะนำไปเป็นของตนไม่ได้เพราะเท่ากับลักขโมยของสงฆ์โดยเจตนาเป็นอาคุศุลกรรมอันหนักหนาสาหัสทีเดียวนางบุญชูคงจะหยิบฉวยของในครัววัดอัมพวันไปเป็นอาจินด้วยความมักง่ายและรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้เสร็จแล้วไม่เพียงนางบุญชูเท่านั้นที่ประพฤติอย่างนี้ คนอื่นๆเห็นนางบุญชูทำได้ก็พลอยทำตามไปด้วยคราวนี้วิญญาณแม่กระหลงซึ่งเงียบเชียบประหนึ่งสูญหายสลายไปนานแล้วก็พลันแสดงฤทธิ์ให้ขนพองสยองกล้าวกันทั่วหน้าบ่ายวันนั้นที่โรงครัววัดอัมพวันขณะที่นางบุญชูกำลังอยู่ที่โรงครัวจูจ่ๆก็หงายหลังล้มตึงมีอาการผิดปกติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเล่นเอาคนที่อยู่ตรงนั้นตกใจพอนางบุญชูยกตัวขึ้นมานั่ง ลักษณะท่าทางผิดไปเป็นคนละคนพวกโรงครัวก็ถามมันข่มว่าแม่ชูเป็นอะไรแม่ชูเป็นอะไรนางบุญชูก็บอกว่าฉันไม่ใช่บุญชูฉันคือกาหลงเป็นวิญญาณอยู่ที่โรงครัวนี่เพราะรู้ว่านางบุญชูถูกผีเข้าแต่ละคนจะถอยกรูดเลยไม่กล้าเข้าไปจับต้องประคองตัวนางบุญชูเช่นตอนแรกคนหนึ่งก็ถามผีแม่กาหลงว่า มาเข้าแม่ชูทำไมเป็นผีแล้วมาอยู่กุฏิโรงครัวได้ยังไงที่นี่เป็นวัดนะวิญญาณก็บอกว่าหลวงพ่อวัดอำมพวันเชิญเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานอ่าเป็นอะไรตายเราเป็นไข้าตายตอนที่จะตายยังห่วงสมบัติห่วงผัวผัวเราเจ้าชู้มีผู้หญิงเยอะสิ้นใจตายไปแล้วก็ไปไหนไม่รอดเพราะห่วงสมบัติห่วงผัวก็เลยเป็นเปรตสิงอยู่ที่บ้าน้วยอำนาจโลภนี่แหละอ่า แล้วมาที่นี่ทำไมมารบกวนแม่ชูว่าทำไมอ่ะเรามาช่วยหลวงพ่อดูแลโรงครัวเห็นมานานแล้วเห็นหลายวันแล้วพวกเธอที่มาทําครัวเนี่ยเม้มอเอาของวัดไปเอากระปิหอมกระเทียมไปหมูปลาก็ไม่เว้นลักไปบ้านกันบ่อยๆเราทนดูไม่ไหวั้นต้องมาเตือนอย่าเอาไปอีกอย่าลักขโมยของวัดไปอีกตายเมื่อไหร่จะกลายเป็นเปรต ด, ด้วยอํานาจโลภะเป็นบาปกรรมเพราะโลภเป็นเปรตเหมือนอย่างเรา